จาร์พรท่านผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนพุทธบรยษัทผู้ฝ่ายทรามทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันในข้างหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมกันตามคำสอนพระเจ้ทาที่ถุงตัดสอนว่ากาเลนะธรรมะสากัะชาเอธรมมังครมุตธรรการได้สนทนาธรรมกันเป็น มุ่งกลอย่างยิ่งพอจะได้ยินได้ความธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนความที่เราเคยได้ยินแล้วพอได้ฟังก็จะเกิดความเข้าใจนีขึ้นไปทาํามครับกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ทําให้มีสมาธิความเห็นที่ถูกต้อง่ทําให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข มีการนิสสุบิกาจาด ก, การสนทนาทำกันตามการตามเวลาอันนี้เราก็ออมกัแล้วก็ขอเชิญด้าน แ, แรคุณบุญญนุชจากกอทมอ์ค่ะลูกเข้ามากราบพระอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนในชีวิตประจําวันก็พยายามสร้างหมั่นปฏิบัติสร้างความเพียรโดยการเจริญสติคะ่ะพระอาจารย์ส่วนสมาธิเนี่ยจิตฟุ้งมากก็พยายามฝึกอยู่คะ่ะ ส่วนปัญญาพยายามหมั่นฟังธรรมของพระอาจารย์ดยเฉพาะเรื่องว่าจิตคือธาตุรู้ค่ะจะเอาตัวลูกอยู่ได้มากค่ะพระอาจารย์ค่ะออลูกไม่มีคำถามใดๆอยาค่ะพระอาจารย์ให้จิตสบตงบความสงบอยู่ที่ความสงบนี้ค่ะไม่ต้องการอะไรถ้ามีความสงบนล้วจิตใช่อิ่มเฉพอค่ะไม่หิวโหยกับอะไรค่ะพระอาจารย์โอเค ไปที่ ค, คุณคสาธารณเชิญจากจีน่านไม่มีคำถามคัะอาจารย์มาลงฟังธรรมค่ะปฏิบัติตอดอยาสาธุหมอพิเชษจากกรทมรกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับวันนี้จะมากราบรายงานความคืบหน้าของการบำเพ็ญจิตตะภาวนาครับาอาจารย์เชิญ ับโยมได้ฝึกนั่งสมาธิ ต, ตอนเช้ามืดทุกวันผ่านมาก็หกเดือนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งครับใจสง บ, บขึ้นแล้วก็ความฟุ้งซ่านน้อยลงและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้โยมก็ได้บริกา ร, รพุโทโธและก็ดูลหมหายใจผ่านไปสักประมาณ1ิบนาทีก็ จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบกับป้าจย์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันว่างแล้วก็เหมือนกับตัวลอยอยู่ในอากาศครับแล้วก็สักแต่ว่ารู้นะครับไม่มีจิตปรุงแต่งแล้วก็ใจรู้สึกอิ่มเอิบแลมีความสุขกับป้าจย์ก็รักษาภาวะนี้อยู่ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาจากสมาธิใจก็ยังสงบและยังมีความอิ่มเอิบอยู่ โยมก็เลยได้บำเพ็ญวิปัสนาภาวนานะครับพิจารณาเกี่ยวกับใจรักและอริยสัจ ส, สี่หลังจากนั้นก็ได้ออกมาเดินจงกรมซึ่งเป็นการเดินจงกรมที่จิตนิ่งมากครับอาจารย์ทุกอย่างก้าวเนืรู้หมดแล้วก็เหมือนกับตัวลอยๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับอาจารย์ก็เป็นครั้งแรกที่โยมได้รับ ความรู้สึกของความอิ่มเอิบและก็ความสุขในใจจากการวางเป็นจิตภาวนาครับวันนี้เข้ามาเรียนพระอาจารย์แล้วก็ขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับอย่างแรกก็คื อ, อได้เห็นธรรมะที่เป็นสัทพิทิโกสัพพิทิโกคือผู้ปฏิบัติย่ำพิสูจน์ไ ด, ด้วยตอนนี้ย่ำเห็นได้ใยตอนนี้ การทําุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นโมฆะมันลดแห่งทำชนะดลดทำบ่วงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมีความยินดีแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงต่อไปก็คือการเจริญเหตุที่ทำให้เรารักษาและทำให้ความสงบนี้คงอยู่ไปนานๆก็คือการเจริสติอย่างสม่ำเสมอ ในเบื้องต้นนี้ยังอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปทางปัญญามากเกินไปพยายามควบคุมความคิดให้อยู่ได้ตลอดเวลาทั้งขณะที่ในสมาธิแล้วออกจากสมาธิเพราะาถ้าเราไปพิจารณาทางปัญญาเนี่ยมันอาจจะเหนเถิดไปพิจารณาทางโลกต่อไปโดยมัรู้สึกดุะทําให้จิตพุ่งขึ้นมาแล้ว เวลาจะกลับเข้าสมาธิข้าต่อไปอาจะเข้าไม่ได้ก็ได้ยังต้องระวังช่วงใหม่ๆนี้สมาธิยังแบบเป็นขั้นโน้มนุ่คุกคาดอยู่ให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถเข้าได้ทุกครั้งทุกวันแล้วตอนนั้นออกมาจากสมาธิจะเดินทางปัญญาบ้าง ก, ก็ได้ะจะหรณาร่างกายเราเป็นหลักก่อน รังกายของเราและของพู้เื่นมไม่เทียมกลาแต่็นเจบตายลำบากลาจากกันเป็นเดินน้ำโดดไฟไม่มีตัวตนมาจากท่าสี่แล้วจะกลับคืนสู่ท่าสี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำต่อไปหลังจากที่ขั้นสมาธิของเรามันคงแล้ว มั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เรานทำสมาธิถ้าเข้าหน้านั่งแล้วไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าจิตขาดสติแล้วครับส่วนหนึ่งก็คือไปคิดถึงผลที่เคยได้คราวที่แล้วอยากจะให้มันเกิดขึ้นนํางใจหมายมันไม่เกิดตามตามตาดังใจหมายมันเกิดจากสติที่เราประเข้ประคองจิตไม่ให้ไปคิดผูกแต่ต่างๆ ลก็ต้องอย่าลืมเหตุที่ทําให้จิสตสงบเราเจริญเหตุนั้นทุกคําที่จะเข้าสมาธิอย่าไปเจริญผลอย่าไปนึกถึงผลที่เคยได้แนละ้วยิ่งนึกยิไม่ได้ยิ่งเครียดใหญ่ทําไมไม่สงบนาทีทําไมไม่สงบนาทีอันนี้ต้องระวังครพอวันจันทร์ได้พอวันอังคารวันพุธก็ มันเหมือนอยจะเข้าจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าปะจเข้อเอาไแล้วมันจิตเราแนบอ่อนรไม่ <c oughs> คุมมันป่อยให้มันเป็นนึกถึงความความ ส, สงบของเราที่เคยได้มา <c oughs> แล้วก็กลาความอยากได้มันเข้าต้องใจเย็นๆต้องกลับมาเจริญที่สติกใหม่ดูลงไปพุโทโธไปแล้วแต่จะจะใช่ไห ถ้าเข้าไม่เข้าอยากไปสนใจสนใจที่เรามีสติหรือไม่ก็ติี่ยวกับกรรมฐานเกีติวกับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมตอยู่หรือเปล่าดังนั้นการปัญญานี้ยังยังไม่ต้องไปเพราะปัญญาส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราขาสมาธิที่จะมาทําให้เราทําใจปล่อยวางร่างกายของเรา การตาของคนเรายังไม่มีอุเบกขาพอที่จะปล่อยวางตอนนู้นแล้วทุกต้องแก่เจ็บตายแล้นะคนแต่คิดทีายก็ยังมีความหวัน่นมีความวิตกอยูวลตแต่ว่าจิตยังขาดอุเบกขาขาดสมาธิถ้าจิตมีสมาธิออกมาจิตจะวีอุเบกขาก็าจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องของการกิดดับของสัมภาร่างกาย อ, อ, อย่าน้อมนํารปฏิบัติครับอาจารย์เอาสติเอาสมาธิให้มันํนานาญก่นให้มันข้อ่องกล่อนเรื่องขับหัดขับรถเป็นอย่าเพิ่งออกไปถนนใหญ่ซ้ำในซอยไปเรื่อยๆก่อนให้มันมั่นใจหก่อน ค, ค่อยออกไปถนนใหญ่ครทำนนํำปฏิบัติครับอาจารย์กินดีด้วยยินดีด้วยกับผลที่ได้นะับ ทำให้ผู้วชที่กำลังปฏิบัติจะได้มีกำลังใจกำลังใจแต่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นของของโม่ะไม่ไม่จำกัดเพศจำกัดไว้จะอายุมากอายุน้อยก็เป็นได้ทำได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นข้าราชกาอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวตัวที่บก มาที่ชี้อบอกว่าความเพียรพยายามที่จะฝัจกำลสติความศรัทธาที่มั่นคงต่อคาสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้ต่างหากใครมีปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถปฏิบัติทำได้ทุกคนครับสาธุครับอาจารโอเคไปที่จามั่นกัจจะที่จากศรีราชาอันนี้เราเรียนปิดแทนไหมครออกปิดอยู่แล้ใช่ไหม้วปิดระบบไหนระบบอินทตอร์ระบบ ไทยยังไม่เป็่นันไม่เป็่นเพิ่งเปิดใช่เพิพ่งเปิดตสัดาห์มาใช่ไหมเพึ่งเปิดไม่กี่สัปดาห์นะครับออ่นระบบไทยไม่ใช่ระบบเนวนตอนะระบบเวนตอร์เขเปล่นเิ น, เนไม่ถนะงกัรยาทํามีอะไรไหมวัมนนี้วันนี้จะมาะรายงานผลของการ น, นั่งสมาธิครับ มาสมาธิก็คือก็คือก่อนที่จะนั่งสมาธิอะครับก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนครับแล้วก็มานั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ท่องพุทโธครับแล้วก็เวลาที่มีความคิดโผล่มาครับก็จะพาาแบบพุทโธพุทโธพุทโธแบบวัยวัครับแล้วทําให้หยุดคิดครับแล้วก็พอหยุดคิดแล้วครับก็จะก็จะมาท่อง พุโทโธหายใจเข้าออกยาวใหม่ครับแล้วก็พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ก็มาแผ่เมตตาครับโอเคไหมครับเพื น, นั่งสมาธิน่ามันในความสมบางบนี่ยังไม่สงบใช่ไหมก็เวลาที่ไม่สงบก็จะพยายามทมมําให้สงบครับอยากสงบแบบเดียวๆใช่ไหมยังสงบแบบนี้ต้องพุโทโธอยู่ยังต้องดูลงอยู่ ใ ช, ใช่คับก็ต้องพยายามทําเวลาพุทโธนี่ไม่ต้องดูลก็ได้ถ้ามันถ้ามันมันไม่สะดวกเอาพุทโธอยา่ยาเ ง, า เ, ด ง, เ, ดงาเดียวก็ได้หรอจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก<ร>็พยายามทําต่อไป นอกจากจเจริญสติตอนที่นั่งแล้วยังต้องจเจริญสติตอนที่เราทําอะไรทั้งวันด้วยนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทําอะไรทำอมไรเราใช้ความคินเราก็พุโทโธพุทโธไปเดินไปเดินมากับพุโทโธพุโทโธไปกินข่าวก็พุโทโธไปไว้ให้ใจคิดถ้ามา ท, ทําเฉพาะตอนที่จะนั่งสมาธินี้มัน มันจะดีน้อยมันจะได้สติน้อยมันจะไม่พอที่จะทําให้ใจสงบลิ่งได้ครับอราทําต่อไปนะอได้ครับใจเย็นๆจะได้มากได้น้อยก็ทําไปเรี่ยถึงว่าเป็นหน้าที่ของเราเป็นเหมือนกินข้าแล้วต้องกินทุนครับครับปฏิบัติทําแล้วก็ต้องปฏิบัติทุกวัน เพราะทำนด้เป็นอาหารเป็นข้าวของใจใจได้ทำแล้วใจจะอิูมใจเหมืนกาบร่างกายที่ได้อาหารแล้วร่างกายก็จะอิ่มครับครับโอเคมีคำถามไหมวันนี้ไม่มีค่ะไมมีค่ะไม่มีนะโอเคแม่ไม่ทราบอ่าก็อ่า ทานศีลภาวนาค่ะพระอาจารย์มันต้องทําให้บาลานซ์กันใช่ไหมคะคือวันก่อนเนี่ยหนูเห็นอยู่เห็นลุงกิดน้ํามันขึ้นมาค่ะแล้วหนูก็คิดได้ว่าเอ๊ะมันต้องเหตุปัจจัยมาพร้อมกันเนาะมันถึงจะขึ้นถ้าเหตุปัจจัยมันไม่คร้อะยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันเล่งไม่ได้คือจะทําแต่ทานอย่างเดียวไม่ภาวนาเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องทาไปตามทําบารัของมันเวลาที่เรา มีโอกาสได้ทํามุญทําทานก็ทําไปครับ <Okay. S 1> สียงก็งรักษาตลอดเวลาครัภาวนาก็ทําเวลามีเวลามากเวลาน้อยก็ภ า, าวนาไปภาวนามากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีคร <Okay. S 1> แต่มันก็ต้องทําให้มันครบน้อยทั้งทานทานก็ต้องทําให้ครบน้อยเสียงก็รักษาครบน้อยภาวนาก็ทําให้ครบร้อย ครับโอเคนะขอบคุณพระอาจารย์ครับจากสายทิพย์จากสารคามเนื่องจากคอนแก่นงานวัสนการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้างานเยอะถ้ามัน ลดลงได้ก็ก็ให้ลดเนี่ยค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วคิดไม่ออกแต่เมื่อวานมีไปสอนต่างคณะเขาเชิญไปสอนค่ะพระอาจารย์แล้วเจออุปสรรคก็คืออุปกรณ์การสอนเขาไม่พร้อมเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้เราต้องมันเป็นภาระเแล้วถ้าเรากลับมาสอนไม่ทันที่ในหมอที่กรณที่อะไรเงี้ยค่ะเมื่อเช้าก็เตัดสินใจบอกเขาไปว่าถ้าถ้าอุปกรณ์เขาไม่พร้อมมันจะมีผลกระทบเราจะช่วยแค่เทอมนี้เท่านั้นนะเนี่ยค่พระอาจารย์ ซึ่งเขาก็เขาก็รับทราบปัญหาของเขาว่าเขาแก้ไขให้เราไม่ได้ก็เลยได้โอกาสเลยค่ะพระอาจารย์ว่าต่างคณะเขาขอให้ไปช่วยสอนก็เลยขอขอขอขอวดสอนให้ทางคณะเขาดูแลกันเองเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะส่วนสินก็ล่องแรงเหลือสินหกสินเจ็ดค่ะพระอาจารย์สินสินแปดไม่ค่อยได้ค่ะช่วงนี้ค่ะข้อไหนไม่ได้ข้อไหนไม่ได้ แอบไปดูยูทูบผิดแล้วค่ะพระอาจารย์บอะว่าเหมือนแบบทํางานเยอะๆแล้วมือมันก็ไปตืดๆอะไรเงี้ยค่ะปิดิดข้อนี้เลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยดูไม่กี่อย่างค่ะพระอาจารย์ดูดูดูวงดนตีที่เราชอบวงสองวงเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟังเพลงนะคะพระอาจารย์ดูการใช้ชีวิตของเขาว่าก็าน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัญหาของหนูเลยค่ะ สันที่นอนก็นอนพื้นแข็งอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็แบบที่ที่อ่าถามพระอาจารย์ว่านอนพื้นแข็งแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยคิดได้ว่ามันก็ต้องนอนให้มันเจ็บสีมันถึงตื่นตอนแรกก็แบบเอ๊นอนพอเจ็บแล้วเราก็พยายามนอนต่ออะไรเงี้ยค่ะเมื่อเมื่อไม่นานวันี้ก็เลยคิดได้มาอ้ามันก็ต้องเจ็บสิมันถึงตื่นก็เลยก็เลยคิดได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ก็หาผ้ามาลองอยู่ค่ะส่วนเรื่องอาหารก็ โดยโดยทั่วๆไปจะเป็นไม่เกินเที่ยงค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ยกเว้นวันที่เรารู้สึกว่ามันมันดูหอยหอยจริง จ, งจงเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ก, mm hmm. ก็ก็ไม่ได้บ่อยค่ะหนูติดหนูติดดูดูคือว่าเป็นความบันเทิงใช่ไหมคะพระอาจารย์ mm hmm. ที่เรายังตัดไม่ได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวยยค่ะแต่ว่าเรื่องที่นอนนี้ก็นอนนอนเป็นพื้นไม้แข็งแล้วก็มีผ้าผ้าปูบ้างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ที่บอกพระ อ, อาจารย์ว่าจะจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องสตค่ะสติก็ด้วยงานเยอะค่ะพระ อ, อาจารย์ก็ก็สติไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเท่าเดิมค่ะเหมือนมันไปกับงานพอทํางานเยอะๆเหมือนมันจะมาดึงนั่งสมาธิยากขึ้นจะไปเดินจงกรมก็เหมือนใจมันแบบพวกรวบจะไปหางานเนี้ยค่ะประอาจารย์อันนี้รู้สึกเป็นปัญหาอยู่ค่ะ อาจะเริ่มเห็นโทษของการทํางานแล้วมันว่ามันขัดกับการปฏิบัติใช่ค่ะเห็นเห็นว่ามันมันเหมือ น, ม, น, ม, นมันส่วนทางอยู่เลยค่ะพระอาจารย์แบบมันดึงดึงสติดึงสมาธิเราไปเยอะเลยค่ะแต่กพ็พยายามนั่งอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่านั่งได้ไ ม, ไม่ไม่นานเหมือนเดิมค่ะพยายามจะได้ผลดีก็ต้องลดยานให้น้อยลงไปตามลำดับ ได้เจรได้มากขึ้นต้องต้องใจแข็งที่จะที่จะค่อยๆลดไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ อ, อยู่ที่ <c oughs> เรานะจะแข็งไม่แข็งยากอยู่ที่เรา <c oughs> ากจะได้ผลมากผลน้อยอตอนนี้ตอนนี้ตัดไปได้สามสิบชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นเทอมหน้าปีหน้าค่ะตอนนี้ <c oughs> ยังช่วยเขาอยู่แต่ว่า <c oughs> ที่พ่าจาันบอกว่าก็ไปบอกบอกบอกเขาล่วงหน้าเลยว่าช่วยแค่นี้หน้าอะไรองนี้ยค่ะใช่เขามีเวลาเลนะ่นปากดอดด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเริ่มต้นก็เลยบอกเอ๊ะตัดสินใจบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวเราโวแต่แบบเป็งใจไม่กล้าบอกเขาเราก็จะต้องแบกเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะพังซ่าหลวงตา ม, มาโมทั้งแต่พูดว่าถ้าเราเกรงใจคนทํำก็แหละถ้าเราเกรงทําถ้าเรา เราก็เราก็จะได้ทำํำถ้าเรากเกรงใจคนเราก็ก็จะทําทำให้ทําของเราไม่เกิดเราต้องไม่เกรงใจคนเราต้องเกรงธรรมก็เลยตอนนี้เหมือนเหมือนใจเด็ดขาดขึ้นค่ะพระอาจารย์บางอันที่มีประชุมเพื่อที่จะทํางานร่วมกันเราก็คิดว่าเราทํางานกับกับกับกับ อแบบแบบนี้ไม่ได้แต่ก่อนแล้วก็จะเอองั้นก็ไปประชุมไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือก็ไม่ไปประชุมก็ใจใ จ, ใจแข็งขึ้นค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ทําตอนนี้ก็ก็มีแบบนี้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบเด็ดขาดมากขึ้นแต่ก่อนเห <Yeah. S 2> มือนเหมือนแล้วเอเ อ, เ อ, เ อ, เอทําไปทําไปแต่ว่าก็แบบไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรมากตอนนี้ก็คือถ้าไม่ใช่ก็ไม่เข้าร่วมเลยค่ะพระอาจารย์โอดีค่ะแต่เดียว อะไรจำเป็นอะไรไม่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นก็ตัดมันไปแล้วก็ตพยายามดูลมหายใจแล้วก็ดูดูดูกายอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเรื่องของกระดูกไม่ไม่ไม่ไม่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะมันเหมือนไม่ขึ้นแต่เมื่อคืนฝันถึงไปฟังคำพระอาจารย์นี่นะคะฝันดี ไปฟังเทศค่ะเมื่อคืนฝันไปช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามให้ ส, สติมากขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทำอะไรกด้ไม่สติอยู่งานที่กราัํทำอยู่ก็ได้โดยจะใช้คำาะไกับผู้โทรผทก็ได้เพื่องับความคิดปรุดแต่งต่างๆค่ะ บางทีพุทธโทเอาไม่ดูหนูก็ท่องอิติปิโสยาวเลยค่ะพระอาจารย์นนค่ะระหว่างเดินเนี้ยค่ะก็พุทธโทรแบอิติปิโสดีวค่ะพระอาจารย์ดีต้องทําไปเรื่อยๆเอาจิตให้สง บ, บให้ได้ค่ะจะจะตั้งใจตั้งใจให้ให้ให้ใจเข้มแข็งมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเอาสติด้วยนั่งสมาธิด้วยค่ะค่ะ ย t u b e ค้างพาอจาร์ได้ก่อนนะคะถ้าตัดอันนี้ได้นี่คือสิบแปดหนูสบายเลยก็จะได้มีเวลามาภาวนานอะแทนที่จะดูยูทูป็านั่งสมาธิแทนค่ะค่ะพาอจา์ค่ะพ่อจานงั้นงั้นหนูหนูลับปากพ่อจาร์ไปเลยดีกว่าว่าจะไม่ดูไม่ดูไอ้สองมตรงนี้ที่ที่หนูติดหนูหนูจะได้หนูค่ะ อันอื่นเผื่อไว้แต่ว่าจะจะพยายามตัดตรง น, นี้ค่ะพระอาจารย์เผื่อเดีย๋ยวเดีย๋ยวเสียเสียกคำพูดกับพระอาจารย์กั้นจะขอเลิกตรง น, นี้ก่อนค่ะไม่ต้องไม่ต้องร้องปากดี ก, ก, กว่าเอาเอาเอาไปแบบว่าเป็นแบบตั้งใจตั้งใจว่าบอกพระอาจารย์แล้จะได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะห า, าว่าเรามาควบคุมบังคับชีวิตของเราไม่ไม่ค่ะหนูพูดเองต้องต้องหาหาหา แต่สิ่งที่มาช่วยกำลางหน่อยนึงค่ะมันก็เป็นอย่างะให้กำลังใจอยากจะพลัก ด, ดันให้ไปทำท ำ, ท, ท, ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทำทำได้มากน้อยก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองนะคะ่ะพระอาจารย์จะจะพยายามค่ะพระอาจารย์พยายามรักษารักษาใจให้ให้ให้มากขึ้นค่ะเน่ทำยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะผลมันอยู่ที่การปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยผลก็น้อยมัน ป, ปฏิบัติา ม, ามากมผลก็มากคนหนึ่งมรรลุเก็บวันบ้างเก็บเดือนบ้างเก็บปีบ้างมีการปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยแล้ว <รอ S 2> ปฏิบัติถูกแล้วไม่ถูกด้วยทั้งสว่วน ค, ความความเพียรสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นัอความเพียใ น, นการปฏิบัติต้องหนูนิดพึ่ง <c oughs> เ ด, เดี๋ยวขยันเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวขี้เยจเดี๋ยวทลายทลายไปทาอย่างนีอ้ <c oughs> อีแอบทลายแอบทลายอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ความเข้มแข็งของใจลดลงอีกแล้วมลไม่ได้ที่เลันเงไปการเดี๋ยวจะพยายามกับพระอาจารย์ค่ะโอเคมีอะไรหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ป่าทุกค่ะโอเคอาจารย์คงไม่ไกา กลาบรูส้สการบพระอาจารย์ค่ะกบม่ารับยมาดีาาานะสบายดีค่ะรอาจารย์ก็สบายดีค่ะับเหมือนเดิมกยงายใจได้เหมือนกันทุกคนอานารามีอยากจะเรียนถามนิด น, งนึงเหรอเรื่องเดินจงกรมเนี่ยนะคะอช่ไหมคะก็ในอดีตก็เห็นรอยที่พระอาจารย์เดินจงกรมไว้บนเขา ค่อนข้างลึกมากนะคะก็เลยว่าสงสัยว่าเมื่อเราเดินจงกรมเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะคะตามที่ฟังมาเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นป่าเป็นเขาเราก็จุดเทียนใช่ไหมคะ่ะนี่ถ้าเราเดินอยู่ในห้องมื ด, มดของเราเี่ยมันมืดมืดเนี่ยไม่ได้จุดนะไม่มันไม่ได้เปิดแสงไฟอ่ะนะคะการตั้งจิตเนี่มันก็ไม่ไม่นิ่งนะคะ เพราะคามจริงมันมันไม่ได้อยู่ที่แสงหรือไม่มีแสงมันอยู่ที่สติเราเรามีอะไรที่เราใช้เป็นที่ตั้งสติของเราหรือเผ่าถ้าจะเดินก็ต้องมีสติอยู่าการเดินก็ได้เนี่ยเดินเราไปเข้าบริกรรมุตโตพุตโตไปก็ได้ค่ะก็ก็ปฏิบัติดังนั้นนะคะไม่ก็ทุกเช้า แล้วก็บริกรรมภุธโธก็ก็ได้อยู่นะคะก็ก็นิ่งอยู่เพียงแต่ว่าเกิดความสงสัยว่าเอเราอ่ะจะต้องเปิดไฟเล็กๆไหมเราจะได้ไม่ไดผิความกังวลว่าเราจะเดินไปชนอะไรเพราะมันมืดอันนั้นก็มีช่วยอ่มันเดิไว้ก็ต้อเห็นทางที่เราเดินแล้วเวลาเราเห็นทางที่เราเดินนี่เรา เราสมบูรณเท่ากับที่เราไม่เห็นมาค่ะก็อลองดูเลยนะคะยังยงไม่ได้ลองเพราะว่าส่วนใหญ่จะจะเดินในในห้องมืดๆถ้ามันมืดมันก็ต้องคาบชากันก็จะมันก็จะทำให้จิตใจเรงมันป่วนอยู่ต้องก <c oughs> ังวลว่าเราจะได้ไปชวนอะไรที่ ที่พูดป็อไหมแต่มันก็ต้องมีแสงไฟมาแต่ไม่จำเป็นจะต้องสวาา่างจ้ามันมีแสงพอที่เราเห็นทางที่เราเดินมันไม่มีอะไรที่เราอยาเดิ น, น, น, นไปสะดุกหรือกไปชนแลือไไปเตะอะไรอะไรก็พอเพราะโดยนิสัยเราจะชอบเดินรงกรมค่อนข้างมาได้เดินก็ได้ดนั่งก็ได้ แ, แต่ แต่นี่สุก็นั่งมาหน้าก็นั่งมันจะสงบมากกั่าเดิมันาท้องนั้มันสงบเต็มที่มันตรงนั่งถ้าวันไหนมันมันนั่งได้นี่มันไม่ต้องอุทธรไม่ต้องอะไรนะมันมันก็เงียบมันก็เฉยมันก็มีสติคอยควบคุมความคิดตรงแต่แต่มันคิดตรงแต่หลังจันี้มันจะสงบได้ แมันเงียบเงียบไม่นานนะคะเงียบเงียบไม่นานมากเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาหาไม่พุยโธก็มาหาลงหัวใจเหมือนเดิมเอ อ, เ อ, อสติเรายังมีกําลังไม่มากพอเหมือนไขาลานไขาลาไม่มากพอมันก็มันก็วิ่งไปได้นิดหนึง่งพอหมดลาก็จะกลับมาไขใหม่ไขว่าไขเหมือนะมือนก็วิงว่งได้ไก ผมพยายาม ย, ยังไงร้านยาวๆออยู่ที่เราเราจริญสติมากน้อยก่อนที่เรามานั่งเลยก็เหมือนๆดึกๆก็ดีค่ะแต่เวลาเสร็จแล้วเราเจริญสติด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเราเดินจยกผมนะคนรจะมีสติตลอดเวลาวที่เราทําภารกิจอะไรต่างๆเพราะจิตใจมีอยู่กับภารกิจอยากปล่อยให้จิตใจลอยไปที่ไปขึเรื่องเลย ก็ลอยไปเยอะค่ะอแต่นิสัยเป็นคนชอบทําขนมไงคะก็ไม่รู้ว่าสติกับการอยู่กับการทําขนมเนี่ยมันมันก็เป็นสติประเภทหนึ่งใช่ไหมคะใช่จะอยู่กับการทำขนมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดแล้วดูออกมาไม่อร่อยอเราไม่รู้ว่ากำลังตักน้าตาลเท่าไหร่ตัดแป้งเท่าไหร่กาลังคูบกันอย่างไร ให้มีให้ให้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทําไปอย่างเดียวค่ะอนี้ก็เป็น ก, การฝึกสติเหมือนกันแล้วเวลามานั่งเราก็จะได้มีกําลังมากสติมีกําลังมากเมืนั่งทำให้ใจสงบได้ได้ขึ้นค่ะแต่ยังยังก็แล้วแต่วันนะ น, นะคะบางวันเราก็ทําได้ค่อนข้างดีบางวันมันก็ ไม่ไม่สงบเลยะะแต่ถ้าวันนั้นก็มี ม, มีมีปัจจัยแปรแปรป่วนเปลี่ยนไปบางวันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามากบางวันก็น้อยแต่วันไหนที่สนทนาทำพระจารย์แล้วคืนนั้นนอนหลับสบายนะคะอืแต่วันวันไม่ได้สนทนาทำก็ลำบากนิดนึงยังร้อยสามวันนะคะถ้าเปนางคารพูดนี่จะแบบหลับดีอืม สงบมากพี่จริงๆแล้วสงบก็มีธรรมไปหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่จะมีกิเลสแทนที่จะมีอะรอื่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจมัก็มีธรรมมันก็จะทำให้ใจสงบถ้าเป็นเรื่องอื่นไมจะทาให้ใจมึนวายงงซ่าคนข้างๆเขาเปิดเปิดเพลงฟังเันไหนเขาจะไม่ค่อยหลับหรอกค่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพลงําไมโบราณ น, นี <c oughs> เลยไม่ถ้าวันไหนฟังทำก็ก็หลับคนฟังเพลงก็หลับนะฮะอาจารย์คนเปิดก็หลับอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วหลับก็แสดงว่าเขามีสติมากมากมากหนจ้าง่ายจ้าเขาไม่มีอะไรรบกวนพระอาจารย์แล้วค่ะโอเคสาธุสวัสดีครับ คุณกัฟฟี่กอจากโซลาร์ธานีอยากมาสักการ์ครับอาจารย์ผมได้ติดตามพระอาจารย์ทุกวันนะครับว่าวันไหนตื่นตื่นมาเนี่ยพระอาจารย์จะโพสอะไรครับก็ได้ไปฟังเรื่องบา ร, รมีสิทธิ์นะครับก็เมตตาบารมีอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบว่าได้ได้ได้ไดครบแล้วแต่ยังขาดคือเนคขัมมาครับ การการที่เราจะแบบถือศีลรักษาศีลแปดะครับทีนี้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้คือที่บ้านก็ไม่ได้ห้ามอะไรผมจะนั่งสมาธิข้างหลังอะไรยเงี้ยฮะหือว่าอะไรที่บ้านก็คือไม่ไม่ได้ขัดคือไม่ได้มีต่อว่าคือแบบขอให้เราอยู่ที่บ้านเท่านั้นแล้วก็ก็เลยอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายว่าแบบตอนนี้อายุ33อะครับอีก7ปีเนี้ยผมจะอยากปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็คือจะส่งกันบ้านพระอาจารย์อยู่ ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่แบบว่าเราจะจักพ่อแม่แเราถึงจะมีชืวิอของตัวเองนะครับ mm hmm. ครับก็ก็ตอนนี้สมาธิก็คือว่าได้ได้แค่อุปจาร ล, ละสมาธิครับมันจะออกรู้นู่นรู้นี่แบบว่าหรือความคิดคนนะครับตอนนี้ยังแก้ไม่ได้อยู่พยายามให้มันพุทธแล้วแต่ว่ามันยังไม่ไม่ไมไม่ถึงไหนครับอาจารย์อา้ารย์จะเตะให้มากครับ ก, mm hmm. ก็ก็เดี๋ยวครับ เดี๋ยวจะลองพยายามดูครับทําอะไรก็อยู่งานที่เราออทำทอย่าไปคิดเรื่องอื่นครับส่วนส่งส่งเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวอีกเรื่องเรื่องตะกุดเรื่องพยันเรื่องแบบของวัตถุมงคลที่แบบผมมีครับคือผมมได้มาเยอะมากเพราะว่าแบบ ก่อนทําบุญแล้วคนก็ให้มาแต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่ารู้สึกเฉยๆครับรู้สึกว่าจิตใจเราจะขลังกว่าตรงนั้นนะฮะเราก็เลยแบบว่าเออมีแค่ไว้แบบเป็นที่ระลึกที่พึ่งว่าแบบเออคราวเราเคยทําอย่างงีนะ้เราเคยช่วยอย่างนี้นะอะไรเงี้ยฮะก็ะเก็บแสงไว้กแล้วกันครับเพื่อไปสนใจครับแล้วก็เหมือนเหมือ น, เ ห, อนเหมือนหลายปียังเคยได้ทําของคุณแม่แก้วด้วยครับทำโปสเตอร์ของคุณแม่แก้วที่ออกวัดหนองน้องที่หลวงูมันมามาทำสาค ร, ครับเขาเขาออกรูปแม่ชีแก้วที่แบบว่า ผมก็ไม่ได้มีโอกาสทำก็มานั่งนึกว่าแบบเราอาจจะมีอุปนิสัยมาคล้ายๆท่านก็ได้ครับครับแล้วก็ถ้าใจมีอะไรแนะนำไหมครับแนะนาให้มีสติอยู่ตลอดเวลาะะตลอดเลยครับก็จะทำเสียมากขึ้นแล้วก็เรื่องงานผมก็ถามเพื่อนแล้วละครับที่อาทิตย์แล้วคือคนอื่นเนขาทำกันเป็นเยอะมากเขาทากันเขา เขาทำกันเป็นเรื่องปกติครับเรื่องงานนะครับเขาให้กันทีเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับซึ่งซึ่งของผมมาผมรู้สึกว่าว่าไม่ทำดีกว่าแล้วก็ถ้าทำก็คือว่าจะให้เป็นของแถมแล้วก็หรือว่าอะไรอย่างอื่นแทนที่จะให้เป็นตัวเงินสดนะครับเขาเขารวยกันเร็วครับผมทำทั้งวันทั้งคืนผมยังไม่รวยเลยครับอาจารย์ตายไปก็เท่ากันรวยก็เอาไปไม่ได้จนยงาเอาไปไม่ได้เหมือนกันครับเพรางงั้นขอกราบขอบพคุณแล้วก็จะตั้งใจ ต, ต, ตรงนี้ ปฏิบัติครับผมอืมแล้วก็เดี๋ยวที่สถานที่ธรรมกุฏิถ้ามีโอกาสจะไปนะเห็นเขาจัดพี่ๆเขาตัดที่ไว้สวยมากสะอาดมากครับหน้าหน้าหน้าไปมากเลยครับผมโอเคให้โอกาสขอบคุณครับค่ะคุณหมอพ่อชนะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านเลยอยู่บนเขาชิงโอนค่ะค่ะต้องรู้ขอขอบคุณท่าอาจารย์อยู่ดีเลยนะคะท่านอาจารย์รู้สึกดีมากค่ะก็มาคราวนี้ ไม่ได้ใช้กดเพราะว่าฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่มันไม่มียุงก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเอาขดเก็บเข้ารถแล้วก็นั่งทั้งบนข้างล่างได้แล้วก็ออกไปเดินได้ค่ะอาจารย์มาทําสติกับเนื้อสมาธิค่ะมีอันนึ่งค่ะพระอาจารย์นัคือว่ารู้สึกคือดีมากเพราะว่าตอนก่อนมาเนี่ยมันทํางานรับใช้ผู้คนใช่ไหมอาจารย์มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากเลยทำไมคนแบบว่ามันมันเหมือนการทำงานช่วยคนจริงบางทีมันก็มีกิเลสของคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมองเห็นเนี่ยพระอาจารย์ มันก็กลับมาแล้วโชคดีมากเลยมาที่นี่มันทําให้มันแบบว่ามาชาร์จมาชาร์จพลังเต็มกลับไปแล้วมีกาลังใจในการทําแล้วก็พยายามจะลดละนะคะอาจารย์พระอาจารย์งานก็รู้สึกเลยว่าคื อ, ค, อคือว่าถึงแม้เป็นงานช่วยคนแต่ว่าบางทีมันเจอกับคนอ่ะรู้สึกมีความเบื่อน่ามากขึ้นอยากทาสมาธิตอนนี้เราช่วยตัวเราก่อนนะใ ช, ใช่วยคนอื่นก็เป็นากกวทีนั้น ช, ช่วยทั้งทางร่างกายช่วยไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันก็ใช่ใช ช่วยแบบช่วยทางใจเนี่ยมาตอนนี้เรามาทําทําเนื่องเราให้มันรู้ล่วงไปก่อนแล้วเราก็จะได้มีไปช่วยคนอื่นได้ช่วยทางใจด้วยกับช่วยทางร่างกายคมื่อทางร่างกายมันง่ยเป็นของช่วข่าวใ ช, ช่วยก็มั น, น, มนต้องแก่เจ็บตายอยู่นี่ได้พยายามค่อยค่อยลดลงเพราะยิ่งเห็นเลยอ่ะพราะอาจารย์ว่าจากข้างนอกแล้วมาเข้ามาข้างในเนี่ยมัน มันต่างกันเยอะมากเลยคือความสงบร่มเย็นเลยมันมันเยอะมากเลยพระอาจารย์ที่ก็ทำทั้งวันเลยนะพระอาจารย์นอนแค่สี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่ตีตีสามแล้วก็เดินไม่ไม่ใช้นาฬิกานะคะคราวนี้ใช้ดูแสงเอาพอพอตื่นตื่นขึ้นมาปุ๊บตั้งสมาธิไปหั่นข้าวปุ๊บเดินจงกรมถึงเที่ยงแดดมันก็ส่องหัวก็คือฝึกใช้แบบที่พระอาจารย์บอกค่ะฝึกใช้กับธรรมชาติไม่ไม่ใช้อะไรที่มันเป็นสิ่งรอบตัวแล้วก็เดินแล้วก็ตอนบ่ายก็มาฟังพระอาจารย์พอเสร็จสี่โมงก็ ก็เดินต่อจนกระทั่งไฟเปิดไปเปิดประมาณหกโมงแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามสังเกตธรรมชาติแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติมันเหมือนกับมากลับบ้านเลยพระอาจารย์ค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะพราาะอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดได้กําลังใจมากค่ะสู้ไม่ถอยค่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆค่อยๆปล่อยวางค่อยตัดกิเลสอ๋อเห็นกิเลสนะพระอาจารย์เห็นนิดนึงเลยว่าความเรื่องเรื่องของอัตตาเห็นนิดๆเวลาทํางานพระอาจารย์ก็พยายาม แต่ม่ไ้ไม่มีอารมณ์นะคะแต่ว่ามันเห็นเห็นของคนอื่นแล้วก็มาเห็นว่าเอ้อเราแบบรู้สึกว่าเอ้อมันไม่สงบอย่างเงี้ยค่ะเห็นเริ่มเห็นก็รู้เลยว่าเออมันยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไป whatever. อยาไปสรุปป่าวสารุปไม่ใช่เปไ็นตอนแรกสรุปว่าหมดแล้วไม่มีตอนแรที่หมออาจารย์อ่ะอุ้ยไม่เห็นม <politicians S 2> ีเลยเรียกจามยาเอออกมาแล้วต้องไต้องไม่เลเวินไปค่ะ ไ ด, ได้ค่ะได้ครับคุณกวางนครสิทธรรมราชเปิดมคก่อนนะค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูหนูมีคําถามอะค่ะคือว่าอะจะไปส่วนของเรื่องของการเจริญเมตตาค่ะคือบางทีเวลาลูกน้องอะค่ะทําะไรให้เราไม่พอใจอ่ะค่ะ โอเคคือเดี๋ยวนี้หนูก็ดีขึ้นไม่ไม่แสดงความโกรธแล้วก็มีความอดทนนะคะแต่สิ่งที่ยังแก้ไม่ได้คือใจเราอะคะ่ะจานคือมันยังรู้สึกถึงเ อ, อความรู้สึกนั้นอยู่แต่เราเลือกที่จะไม่แสดงออกมาเพราะว่าการไปพูดหรือการอะไรออกไปอมันจะไม่ได้จบแค่แค่ความรู้สึกเราอ่ะคะ่ะแต่เนี้ยก็คือจะทําให้คนอื่นก็ก็ไม่พอใจกับคําพูดและเรื่องจะไปยาวหนูก็เลยเลือกที่จะ จะหยุดแต่ว่าพอหยุดแล้วใจมันยังรู้สึกว่ายัางเป็นยังรู้สึกโกรธหรือยังเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่ค่ะหนูต้องทํำยังไงอะคะจึงให้มันหายก็คือพยายามสิ่งที่เรียกว่าเจริญเมตตาแต่หนูก็การเจริญเมตตานั้นคืออะไ ร, ค, ออะไรคือการนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอย่างนี้เหรอคะหรือว่ายัางไงไม่ใช่หรอกการแผ่การเมตตาก็คือการให้อภยัยต่อใารกระทบของเรเวลาใครก็ทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ไม่เป็นไร ไม่อะไปกันขอกานกินมากว่านี้ขอกานกินบ้ากกว่านี้หนูก็ยามคิดว่าไม่เป็นไรแต่ใจเรายังรู้สึกว่ายังยังไม่ยังไม่ถึงให้ยาไฟตื่นข่านที่ใจเรายังถ้าอยากจะให้มันหายก็ต้องหาสาเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจใจเราไม่สบายเพราะเราไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามใจเราอยากเราก็เลยไม่สบายใจไม่พอใจ เราอย่าไปหวังอย่าไปอยากให้เขาทําคือสั่งก็ได้แต่ก็จะทําได้ไม่ได้อย่กไปหวังมันอย่างนี้มันทําได้กั็ดีทําไม่ได้กั็ดีที่อย่างนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถของเขาที่จะทําตามที่เราบอกก็ได้หรือเปล่าหรือเราอย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นอย่าไปหว่าให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่หวังว้าเราจะเฉยๆเวลาท่นเป็นอะไรก็เราก็จรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะลองค่ะหนูก็จะแต่ไม่ได้มาคถามว่าเราจะสั่งนานไหมให้ก็ทํารุ่นทํานี่ไม่ได้เราก็สั่งไปแต่เราอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องทําตามที่เราสารั่งเสมอไปนึกเป็นอย่างที่เราบอกว่าให้เขาเป็นเสมอไป เราต้องดูความไม่แน่นอนของเขาแล้วเราก็อย่าไปหวังว่าจะต้องได้เสมอไปค่ะเอาแค่แบบไม่ให้เสียหายแต่เสียหายบางทีก็ก็ต้องมีความเครืองบ้างนิดหน่อยก็ไม่ลงเคืองเลย <c oughs> แต่ว่าก็าต้องอาจจะคาดโทษช่วยคราวต่อไปอยาทำนะอย่างนี้นะทำนี้แล้วเสียหายอาจจะต้อง ให้พังานแล้วน่อะไรก็ว่าไปต้องมีมาตร ก, การแก้ไขใช้เหตุใช่ผลอย่าไปใช้อารมณ์ค่ะอ่าได้ค่ะคำว่าไม่ใช้อารมณ์ก็ก็คือเอาความคาดหวังออกไปบางทีก็อย่าไปองกา ร, รอแต่ก็พยายามที่จะไม่พูดแบบไม่ใช้อารมณ์ออกไปนะหนือว่าใช้อารมณ์ไปมันก็ที่เสียคือตัวเรานั่นเลยค่ะใถ้าเราไม่หวังยอะไรคามาันต้องไม่มีอารมณ์ อารมณ์มันเกิดจากความคานหวังว่าในตัวเขาเอาเร<อ>าไม่คาดหวังอะไจากเขาแล้วมันก็จะไม่มีอารมณ์ค่ ะ, อ, ะอีกคำถามนะะึงค่ะพระอาจารย์หนูพบ ว, ว่าตอนเช้าเช้าบางทีหนูขี้เกียจไปไม่ก็อยากไปทํางานหนูก็มันภาวะมันอย่างนี้มันไม่รู้ว่าเป็นภาวะหมดไฟหรือไม่เอ็กซ์ตฟหรือเปล่าอะคะ่ะหนูเ อ, เองก็อยากจะพยายามบา ง, ออางทีมันก็แอบแอบรู้สึกเหมือนอยู่เหมือนกันทุกคนก็นไม่อยากจะทำํำงานหรอก แต่มันต้องคิดถึงปากท้องมันก็เวลาขี้เกียจกันนึกถึงปากท้องหนึ่งต้อจะเอาอะไรกินถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวมันก็ขยันขึ้นมาเองพอมันคิดถึงความหิวความอดอยากขาดแคลนึ้นมาทําขยันก็ต้องมาเองนั่นแหละค่ะหนูก็คิดถึงสิ่งนี้ก็เลยแบบเออขยันก็ได้ทํางานก็ได้แต่จริงๆมันก็อยากจะทําไม่ได้ดีกว่านี้มันก็รู้สึกผิดอยู่ไกลๆว่าว่าเคยทางานก็เป็นบทน้าชี่นนะ แม่ชีก็ไม่เรับทางานทําแต่กับข้าวทําแต่นั่งถ้วยนั่งคาภาลัยังเยอะอยู่เลยค่ะไม่ได้ถ้าภาลัยยังอยู่ก็ต้องอยากขี้เกียจค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะเวลาที่หนูเครียดหรือว่าไม่สบายใจยังไงอะค่ะความต้องการของหนูเหรอหนูต้องการให้ทุกเสียงไม่อยากเป็นไปตามความต้ํารดอ แล้วหนูา่าจะไปรงกับการกินนะคะพระาะจะไม่ใช่กิเลสมันก็พาไปลงเท่านั้นไม่ใช่ปัญญ า, าปัญญาก็พิจนารณาแล้วเราต้องลดละความอยากของเราอยากไปอยากาให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อดใช้สันโดษเย็นดีตามมีตามเกิดร้นอนก็ได้เย็นก็ได้หนาวก็ไ ด, ได้ได้มากก็ได้ได้น้อยก็ได้เสียบ้างก็ได้ไมันต้องรู้จัก นับกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันแปลตัวเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละวันทุกวันไม่เหมือนกันเหรเหตุกรารณ์ต่างๆในชีวิตของเราพอเราไปอยากไปกำหนดว่ามันจะต้องดีทุกวันนี่พอไม่ดีแล้วก็เกิเอเดอารมณ์หยรดขึ้นมาอันทีใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว แล้วก็เครียดแล้วก็ไปลงกับเรื่องกินบางทีเออไม่ใช่บางทีแต่ส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก็เครียดต่อว่าเราจะควบคุมน้ำหนักมันต้องลงไปลงที่ไตร่างสี่ไปลงที่การกินลงไปลงม่าทุกอย่างมันไม่เนี้ยมันเป็นอนิจจารทุกขังอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นเหมือนธรรมชาติมีการแปรปรวนเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกไง มันเอาไปลงที่กินกินเยอะไม่ได้แก้ปัญหาเอาไปเพิ่มปัญหาเดี๋ยวโรคภัยข้าเจ็บก็มากเป็นอีกใช่บางทีกินเยอะจนเจ็บทนะ้องไงค่ะเราเสียงเงินไปโดยปาประโยชน์เสียเงินเพื่อมาทําร้ายร่างกายของเราเองง้อวัชานะเสียเงินมาทํ า, าร้ายตัวเราเองใช่ค่ะ ใช้เหตุใช้ผลเนี่ยนะใช้ปัญญา<ะ>เวา<ะ>มีความไม่สบายใจหัดใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเรานี่แหละเราไม่อยากได้รู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองมันก็เลยไม่สบายใจเวลาไม่ได้อยากให้อยากมันดีอยากให้อย่างมัสบายแมันไม่ดีไม่สบายไปตลอดเวลนะา เ, น, เนี้ยก็เลื่มวุเลื่อมนี่ต่างก็ามา ก็ต้องนำก่อเหตุการ์ไปตามรับสภาพแต่ไม่ต้องใช้อารมณ์มาใช้นะลด<ะ> ค, ความอยากลงแล้วาอารมณ์อกจฉาน้อยลงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวอาจะจะมีมาส่งการบ้านแต่รู้สึกว่าช่วงนี้คือสมาธิ อะไรเงี้ยดีขึ้นนั่งสมาธิได้ยาวขึ้นจากที่แบบรู้สึกนั่งไม่ได้อย่างนี้มาส3งสามปีแล้วค่ะแต่แต่ก่อนเคยทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าแล้วก็หายไปอาจจะเป็นเพราะว่าความต้องการความอยากที่มันมากเกินไปก็แล้วทำให้เราทุกข์ใจอยู่ช่วงหนึ่งเนี้ยค่ะอือมก็จะพยายามปรับความอยากลงพยายามเจริญสตใให้มากขึ้นนะค่ะขอบพ <Okay S 2> ระคุณนะค่ะ่ะสาสาธุค่ะ อ่ออ่อบอเวนขึ้นไปบนข่าวมาเนี่ยน้มาสการค่ะค่ะเพิ่งไปมาวันอาทิตย์ค่ะพะอาจารย์ไดไไ<ป>้อยู่<ป>คืนหนึ่งค่ะรอบนคีค่ะค่ะก็พอไปอยู่คืนเดียวแล้วเหมือนมันมันมีเวลาแค่วันเดียวมันก็เลยเหมือนเร่งก็เลยก็ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเออก็ดีกว่าสองคืนนะคะค่ะ <Okay. S 1> ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ค่ะก็นอนสี่ชั่วโมงค่ะไปสองคืนนี้นอนประมาณห้าหกชั่วโมงค่ะค่ะความกลัวลดน้อยถอยลงไปไม่แน่นค่ะลด ล, ลดน้อยลงค่ ะ, <Okay. S 2> คะอันนี้ไม่กลัวอะไรใช่ไหมใช่ค่ะไม่กลัวแล้วแต่ว่าถ้าเปลี่ยนสถานที่มันมันจะมันจะมีมาอีกไหมแต่คิดว่าเหมือนลองดูเลย เราไปาที่ไหนรู่ะค่ะคือเหมือนแบบเราก็พอรู้แบบกลไกของมันแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้กลัวแล้วอะค่ะอแต่ว่าต้องลองเปลี่ยนสถานที่ดูเอาไปวัดบุญญาวาสกัในบ้างเลยใกล้ๆเถวบอกมืองไ่ใช่โอเคยได้ยินชื่อไหมว่ า, าวัดบุญญาวาสเคยเคยไปค่ะแต่ไม่เคยไปจําศีลค่ะเพราว่ามีที่พให้อยู่ได้ดนีอืมค่ะ แต่เราไปพิกับเรื่องเราไปก่อนนี่ยากจากตัวผู้อาจารย์นั่นก่อนค่ะเดี๋ยวขออยู่ที่นี่ก่อนยังไม่อยากไปที่อื่นไม่ใช่ไม่ใช่กลัวนะคะพระอาจารย์รก็ก็ให้ชํานาญเยอะๆก่อนนะคะอดียังยังไม่ได้อยากไปที่อื่นค่ะโอเคไม่ว่ากันเมื่อกี้พูดว่าถ้าไปลองไปที่อื่นจะเป็นอะไรไม่ก็เลยแนะนำที่ให้ี่นะอ๋อค่ะ ค่ะแต่ว่าความกลัวไม่กลัวแล้วค่ะมันไม่น่ามันอนนาจจะไม่กลัวหัวความเมื่อไม่กลัวแนละ้วมันอาจจะกลัวการการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงก็อยา่าไปกลัวอาจจะองโยกย้ายจากที่มู่ไปที่นี่จากขึ้นนั้นมาที่นี่อะไรต้องค่อยฝึกสอนใจว่ามันอยู่กับโลกที่เป็นอนิจจ์ไม่แน่นอน มีเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอมรอบนี้ได้บทเรียนอันนึงมาคือเหมือนเนื่องจากที่ที่เราอยู่มันมีความสงบสงัดเราก็คือเหมือนทำตัวให้เข้ากับสถานที่มันก็เลยรู้สึกว่าเออรอบนี้คือเหมือนก็เลยรู้สึกไม่กลัวเลยก็คือทำแบบทำให้มันเนียนไปกับสถานที่เลยอะค่ะก็ยิ่งสมบก็เราก็ ทำอะไรเบาๆให้สงบแบบขาให้ให้มันกลมกลืนไปเลยอ่มีเรื่องใอนกระถางมีคนเข้ามาบวนว่าที่พากมันเสียงตัวอย่างมันดังดั ง, ดงไม่ัไม่นะคะพระอาจารย์ไม่นะฮะอาจจะเป็นเฉพาะคนบางคนมาอาจจะได้ยินเสียงนิด น, นึงก็ถือว่าดังแล้วก็นะเออแล้วยังไงก็ไม่ได้ดังตลอดเวลามันมีมันก็มีการตัด อ่าใช่ค่ะเป็นคอมเพรสเซอร์มันทํางานเป็นช่วงๆเวลามันทํางานก็เสียงก็ไม่ดังเสก็รบกวนเราใช่ไหมคือพอดีที่ทํางานทํางานอยู่ห้องแแบบมันจะมีเสียงเครื่องตู้เย็นแล้วีเยใช่ค่ะก็เลยชินค่ะพ่อจาะเพราะเพิ่งครั้งแรกเนี่ยมีคนแาไปทักคืนนี่ก็บอกภาพน้ำเสียงตู้เย็นดังนะครับเรก็บอกเอ้มันไม่น่าจะดังในขนาดนั้นนะ เอ่าที่ได้เท่าที่ทราบมาคที่ไปภาคก็ไม่มีใครบ่นว่ามันดังมันก็เท่าไม่เสียงขอ ม, ม, มันบ้างดังธรรมดาเหมือนกับเสียงเครื่องปรับอากาศนี่มันก็ดังนะค่ะเสียงเครื่องจักรทำงานออแล้วไม่ไปถึงกับขั้นที่ว่ามันรบกวนสมาธิของเราะไม่ค่ะก็เป็นเสียงทั่วไปดีค่ะโอเค่ค ะ, อคคะขอบคุณค่ะด้วยยินดีจากสหรัฐอเมริกา ้าคารรนะ่สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์หนูถึงอ่าฝรั่งเศสแล้วค่ะเพิ่งถึงือวันค่ะอค่ะยังอยากเช้าคาร์โรไลน่าน ย, ย, ยังค่ะยังอันนี้คือเดวิดมาทํางานเฉยๆค่ะสองอสามเดือนนะคะประมาณสองเดือนครึ่งคะ่ะท่านอาจารย์อยู่ที่นี่สองเดือนครึง่งแล้วจากนั้นก็ถึงกลับไปที่นู่นก็ คือตอนนี้ก็ยังไมไ่ทราบรายละเอียดอะไรที่ลงรุ่งแน่นอนก็เทยยังไม่ได้มีคําสัญญายแต่ที่คือคําสั่งย้ายคือย้ายแน่นอนว่าว่าคืออยูก็คื อ, คอจะไปทางโรงงานทางด้านแคนซัส t เตทอ State ะค่ะแต่เขายังไม่ได้ไรายละเอียดมาว่าจะให้ไปเมื่เมื่อไหร่ห ไ, ไ, ป ไ, หไปอะไรยังไงคือรายละเอียดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบอะไรค่ะก็คือทราบอยู่แค่นี้ว่า เออตอนนี้อยู่ที่สองเดือนครึ่งแล้วจากนั้นก็มาทีาา่นี่าาแล้วก็ชุยเยเออชุดเออจุลายอะค่ะจูลายเออประมาณก็ไปไอเนี้ยค่ะไปไปขอวีซ่าทำเรื่องขอวีซ่าที่อเมริกันอะคะ่ะเขาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วอะคะอ่ะก็มาที่นี่ก็จุดประสงค์ก็คือขอวีซ่าด้วยแล้วก็เเดวิดทํางานด้วยแบบ มีอยู่คนหนึ่งที่ก็ดูอยู่ค่ะจะต้องมาดูแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาไปนู่นหรือยังไงหนูก็ไม่ทราบไม่ไม่ไม่ทราบอะค่ะเดแล้วก็ก็ไม่เป็นไรทําไปตามถ้าตามอานิจจังามนั้นค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรนะไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงเช่นเดิมค่ะแล้วก็บอลต้องเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ก็ไปทํางานได้ท่าน ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ของคุณอย่างสูงค่ะคุณวิรัยพรโยมีมยงจากปทมมุทรวนทนสายสองนี่เยคือสอามารค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เช้าค่ะกลับขอบคุณในคําสอนของพระอาจารย์ค่ะทุกๆอย่างเลยค่ะวันนี้ซูมได้ความรู้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะโยมออขอถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์ ในการที่เรานั่งสมาธิอะค่ะเราจําเป็นไหมคะที่ว่าเราจะต้องผ่านเวทนาก่อนแล้วเราถึงจะพบกับความสงบอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่แน่นอนไม่แ น, น่ถ้าแต่สติของเราถ้าสติเราดีนงีห้านาทีสีนาทีมันก็สงบได้<อ>มันก็มันก็ไม่ผ่านเวทนาแต่บางทีสติไม่ค่อยเนั่งไปแล้วครึ่ยงยามว่างไม่ยังไม่สงบอย่างนี้เราไม่ต้องเจอเวทนาให้มันไหมเห็<อ>นดีที่สติของเรา อ๋อค่ะแสดงว่าโยมสติยังช่วงนี้น่าน่าจะแยกเพระาะว่าโยมนั่งประมาณเกือบชั่วโมงเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปวดโยมก็ก็ทนกับความปวดนะคะทนพักใหญ่ก็ไม่หายมันก็ยังไม่ผ่านเวทนาค่ะพระอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยแต่พยายามโยมก็เลยเข้าใจว่าเอ๊หรือว่ามันต้องผ่านเวทนาก่อนท น, ทนยังไงทนนั่งเฉยๆทนไปแล้วว่านัน่งเยแล้วก็ทนแล้วก็ดูความปวดไปพระอาจารย์แล้วก็<ำ>แล้วแล้วเราก็ใช้คําบริกำเดิมเลยเราใช้คําบิกำเดิม พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าไปอย่าไปดูความปวดให้ดูพุโทโธพุโทโธไปเลยมาค่ะพระอาจารย์แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ดูความปวดด้วยแล้วเราก็กลับมาดูลมหายใจด้วยแล้วบางทีมันก็จะมีเหมือนกับพยายามเหมือนกับเป็นวุบให้เราเหมือนกันเราจะตามไปดูจะอยู่สามอย่างเนี่ยพระอาจารย์แล้วตอนหลังอย่างเดียวอย่างเดียวใย่ค่ะโยงก็ อ, อะไรแบบอะเ ล, เลยลุกเติอนจงกรมให้เรียกสติกลับมา อย่าไปอย่าไปลกเสถ่าต้องการทานเวทนาก็ อ, อย่าไปลบนั่งแล้วก็เอาพุโทโธพุโทโธเนี่ยเจริญพุโทโธเจริญสติในพุโทโธพุโทโธไปได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็กค่ะดีไดมอาจจะผ่านไปได้นะได้ค่ะสองวันติดเลยค่ะพระอาจารย์แบบเวทนาแรงมากๆแรงมาก แต่ว่าแต่ครั้งแรกสุดที่โยมปฏิบัติธรรมอะค่ะโยมครั้งแรกที่มาถือศีลแปดวันโยมโยมโยมเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้แต่โยมผ่านได้แล้วที่โยมพบกับความสุขแต่ครั้งนี้โยมไม่ผ่านพระอาจารย์มันมันมันเจ็บมากๆเลยค่ะแต่นั่งเป็นชั่วโมงกว่าเลยค่ะพระอาจารย์มันนั่งเพาะไม่มีสติถ้ามีสติเดียวเดียวมันก็ผ่านได้เราพูดโทนพูดโทนอยู่เลยพระอาจารย์เราอย่างเวลาเราเ อ, อตอนเช้าโยน ยอมยมสวดมนต์ธรมวัตรเช้าแล้วก็จะต่อด้วยบทเอ่ออาการสามสามสิบสองพิจารณาสังขารพิจารณาความตายแต่เอ่ออาการสามบสองยมสงสัยอยู่ข้อนึงว่าน้ําน้ําน้ํามูดน้ํามูดมูดมองม้าสาอตตัอูต่อเต่าร อ, อเรือหมายถึงน้ําอะไรคะพระอาจารย์น้ำปัสวะอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์เวลาสวดมนต์ยมก็จะติดเนี้ยมันคือน้ําอะไรมันคือน้ําอะไร กับเขาเพระคุณพระอาจารย์คายมจะปฏิบัติต่อค่ะทุกวันนี้โยมก็เอจเจริญสติตลอดแล้วตอนเช้าก็สวดมวนต์ที่วัดแล้วก็ตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิตลอดค่ะพระอาจารย์ทำนี้ทุกวันค่ ะ, ะดีมากถึงนักมรสการพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ ะ, ะคุณเอกอย่าเชียงรายกล่มสการพระอาจารย์ครับออเป็นยังไงบ้าง ครับพระอาจารย์ครับเออมันทีนี้มันได้พบความสงบเพิ่มมากขึ้นครับพระอาจารย์ครับเออเวลนั่งเวลานั่งดูลมนะครับก็ดูจนลมมันหายไปครับอาจารย์ก็ก็อยู่กับตัวรู้ไปครับอาจารย์ก็เป่าสบายครับเบาโล่งสบายครับพระอาจารย์อือก็รู้สึกว่าเข้าสมาธิง่ายครับพระอาจารย์นั่งแป๊บหนึ่งก็ก็ลงบุ๊ก ไปเลยครับอาจารย์พยายามทำให้มันชํานานทำให้มันเข้าได้ง่ายแล้วเร็วครับแต่มันมันคงจะเป็นแค่ธนิการสมาธิเปล่าอาจารย์ครับพอวันลงไปปุ๊บสักพักก็ไม่เป็นไรแล้วมันจะธนิการหรืออะไรก็ขอให้มันสงบก็แล้วกันครับครับครับพยายามให้มันสงบนานขึ้นครัเวลาไม่ได้นั่งเราก็จะเรีนสติต่อครับผมครับผม กลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนนะครับค่นครับคุณแดสุดาุดากลับธรรมาสการค่ะอาจารย์อุดนธานีค่ะวันนี้ไม่มีคาถามค่ะแหบอุบต่อนะอุดอนใบอุมบลท่ันนะกลับมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะ วันวันนี้ได้ฟังทำเทปรรม้าบนเขาแล้วประทับใจที่พระอาจารย์เทศว่าให้ให้ทำตัวเหมือนเป็นคนตายอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าหลวงปู่มั่นไปอยู่ไปอยู่ปฏิบัติองค์เดียวแล้วก็เหมือนคนตายคือไม่ได้ติดต่ออะไรใครอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ ก็แล้วก็เมื่อวานที่เข้าภาคภาษาอังกฤษก็ชอบที่ว่ะอาจารย์บอกว่าให้ทําตัวเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนแล้วก็เป็นสิริเจ้าข่าพะอาจารย์อันนั้นอันนั้นก็ดีเจ้าข่าพะอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคำสั่งวันนี้ลูกพยายามทําไม่ได้เวลาพ่<ก>พอแม่พ่อแม่สั่งมาเอาเอาข้าวมาให้กินหน่อยก็หาข้าวแว้กเอาินกวาดบ้านให้หน่อยแล้วกวาด้ายเข้าไปไม่ต้องมีมอรารมณ์เราทำสั่ง์เนาะ ค่ะพอพออาจารย์พระอาจารย์พูดถึงสิริแล้วเข้าใจเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์สิริถ้าเราไปพูดแบบมีอิมมชันมันจะไม่ตอบเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าตรงตรงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหาคําตอบมาให้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะก็ก็พยายามต้องพยายามทำแบบนั้นจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ถึงจะถึงจะไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์อย่าตัวตอนเข้ามาแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าตัวตนเข้ามาแล้วมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมา เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะครับวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าขาพระอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าคค่ะ่ะเราไมีอารมณ์อะไรบอตัวตนมาแล้วนะไม่ใช่ตัวรู้นะแต่เป็นตัวรู้ังไม่มีอารมณ์แต่วันนี้ก็เผลอเผลอก็มีตัวตนค่ะพระอาจารย์กับหลานหลานกินขนมแล้วพอจะกลับบ้านแล้วไม่เก็บลูกก็เลยว่าให้เก็บอะไรอย่เงี้ยเจ้าค่ะแต่ รู้ว่าตัวเราไม่ได้พูดด้วยด้วยเหตุผลเจ้าค่ะเรามีอารมณ์ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เผลอไปเจ้าค่ะอาจารย์มีมีเหมือนกันเจ้าค่ะ น, นี่ค่ะ<า>ต้องฝึกไปเรืยมันต้องรู้ว่าถ้ามันรู้ว่ามันผิดพลาดคราวหน้ามันจะได้แก้ได้เจ้าค่ะก็คงต้องด้วยด้วยความที่ ที่กับเดียนพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์ให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับมันมันจะเผลอตอนที่เราทํากิจวัตรอย่างที่กับเดียนพระอาจารย์มันจะยากที่สุดเลยเจ้า่าพระอาจารย์ตอนเรีนจงกรมหรืออะไรพวกนี้มันมันมันไม่ยากเจ้า่ะแต่ตอนทํากิจวัตรมันยากมันมันมันมันจะทําให้เรามีสติเต็มร้อยที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยยากเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะแต่ ก, ก็ก็ไม่ท้อเจ้าค่ะก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ คนผูไม่พลาดผมไม่าดอยู่ที่ไหนนัทรรศการพรพอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับนครปฐมครับมีอะไรไหมวันนี้มีครับอผมจะถามเกี่ยวกั บ, กบพระอาจารย์ครับในเรื่องความฝันอ่ะอันนี้เป็นความฝันตั้งแต่เดือนมาวันมาคบาพุชาครับแต่ผมติดเรียนครับก็เลยมีโอกาสวันนี้ถ้เลยมาถามครับเกี่ยวกับความฝันที่ผมฝันหลวงตาครับหลวงตา ที่ผมเห็นนะครับอาในความฝันท่านมาอยู่ที่บ้านและผมไม่ได้เห็นเป็นนามรูปอะครับไม่เห็นรูปร่างแต่เห็นเป็นแสงสว่างแล้วท่านแต่ได้ยินเสียงท่านท่านถามว่าผมฝึกจริงใช่ไหมครับแล้วผมแล้วท่านก็ถามอีกว่ามีอาจารย์ที่ฝึกให้เปล่าครับแต่ผมตอบว่าไม่มีครับแล้วท่านก็ถามว่าฝึกอภิญญาณหกอยู่หรอครับห่างตาแล้วผมก็ตอบท่านว่าก็ฝึกอยู่ครับ แล้วแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรครับแล้วท่านก็ถามว่าได้แลศวสินะแล้วว่าแล้วตอนนั้นผมอ่าตื่นพอดีครับก็เลยยังฝันไม่จบผมก็เลยยังค้าาใจว่าความฝันนี้เป็นเช่นไรครับไม่เป็นอะไรครับก็มันก็เป็นเป็นภาพพยนต์เรื่องที่เราเห็นนะครับถ้ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงครับหรือมันไม่สามารถสอนอะไรให้กับเราได้นะก็วางมันไปครั บ, รบอ่าอย่าง อย่างช่เวลานั่งสมาธิครับผมจะยึดคําภาวนาสองอย่างคือพุทโธกับมอมาระนังเมภวิสติของหลวงปู่ซีมะครับอันนี้คือเป็นการวิจารณายาเกี่ยวกับความตายของตัวเองนะครับอันนี้คื อ, อคือเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดไม่ต้องการพิจารณาก็อาจจะต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดีย เนื่<ข>อก่อที่ก่อนที่จะนั่งเดินยองกรมนี่เราจพิจารณาบองนั่นสติไปก่อนก็ได้แต่เป้าหมายเคย อ, อย่าให้คิดอ๋อคือเป้าหมายอย่าให้คิดใช่ไหมครับให้อยู่กับคํา บ, บริกรรมเออแล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องการทําอะไรถ้าต้องการ ท, าทําสมาธิเราต้องการหยุดคิดนะครับอย่าไปใช้การพิจารณาว่าการพิจารณามันต้องคิดใช่ไหมใช่ครับ ช่วงนี้ผมก็เลยฝึกกับลมหายใจไปก่อนนะครับเพราะว่าเห็นครัอาจารย์คือท่านบอกว่าการฝึกลมหายใจพูดะเจ้าท่านบอกว่าเป็นการได้ได้มากกว่าการฝึกอย่างอื่นครับก็ถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องมีอะไรเพ่งโยนเฉยๆมาให้คิดนะครับครับได้ครับอาจารย์ผมครับศาสตครับคุณพร้อมทราต่อที่ไหนคุณพร้อมทราบ มามซ้ำได้ยินไหมนรัต ก, การเจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ ะ, ะได้ยินนะอยู่ที่ไหนอ๋อกาลังนมั ก, การเจ้าค่ะกำลังคิดว่าการคิดหรือว่าพูดโทรอยู่ที่บ้านกับการไปกราบเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสาลีวิกทาต น, นี่อยากอยากสอบถามอยากเรียนถามว่าสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่มีค่าและได้บุญมากกว่ากันเจ้าค่ะ มันเป็นสองสิ่งที่ทําหน้าที่ต่างกันไงการปกาศพระธาตุนี้เพื่อเป็นการสร้างศ ร, รัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นในตัวพระพุธพะทธธรรมทั้งสองว่าพระพุทธเจ้าในจริงนะพระธาตุนี่ก็คือส่วนหงของสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ต่างแล้วนะอันนี้ก็สําหรับคนที่ ยังไงม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงไม่จริงนี้ก็ไปกราบพระธาตุแล้วไปแล้วถึงว่าครั้งหนึ่งในพระพุทธเจ้ามาเกิดอยู่ในโลกนี้มาปฏิบัติธรรมมาสอนธรรมะแล้วก็ตายไปหน้าที้งพระธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาอันนี้อันนี้เป็นการปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาให้เราในครามมันคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วอีกอยากทําอะไร น, นะนั่งพุโทโธพุโทโธอยู่ที่มา้านอันนี้ก็ทําให้ใจเราสงบอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเรายัางต้องการศรัทธาไหมถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็ไม่ต้องไปกประทานในเสียเวลาเวลามันพุโทโธพุโทโธนี่หมเพราะว่าต้องก่อนจะปฏิบัติได้ก็ต้องมีศรัทธาเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพุโทโธพุโทโธถ้าเราเชื่อแล้วเราทําพุโทโธเราก็ไม่ต้องไป กับประทานอีกต่อไปนอกจากถ้ามีโอกาสถานไปก็กลับแวะกลับได้แต่ไม่ต้องตั้งใจแต่กลับเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามอีกเจ้าค่ะการดูจิตกับดูลมหายใจใช่อันเดียวกันไหมเจ้าค่ะคนละนะเกิดดูดูลมมันง่ายกว่าด<อ>ูจิตเพราะเรายังเป็นดูจิตมันเป็นยังไงจิตมันเป็นนามธรรมมันเป็นของนี่ไม่ได้ เราไม่อยากเหมือนกับลมในการการที่เราดูลมนี่เพื่อมีอะไรยึดเกาะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพื่อให้จิตสงบอมันก็ต้องมีอะไรเวลาทาสมาธิต้องมีลมต้องมีผู้โถวไว้เป็นตัวยึดเหนี่ยวเพื่อใจมีหน้าหยุดคิดอันนี้ดูลมนี่ดูเพื่อสมาธิแล้วดูจิตนี่มันขั้นปัญญา หรือว่าจิตคือเราเราแปรปวนไปเรื่อยเรืเหนียวโกรธเหนียวเสียใจเหนียวดีใจตามเหตุตามปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้นเราไปบังคับให้มันไม่โกรธตลอดหรือเราจะไปบังคับให้มันอยู่เฉยเฉยตลอดไปลราไม่ได้กามันมาสัมผัสกับสิ่งต่างมันไม่จะมีอารมณ์เจ้าค่ะเมื่อเมื่อดูเมื่อดูลมนานๆแล้วจะจะเป็นจะเปลี่ยนไปเป็นดูจิตเองใช่ไหมเจ้าค่ะยากเนาะ ดูนั้นดูนานได้มันจิตนิ่งจิตนิ่งก็จะอยู่กับความว่าความสมบกับความสงบไปก่อนแล้วต่อไปเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็มาดูส่วนอยากก่อนดูร่างกายก่อนดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นนิ่งน้งลงไปไม่สวยไม่งามเราปล่อยวางร่างกายก่อนแล้วก็มาดูเวทนาดูทุกขเวทนา ร่างกายเหมือนว่ามันเวทนามันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันถัดอยู่กับมันไปแล้วค่อยมาดูจิตทีดูว่าจิตมันก็แปลปวนเหมือนกับเวทนาเหมือนกันเดี๋ยวก็สองซ้ายเดี๋ยวก็เบิกบานเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เศร้าของเราจะไปอยากให้มัน เราใช้ไปเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาไม่ได้ต้องโอกาสบางอย่างดูร่างกายนี้จะดูส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าดูรวมๆเลยเจ้าค่ะก็ดูรวมก็ดูว่า<ะ> ร, ารา่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอให้สอนใจแบบนี้ใช่ไหมเ<แ>จ้าค่ะไม่ได้จะได้ไม่กลัวเวลาผมบอกจะได้ไม่ต้องไปย้อมให้มันเสียเวลาเจ้าค่ะย้อนผมอ่ะ ทำผอเปล่าใช่ค่ะนะย้อมผมหรือเปล่าเวลาผมขาวไม่ไปย้อมอ๋อผมนี่แหละเจ้าค่ะยอมค่ะเพราะว่าไปโรงเรียนกงกลัวความแก่เนี่ยมันถึงไม่ย้อมแต่ว่าแต่ต้องฟันหรอนี่ไม่ได้ทำฟันค่ะออแต่ว่าผมย้อมอยู่ค่ะเอมันแก่ให้มันแก่ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเจ้าค่ะซื้อมาเยอะแล้วยาเยอะอีกสองช่องเจ้าค่ะ เราใช้หมยนั้นไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็แล้วเนเจ้าค่ะใครก็ถามก็บอกใครก็ถามว่าทำไมไม่ย้อมผมเพรามันแก่จะไม่ยอมมันมมทําไมเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะอข้าน้อยสอนเด็กนักเรียนแต่เวลาเขาเขาไม่ตั้งใจเรียนแบบว่าเขาเคยเขียนหนังสือสวยแต่แต่พอเรียนเขาเหนื่อยเขาไม่อยากสนใจเด็กนักเรียนเดียเด๋ยวนี้ขอโอกาสเจ้าค่ะ เขาก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราในหน้าที่สอนก็สอนไปแต่ก็ไม่หน้าที่เรียนก็เขาจะเรียนไม่เรียนก็เรื่องของเขาไปไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาอยากให้เขาได้ดีนะเจ้าค่ะเพราะว่าอยากให้เขาพออยากว่าไม่ได้ก็เสียใจทุกข์เป็นมาวันนี้พอยาอยากได้แต่อย่าไปหวังนะอยากได้อยากให้เขาดีแต่ถ้าเขาไม่ดีก็อย่าไปเสียใจะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขา บางทีด่าบางทีโมก็กลัวจะเป็นบาปเป็นการใช่แทนที่แทนที่จะหวังดีกับไปด่าเขาสิถ้าหวังดีจริงก็ต้องไม่ด่าเขาสิถ้าหังดีจริงก็ต้องไม่ไปด่าเขาเจ้าค่ะต่อไปจะไม่ด่าแล้วค่ะจะแบบสอนดีๆมีหน้าที่สอนมาสอนไปก็จะทําไม่ทำก็เรื่องของเขาไปทุกอย่างแย่ตัวเขากับตัวเราในหน้าที่ต่ากันเรามีหน้าที่สอนเรามีหน้าที่เรียน เราไม่เรียนก็เรื่องของเขาไปเราทําหน้าที่ของเราแล้วก็จบถ้าเราไม่สอนเนี่ยเราก็บอกข้อหน้าที่ของเราอเจ้าค่ะเราเราไม่ต้องเคี่ยวเข็นผลผลสัมำลีก็อยากเคี่ยวเข็นอยู่เจ้าค่ะคือถ้าเขียนได้ก็เขียนถ้าเขียนไม่ได้ก็ก็ต้อยิ้มแต่ต้องไม่ต้องไม่ใส่อกรดไม่ต้องโกรดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องแฉ่ไม่ต้องอะไร จะพยายามเจ้าค่ะเดี๋ยวยายายอมผมหมดเดี๋วจะไม่ซื้อแล้วค่ะกล่าวสมรจาร์เจ้าค่ะโอเคสาวตัวะอยู่จังหวัดไหนนะเมื่อกี้ลืมถามอยู่ที่ไหนบ้านบ้านอยู่บึงการค่ะบึงการโอเคค่ะบึงการแต่จับน้องคายนะเป็นจังหวัดที่แยกออกจากน้องคายเจ้าค่ะติดห่างจากประเทศเรา ประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบกิโลนี่ค่ะที่เข้าไปดูอะไรพญานาคตรงนี้ใช่มเคยเห็ใช่ค่ะ <Okay. S 2> อะไรถ้ำราค า, าแต่ขน้อยไม่เคยไปไม่เคยไปนะถ้ำราค า, าดังมากแต่ขน้อยไม่เคยไปค่ะ <laughs> ไปแก็เท่านั้นอนะ่ะไปเก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มีแต่ปวดขาเจ้าาเดี๋วนี้ขน้อยปวดขาห้าสิบปีแล้วค่ะอื hmm. <laughs> แต่ <Okay. S 2> ว่า <laughs> แต่ว่าขอโอกาสพูดอีกนิดนึงพูดเยอะนิด น, นึงค่ะอธิษฐานกับทิวดาไว้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยให้ให้มาหักแข้งหักขาก็ปวดขาเลยเจ้าค่ะถ้าไม่ถ้าไม่นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิก็จะเดินได้แบบแบบนี้คงคงไม่เป็นคำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นอนะ่ะก็เป็นาการกระตุ้นให้เราปฏิบัติเจ้าค่ะถ้าไม่ปฏิบัตินี่ไม่ได้ปวดขาเดินไม่ได้เจ้าค่ะดีจะได้ปฏิบัติ แล้วค่ะโอเคสาธุแล้วมัสการณ์ไหมคะโอเคน้ำโมตะน้ำโมจกก็ถอายมอสกการณ์ครับอาจารย์อ<ม> า, าจารย์<า>ครับอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินครับอาจารย์ก็ก่อนน่ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่ทำหนังสือเรื่องวิสันาธรรมครับแดกครับ เพราะว่าอ่อานแล้วชอบมากๆแล้วก็คุณยายเห็นคุณยายก็ได้อ่านครับแล้วคุณยายก็ชอบหนังสือเล่ม น, นี้มากเลยครับก็กลายเป็นว่าทําให้คนในบ้านสนใจอยากอ่านมากขึ้นครับอาจารย์เครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ได้พยายามฝึก่อเนื่องครับอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามนึกจึดคําสอนพระอาจารย์ครับเรื่องของกระดูกด้วยครับที่อาจารย์บอกว่าอย่าลืม แต่ว่าบางทีมันก็นึกภาพยากนะครับราอาจารย์ในควางที่เรายังไม่ค่อยชินกับการจินตนาการนะครับผมก็เลยส่วนใหญ่จะดูไปที่ฟันของคนที่เรากำลังสนทนาด้วยอยู่แทนนะครับอาจารย์ก็ไปหาภาพกราฟิกมาตั้งไว้ในห้องนั่งเพ่นไปเรื่อยๆเลยก็สต์ อาจารย์อันนี้ผมไปเปิดเท็กซบุ๊กมาเลยครับอาจารย์เปก็เปะไปไปถ่ายไปถ่ายเป็นกระดาษในกระสาแล้วเราไปแปะไว้ตรงข้างฟ้าเลยะ จ, จะได้ดูบ่อยๆมันจะได้จาจะได้นึกภาพอมอคุณแม่ถูกใจคำสอนอาจารย์มากเลยครับเพราะว่าคุณแม่อยากให้เป็นหมอแล้วพออาจารย์บอกว่าให้ดูกันถูกคุณแม่เลยถูกใจมากเลย เพือ่อให้ดูกระโดดไม่ใช่เพื่อให้เป็นหมวกนะเพื่อให้เป็นผ้าเนี่ยต้องบอกคุณแม่เพรเดี๋ยว ด, ดูกระโดดบ่อยๆล้วจะเบื่อเห็นผู้หญิงก็เห็นแต่ค้องกระดูกก็ไม่อยากจะมีแฟนมันมีทางมันจะไปเป็นทำอาชีพอะไรดีก็ซื้อไปเป็นผ้าดีกว่าครับอาจารย์ใช่ครับก็เดี๋ยวไปบอกคุณแม่ครับ เพาะยังไงคุณแม่ก็ย้อนฟังนี่พระอาจารย์สอนเม็ทุกวันเลยครับใช่ครับแล้วก็เป็นหมอก็ดีแต่เป็นหมอแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นพระอย่างนี้อย่าไปเสียเสียเวลาเลยไปไปเป็นพระเลยดีกว่าไม่ต้องไปสายตรงเลยไปเป็นอะไเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นท่านอยู่ดีมีหมอหลายคนเนี่ยเป็นหมอแล้วก็มาบวชที่บ้านนี่มีหมอต้องสามคนบวชเป็นพระโอ้ยขอบคุณครับพรอาจารย์ ยัะ ค, ครับสสามออกครับอาจารย์แล้วก็ผมก็จะเป็นเหมือนคุณอาสายทิพย์ครับก็คื อ, อติดอีกตรง YouTube อะไรพวกนี้ครับตาพวกคือจริงๆจุดประสงค์ครับอาจารย์ก็คือเพื่อกดเข้าไปฟังธรรมะครับอาจารย์แต่ได้ไม่ถึงสิบนาทีมันจะมีตรงปีน ด, ด้านข้างครับอาจารย์อะไรน่าดูน่าสนใจขึ้นมาที ใช่ครับาจารย์เราก็จะแบบว่าขอกดเข้าไปดูนิดหนึ่งได้ไหมพอกดเข้าไปจากสองนาทีมก็กลายเป็นห้านาทีกันสิบนาทีครับอาจนโทษหน่อยท้านหนาก็อย่าดูทั้งวันเลยถ้ามันจะเลยเทะเรยก็ตัดไปทั้งวันนึงเลยครับแาจาจย์เวลาดูก็ต้องคอยขยายให้มันเป็นหน้าจอเต็มครับจะได้ไม่เห็นอีด้านขาคือ <c oughs> <c oughs> นี่กับตัวเองมากเลย แล้วก็ยังติดอีกปัญหาหนึ่งครับอาจารย์ที่อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําก็คือเรื่องของความกลัวความเจ็บครับอาจารย์เพราะว่า เ, าเมื่อวันก่อนนะครับเหล็กจัดฟันมันหลุดแล้วคราวนี้พอมันหลุดมันไปทิ่มเหรครับแล้วมันเจ็บแล้คือจิตเราก็เริ่มล้วนแล้วครับอาจารย์ร่างกายเราก็ล้วนเปหมดคราวนี้พอเราล้วนมากๆช่วงดีที่เราได้คุณแม่เตือนถึงคําสอนอาจารย์ครับก็เลยยกขึ้นได้ แล้วก็ไม่ได้ก็จิตก็กลับมาสงบอีกครั้งครับแล้วก็ตัสติแล้วก็ไปหาหมอฟันครับก็อย่างก็เรียบร้อยดีครับพระอาจารย์แต่ว่าผมยั ง, ะงระไอ้ต้องกลัวความเจ็บไม่ได้ครับพระอาจารย์ก็เวลาเจ็บเนท่องพุโทโธพุโทโธไปเอี่ยไปอยากให้มานหายอย่าไปกลัวมัน เ, ออเราไม่ได้เจ็บจิตไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายจิตเพองแต่รับรู้ความเจ็บเท่านั้นเอง มันก็ตัวร่างกายมันเจ็บแต่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนมันไม่ควรจะมีใครเดือดร้อนจิตก็ไม่ควรจะเดือดนอนเพราะร่างกายมันไม่เดือดร้อนแล้วจิตไปเดือดร้อนแทนร่างกายทแลมวิธีที่จะอยู่กับความเจ็บก็คือพุทโธพุทโธไปเอาพุทโธพุทโธไปอยากประยัดให้ความเจ็บหายเดี๋ยวมันหายถึงเวลามันจะหายมันหายเอง แล้วมันยังไม่หาไปยังไปบังคับไม่มันหามันก็ไม่หาอยามันปล่อยมันปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปดึงใจเราแยากใจเราออกจากความเจ็บไปไม่พุโทโธพุโทโธอาจารย์ได้ครับจะลองกลับไปปฏิบัติ ด, ดูครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถาม น, นะครับขอบคุณอาจารย์สาธุสมชายกาลังคุยโทรอยู่นะสมชาย มาเหมไม่ละละละยากนะนะนะว่อ่าสวัสดีกับท่านพระอาจารย์ครับอว่างครับาก็เพราะว่าตอนเทมจะต้อง <c oughs> จะต้องก็กราบขอบพระคุณกับอทุกท่านที่ให้คําถามเข้ามาแล้วผมก็เรียนไปตามนั้นเรื่องเรื่องการโมอหอนี้อย่างที่ท่านคนท่านหนึ่งได้พูดไว้ก็นี่ก็จับทางยากนะครับ ออันนี้ก็อย่าไม่วางอย่าไม่อยากแล้วไม่ก็ไโ ม, โม่บอกโอ้จานละครไม่อยากไม่อยากให้เป็นอตามที่เราต้องการอ ะ, อะไรใช่เราสั่งให้เขาเอาก๋ยเตี๋ยวมาเขาเอาเขา้าผัดมาให้แล้วเขาโมโมบอกโอ้ล่ะอันนี้ก็มีการก็เข้าพุโทโธแล้วก็ทําใจให้ ให้สงบเอาไว้ครับผมก็อะไรก็ได้ผมอะไรก็ได้น้อยก็ได้หนาวก็ได้ฝนตกก็ได้แดดร้อนก็ได้คนชมก็ได้คนด่าก็ได้คนได้เงินเราก็ได้คนมาโทรดีแล้วก็ได้โอพูดถึงคนที่พูดไม่ถูกใจก็เมื่อวานนี้โดนผมก็พยายามระงับวันนี้เขาก็ก็ดีขึ้นครับก็นก็ เอาไปเราไปบังกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้นำไปหวังให้กับเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปครับอันนี้ก็ผมก็พยายามผมก็รู้สึกว่าอจิตใจละงับมาเรื่อยท่านตามที่ตามท่านมาเนี่ยฮะผมก็ตามท่านมาเรื่อยแล้วก็พยายามนั่งทําจิตใจให้เป็นสมาธิ เรื่อยมาครับตามที่คุณบอยเคยแนะนาก็นี่ก็ขอขอบคุณมากครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับได้ครับโอเคอครับยินดีุสันาบนาาสุภัทนากาวนามสกจาย์ทค่ะเอ่อตอนนี้ก็ได้ยินไหคะเจ้าค่ะพจานได้ยินได้ยินตอนนี้ก็มีมี ฝึกสติเพิ่มขึ้นเจ้าขาพระอาจารย์แล้วในขณะที่เราเอจะพูดจะคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าพิจารณาว่าจะไปกระทบใครหรือเปล่าควรจะพูดหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นสติใช่ไหมเจ้าพะเป็นปัญญาเป็นปัญญาอ๋อค่ะคือคือในในใ น, ในระหว่างวันถ้ามีการได้พูดได้คุยหรือได้มีการทํางานอย่างเงี้ยก็จะจะ จะเหมือนๆกับว่าจะคิดมากขึ้นนะคะว่าควรจะพูดไหมใชรต้อนโดนผลเป็ผลกระทบที่จะตามพูดไปแล้วไม่ดีก็อย่าพูดดีกว่าส่วนบางออีกอันหนึ่งก็คือจะมีคําสอนพระอาจารย์ว่ายอมหยุดยินเข้ามาเข้ามาคอยคอยบอกตัวเองเสมอมก็เลยอาจจะทําให้ให้ตรงนี้ดิชัดเจนมากขึ้นนะคะพระอาจารย์พอสมาธิตอนนี้ก็พยายามเพิ่มขึ้นบางครั้งนั่งนั่งอยู่ก็ ทำสมาธิโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์ทกนดีดดอยาก<า>เกิดไปเรื่อยๆสมาธินี่สําคัญมากนั่งได้มากเทายย่าไหร่ยิ่งดีสงบได้มากเทายย่าไหร่ยิ่งดีเจ้าค่ะตอนนี้ก็เพียนอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ประกาศพระอาจารย์เจ้าค่ะสาเจคุณทวิษฐ์กลับทิศวิชละภาพตรงนั้นี่เป็นภาพจริงหรือเป็นภาพหลอกการมาสการค่ะพระอาจารย์ เป็นภาพภาพจริงค่ะพระอ า, าะอจารย์วิวค่ะวิวิวเอ่อตนหน้าตางค่ะพระอาจารย์ที่บ้านเลยค่ะที่บ้านค่ะพระอาจารย์กลับถึง<ป>แล้วเมื่อวันเสาร์ค่ะข้างหลังเป็นภูเขาลรงไหนใช่ัหมค่ะเป็นเป็ น, นภูเขาค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านที่ยกอยู่จะเป็นอยู่ในหูบเขาค่ะพระอาจารย์อ๋อใชค่ะอยู่สวยเลยค่ะพระอาจารย์ช่วงหน้าร้อนก็จะ มานั่งห้องนี้ได้ก็จะก็จะถ้าหน้าหนาวก็จะเย็นมากก็ไม่ได้ไม่ได้มาตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้พระอาจารย์ยมขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ะกับขอคําแนะนําเรียนถามว่าเอ่อที่ยมทําเนี่ยยมควรจะทํำยังไงต่อไปคือคือเวลาที่โยมรู้สึกว่ายมมีปัญหาหรือความวุ่นวายยมก็จะอยากที่จะ เขมานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์พราเวลานั่งแล้วลมโยมรู้สึกสบายแล้วก็สงบคือมันจะเป็นบ่อยครั้งถ้าครั้งไหนที่ใช้ปัญญาแก้ไม่ได้โยมก็จะคือมันบ่อยอะค่ะคือแบบก็จะหลบเข้ามานั่งสมาธิแล้วมันก็จะมันก็จะตัดออกไปเลยโยมก็รู้สึกดีรู้สึกสงบอะค่ะพระอาจารย์แต่เวลาออกไปมันก็มันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเจออีกบางครั้งถ้ามันมันยังยังยัง ยังไม่หายะประจารย์หลปัญญายังเอาไม่ได้ยก็จะควเข้ามานั่ ง, อ ย, อ, งอยากจะเข้ามานั่งสมาที่บ่อยๆเพราะว่าสิ่ต่ตางๆแล้วพวกคุมาเข้าไม่ได้สมมอต่อไปก็ปปยังฝึกทําใจให้รับกับสิ่งต่ตางๆตามความเป็นจริงของเขาอ <โด S 1> ากาศจะรนได้แล้วคนจะดีคนไม่ดีงก็ฝึกไปว่าเราไป อ้านก็ไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ให้เรารู้เฉยๆไปอี่าไปเก<บ>ิดความลังเกียจนีย่ยไปเกิดความไม่ชอบขึ้นมา้วมัน<บ>ถ้าเราเฉยๆได้เราก็องอยู่กับเขาได้มยิ่ง เ, เหชุการณ์ต่างได้ค่ะแล้วการที่จะให้ให้แบบให้ฝึกฝึกคิดแบบนี้แล้วก็เราก็ต้อง ก็คือต้องทำสมาธิให้ได้จนถึงขั้นอุเบกขาให้ให้บ่อยๆนานๆอย่างงั้นด้วยใช่ไหมคะได้เพราะว่าถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ทำใจมันทำตามคำสั่งเราไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องตัณฑ์พุโทโธพุทโธไปถ้ายังอยู่ในเหตุการณอย่างแล้วเราเราปลิดตัว อ, อมาไม่ได้เราก็พุโทโธพุโทโธไปมไม่ต้องหนีเรามาสั้งหลักสู้มันตรงนี้เลยก็นะได้ม่ต้องหลบไปเข้าสมาธิเอาพุโทโธสู้กับมันก็ได้ บางครั้งแบบอารมณ์มันก็เดี๋ยวคือยังอยู่ในอารมณ์ภาวะช่วงนั้นอยู่พอพอหลุดจากช่วงนั้นโยมก็จะแบบหลบเข้ามาหาเวลาตัวเองเปิดเท่ของพระอาจารย์หรือว่าแทมแทมไม่มีที่ไม่สามารถไปได้ลมก็จะก็จะหลบมันมาทําสมาธิโยมก็รู้สึกดีขึ้นนะคะโยมก็เลยแบบโยมจะทําแบบนี้บ่อยๆโยมก็เลยเออโยมมาแบบ ทำถูกไหมหรือว่าโยอมนี้มีเข้าในสมาธิมากเกินไปคือถ้าอยู่ในขั้นสมาธิมันก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นวิธีหยับทุกข์แตะถ้าเราอยู่ขั้นปัญญาเราก็ไม่ต้องกลับเข้าสมาธิแล้วก็เผชิญกับมันใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นเป็นอนิจจ์ทุกขังนณตาแล้วก็อยู่ประมาณไปถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไปย้าย ถ้าเราไม่มีความอยากกับมันมันก็จะไม่ถูก อ, อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อะไรกันนี้อค่อยอเป็นยังไงก็าปล่อยเขเป็นไปถ้ายังทํำใจไม่ได้ก็ต้องกลับไป <c oughs> ถอยเข้าถอยเข้าไป <c oughs> ในสมาธิก่อนค่ะถ้าเรายัางยังสู้ไม่ได้แล้วก็ถอยเข้ามาก่อนแล้วเราก็ตั้ ง, <อ>งหงับใหม่ตั้งหักใหม่นะสร้างไม่กอดซร้างไม่ชนะหม่ว่า ต่อไปได้เหตุการณ์แบบนี้เราเราจะทํำไงดีปัญหาคือเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเราเมาว่ามันเป็นแบบเดินฝ้าค่ะเราประหยัดมันไม่ได้ที่มันจะตกฝนจะตกนี่มันก็ต้องอยู่ประมันไปใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะผมจะพยายาม แล้วก็พยายามมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามันา จ, จะสอนเราว่าน่าว่านจะต้องลดการมาเชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆให้น้อยลงไปพยายามเปิดวิเวงให้มากขึ้นดีกว่าเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์ถ้าไปเจอเรื่องราวต่างๆถึงแม้จะดีกันหนไหยไม่ช้าก็เรื่องมันต้องกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาใช่ค่ะพอาจารย์ครับยมยมยมรู้สึกอย่างนี้นะพระอาจารย์ว่า ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องมันก็พลไปแบบนี้ยอก็อยากไปเหมือนอยากไปปีกออกไปข้างนอกคนเดียวปีกวิเวกคนเนี้ยแต่มันยังไม่ได้ยมก็ขอขอหลบไปก่อนชั่วเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยครับพยายามพยายามวางแผนพยายามลดละกามที่เราจะต้องไปเะชิญกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคนต่างๆให้มันน้อยลงไป แลไปเปลี่ยนวแว้งไดมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ยอมได้แนวทางข้องูลจากพระอาจารย์ข่ายยมจะพยายามทําตามแนวนี้นะคะ่ะปรับปรับความคิดใหม่แล้วก็ใช้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้มาว่าเอออาจจะเป็นแนวให้เราเหมือนที่อาจารย์บอกให้ต้องเราต้องออกปิดวิเวกมากขึ้นหรืออะไรให้มากขึ้นแล้วถ้าเจอเหตุการณ์ก็ต้องพยายามทําทใจพูโทโธพูโทโธไป อย่ากไปอย่ากไปต่อสู้กับเหตุการณ์ยอมหยุดเย็นยอมยอมกับยอมรับกสภาพที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่เราใจเราจะหยุดต่อต้านแล้วเราใจก็จะเย็นอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้สูตรสามยอมใจนะยอมหยุดเย็นครับอาจัดค่ะน้องกลับค่ะไาจัดกลับกับพวกคุณค่ะกลับมาได้กี่วันแล้วเนี่ยกลับถึงสวีเดนได้ กลับมาวันเสาร์ตอนเช้าเสาร์วันอาทิตย์ไดไม่กี่วันเองนะได้สี่วันค่ะแต่ไามวันสามวันกว่าค่ะบินตรงเลยนะค่ะพี่ตรงค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงดีหน่อยที่ที่การบินไทยหรือสวิตมันมีบินตรงให้ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนรายรอบค่ะอาจารย์ค่ะมีคอามสะดวกสบายรระดับหนึ่งค่ะ ต่อไปก็ค่อยปรับเปลี่ยนกสยจบแล้วดีใจที่ได้กลับมาไหตอนแรกดีใจค่ะว่าอาจารย์ตอบหนึ่ดีใจได้กลับมาที่สมิธเหรอคะหรือว่ากลับมาอกลับมาที่สมิธเนะี่ยมีความรู้สึกว่าดีใจอยู่ค่ะพราะอาจารย์เหมือนเหมือนเราได้กลับมาเป็นใช้ใช้ช<า>ีวิตมากขึ้นะใช่ค่ะว่าอาจารย์แบบได้ไ ด, ได้สนโดษได้ปลีกวิเวกเหมือนเพราะว่าเป็นคนที่ ไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยพระอาจารย์พอเราไปเจอญาติพี่น้องก็ต้อ ง, ต, องต้องมีการสังคมของเขานะใช่ค่ะก็ก็เยอะทั้งนู่นนี่นั่งนี่คือเยอะเยอะอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่พอได้กลับมานี่เหมือนกับเอยเวลาส่วนตัวของเราเวลาที่ของเรามาแล้ ว, วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอันนี้มันมันมันเป็นยังไงอะพระอาจารย์มันดีไหมก็ดีนะความสงบมันดีกว่ความวุ่นวายนะ ค่ะพอาจารย์ยมก็เลยว่าเอ้ยเหมือนเหมือนความรู้สึกยมว่าเอ้ยเราอยู่ที่นี่เราได้ปฏิบัติมากฝ่ายอยู่ที่เมืองไทยออตอนแรกเราคิดว่าไปเมืองไทยเราจะสถานที่อนี้เราจะไปนี่แต่ที่มันมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไว้นะอาจารย์พระอาจารย์ที่เราแพลนเราก็เลยพอกลับมาที่นี่แล้วก็เอ้ยเรามีเวลาของเรามากขึ้นทําในสิ่งที่เราอยากทําคือปฏิบัติของเรามากขึ้นเพอยู่ที่นั่นเราก็ ในเวลาใช้ประโยชนอย่างอื่นนะคะพระอาจารย์ใช่ดี๋แล่วเรามีที่ดีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เราต้องไปที่อื่นถึงจะต้องว่าอ๋อที่เราที่เราอยู่นี่มันดีอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์มันต้องเกิดการเห็นใช่ไหมคะว่าจ้างได้เจอได้เจ<ร>อได้สัมผัสค่ะก่อนหน้านั้งงนโยมก็ไม่ไม่ได้คิดแต่พอหลังจากที่โยมได้มาเข้าซูมแล้วก็ได้มาได้มาปฏิบัติเรื่อง โยมก็เลยไ ด, ได้ได้เห็นนะคะพระอาจารย์ก็เลยว่าเออมันมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยเข้าใจเข้าใจแบบเออว่าเราชอบแนวทางไหนมากกว่าหรือเราแบบไหนที่เราต้องกา ร, รจะคืบซับมากขึ้นนะพระอาจารย์ต่อไปเราก็อย่าอยู่คนเดียวมากขึ้นลดการสังคมให้น้อยลงไปเองะคะพระอาจารย์น้อยอยู่แล้วก็จะน้อยลงไปอีกนานทีนาทีไม่เสียมายาท คะป้าจ่าโอเคนะถ้ากับมาพบคุณกับป้าจามันซ่อมปัญญามากกัได้เราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราอยู่ที่นนถามมันให้ได้ค่ะ้าจยาเรียนรน้อมรับปฏิกิริาต่าไม่ต้องไม่ต้องนมันท่านเนแล้วก็มันก็ไม่ได้แก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาด้วยการอยู่ที่ั่านเหตุการณ์เถอตรงนั้นแก้แก้ตรงนั้นจะเป็นปัญญาค่ะาจ กลับเขาก็ ป, ปุ่มค่ะใช่คุณหมอเวลาผ่านตอ น, ออตอนนี้อยู่พิจิตรโลกไม่อยู่เพ็งตอนนี้อยู่พิจิตโลกครับอาจารย์ครับจาบแตงรัศ ก, กาลอาจารย์ครับสบายก็ภาวนาทุกวันครับอาจารย์แล้วก็ <c oughs> รู้สึกสงบสบายดีครับอาจารย์ครับอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายเกือบตลอดนะครับอาจารย์ครับทํางานตอนไหนตอนตอนเย็นตอนบ่ายนะ เาภาวนาตอนเช้เชาทุกวันครับอาจารย์ครับไม่ยถเวลาต้องต้องทํางานเนี่ยอ๋อผมทำงานเอ่อตอนเช้ า, ชาทั้งวันเลยครับอาจารย์พาทาทั้งวันจะทำยังไงถ้าทำทำั้งวันเลยครับแปดโมงชาประมาณเกือบห้าโมงเย็นเลยครับร <laughs> อาจารย์บางวันก็ไม่ได้กินข้าวเลยครับรอาจารย์ยาวแล้วไม่เห็นยอะไม่เไ็น <laughs> ครับท <laughs> นได้ครับอาจารย์ครับโอคนไข้ถ้าวันทํางานนี้วันบางวันนี้เกือบสองร้อยครับอาจารย์ ต้องนั่งคุยคนเกืบสองรอยคนครับผมหนักกันครับ ส, รนะส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นโรคอวมัพื้ครับอาจารย์ครับพื่อนใช่ครับอวมับพื้นโรกสมองโรคระบบประสาทโรคอวมับพื้นอวมภาพาโรคไขสันหลังนี้ครับอาจารย์โรคที่มีเรคสนเลือดอุดตันในสมองในสม อ, นอนงนี่นเนื้อแตกนี้นใช่ครับอาจารย์ใช่เลยครับ คนไทยเยุดอย่ะมากเลยเขาก็ไปชวนชวนกันมาแต่ใส่แต่ไม่ตายเลยไปก็เพราะฉะนั้นวันทํางานนี่จะก็จะได้ภาวนาตอนเช้าครับอาจารย์แล้วก็พอเสร็จงานแล้วก็จะได้ช่วงที่อยู่คนเดียวก็คือช่วงอาบน้ํากับก่อนนอนนยครับอาจารย์ก็จะได้ได้ได้ดูดูร่างกายอยู่ครับแต่ไม่มีวันไหนไม่ภาวนากับอาจารย์ครับเออนี่แล้ววันหยุดก็ได้ภาวนาทั้งวันครนะ วันหยุดทำภารกิจยังไงนะวันหยุดตอนนี้อาทิตย์ละสี่วันครับอาจารย์ก็ได้ภาวนาบ้างครับแต่ยังมีภารกิจเรื่องส่งรัส่งลูกอยู่ครับอาจารย์้ก็ยังยังมีภารกิจอยู่บ้างครับอาจารย์ไม่ได้ทั้งวันครับผมแต่ก็น้อยน้อยก่อนวันทำงานมีเวลาว่างได้ปฏิบัติมากขึ้นใช่ครับอาจารย์ครับวันหยุดบางวันนั่งสมาธิยาวถึงสองชั่วโมงได้เลยครับอาจารย์ตอนเช้าเนีแล้วก็ ตอนนี้เวทนาก็น้อยลงไปเยอะสรับบาจันคับเมื่อกี้ที่นั่งรอบ้านจันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เกิดเทวนะเวทนาเลยครับผมแสดงว่าสติดีจิตสงบอ่เราไม่ต้องเป้าหมายไม่ได้ไปน้นเวทนาเราเวทนาเป็นสิ่งธรรมชาติเราลดทุกทุกเกกับเวทนาทีา่เวลาทุกข์เกิใจนะใจทุกข์นี่ลดได้แต่เวทนานี้มันก็แปลเป็นไปตามอนิจจังนะสนา ต, ตา ที่เราจะต้องฝึกใจเองเราให้ให้รับกับมันรับชะอ้ากกับมันดูภาระงานมันนะทุกขกับทุกข์เขาเมตนาใ น, นเมตญาเวตนานี่มันเป็นเรื่องของขันโชคเนี่ยมันเรื่องของจิตนะเราปฏิบัติทำเพื่อลดความทุกของจิตได้ด้วยการทําใจให้สงบด้วยการลดความอยากให้น้อยลง น, นี่เอยน้แต่เวทนาทางร่าง ก, กายเนี่ยมันได้เหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยถ้าเกิดไข้ได้ส่วนมันก็ว เ, เวทนาทุกข์มันจะมากขึ้นแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราสุกใจให้ให้สงบใ ห, ให้ให้นิ่งก็ไป่เดือดรอนพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์เคยีบอกว่าให้ลองพิจนารณา ว่าอเวลาถ้าสมมติว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะรู้สึกอย่างไงครับคือคือผมลองพิจารณาดูนะครับอาจารย์ผมในความรู้สึกที่ตอนที่ยันตอนนี้มันยังไม่ป่วยเนี่ยก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมรับได้นะครับอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ากับรู้สึกว่าลิสว่ารีลิวก็รู้สึกว่าสบายใจด้วยครับอาจารย์เพราะว่าในความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับว่าเราบเราวางภาระลงไปครับในความรู้สึกตอนที่ยังไม่ป่วยนะครับอาจารย์คือตอนเนี้ยมันรู้สึกอย่างนั้นครับ ก็ก็ดูก็พิจารณาต่อไปว่าเวลาเป็นมันร็มันต้องเจ็บปวดใช่ไหมครับถ้าลองดูนนั่งให้มันเจ็บปวดดูรับวดูว่าเราจะฝึกลดกับความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคมาเร็งได้ไหมครับถ้ารับด้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับรับไม่ได้อันหนึ่งกับประชารัฐรัชการบอกว่าลองดูซิว่าถ้านั่งครื่องบินแล้วเคือบินตก เเนี่ยอันนี้ยังยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ครับอาจารยใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้ยังไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าภาพมันจะรู้สึกมันจะชัดเจนกว่าใช่ใช่ครับเพราะเราไม่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราเราบินอยู่เรื่อยๆใช่ครผมเวลานั่งเครื่อเวลาก็อดที่จะคิดไม่ได้เวลามันจะลงจะลงยังไงคิดที่ผีเข้าไป อันนี้พี่อาจารย์บอกเออมันเทียบกันสองอย่างนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับอันแรกอันแรกผมยังพอรับได้ครับอาจารย์อานแรกมันาจะช้าแล้วมันอาจจะไกลมันไม่ไม่ทันทีทันใดไม่เหมืกับเวลาเครื่องจะตกหมีคนเอาปืนมาจ่อจะยิงเราใช่อันนี้ยังกลัวครับอาจารย์ถ้ารู้สึกอย่างนั้ต้องฝึกต่อใช่ไครับเราฝึกต่อ คนเราจะตายมันตายได้หลา ย, ลายรูปแบบด้วยกันไม้มีใครไปกําหนดได้มันจะตายเพราะอุบัติเหตุก็ได้นะให้หล่ น, นไปก็เกิดอุบัติเหตุได้มันจะมันจะต้งตกเครื่องหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจฉับพลันขึ้นมานี้ก็ได้ไม่มีใครรู้นะแต่เาก็ต้องซ้อมต้องคิดว่า มันจะมาในรูปแบบไหเรารับรับมันได้หรือเปล่ามันจะรับได้ก็ราตอเมื่อเราแยกใจเราออกจากร่างกายว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะเราเราเป็นเหมือนหมอน่างกายเป็นคนไข้หมอไม่เคยเดือดร้อนกับคนไข้เล้ว่าหายไม่หายเจ็บไม่เจ็บก็เลยของคนไข้ไปหมอมีหน้านที่รักษาเขาก็รักษาไปใจก็เหมือนกันใจมีหน้านที่ดูแลร่างกายก็ดูแล เราจะเกิดขึ้นมนันที่มันสุดวิสัยก็ต้องก็ต้องปล่อยไ ป, ไ, ปไม่ต้องไปเดือดร้อนอันนี้อา จ, จะช่วยทําให้เราปล่อยได้ง่ายขึ้นนะทีจะเน้นว่าเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาเราใช้ร่างกายร่างกาย ก, ายก็เป็นเหมือนคนคนรับใช้เราเขาไม่สบายเราก็ต้องดูแลเข้าไป สัก็เข้าใจนะคับเข้าใจนะครับอาจารย์พูดแล้วมปกเห็นภาพนะครับ <c oughs> ครับมันมจะทำให้เรารับรับตบา้ากความความเป็นคับตายของร่างกายได้มากขึ้นยังงและเราไม่ได้ตายไปก็มันยังมันตกเครื่องเราไม่ได้ตกไปกบมันเลเราอยู่ในมิติครับมเราอยู่นเราอยู่ใ น, ลนโลกทิ ครับ๋ต่ผมจะไปพิจารณาต่อไปครับอาจารย์ครับไดครับขอบพระคุณแ่เ็นชัดว่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนะมันก็จะเห็นว่<อ>จิตกับใจมันคนละส่วนอยั ง, ยงไ ม, ยงไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นครับอาจารย์ครับถึงเห็นถึงว่ามั น, ม, นมันมันมีมันเห็นตลบหายใจอย่างเดียวนะครับอาจารย์รถ้าใช่เวลาอย่างร่างกายก็ ก็พยายามทาจิตให้นน่นเท่านั้นเองแวปยวา่างกายในตาสภาพยา์ัโอเคนะคกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับคุนตายราชานลเมื่เท้ามีอะเข้ามาล้างน้องกับนมัสการคองอาจารย์ก็จะพยายามเข้าค่ะถ้าไม่ติดธุระคระอาจารย์วันนี้ก็ ก็มีอุปสรรคทางใจหรือว่าอะไรนิดนึงพ่อาจารย์ตอนตื่นมาตอนอตอนตีสี่อะค่ะพ่อจันก็ตั้งใจว่าจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะแต่ก็พยายามที่จะนั่งสมาธิก่อนทุกวันแต่ว่าตีสี่มันเหมือนจะตื่นสายนิดนึงก็เลยใจนึงก็ว่านั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยลงไปตลาดแล้วค่อยไปหาซื้อ อ, อาหารไปใส่บาตรนะคะพระอาจารย์ ก็บอกกับตัวเองเงนี้แล้วอีกอันนึงก็บอกว่าใจอีกดวงหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวมันไม่ทนันเดี๋ยวไปไม่ทันใส่บาทอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็บอกว่าต้องนั่งก่อนต้องนั่งจะนั่งไม่ถึงจวโมกถ้านั่งถ้านั่งแล้วไม่ทันใส่บาทพระอาจารย์ก็ไม่ว่าเราจะดีใจซะอีกอใจมันคิดเถียงกันอยู่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อันไหนมันจะถูกค่ะพระอาจารย์อ๋อถ้าพ่อพนานได้มันก็ดีเปล่าดีกทําทำเงินททาง อนั uh, ่นแหละค่ะแต่หนูก็พยายามนั่งอตอนกลางคืนครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นตอนเช้าครั้งหนึ่งพยายามทำมาค่ะพระอาจารย์แม้ว่ามันจะทําได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทําอ่ะยังคิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเรายังอยากจะทําุ่งททางอยู่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้กับมันนะวันนี้ทําุ่งทำทางอาจจะนั่งสมาธิน้อยหน่อยเอาไว้นั่งวันหนึ่ง ก็เอาว้ล่องเผือไว้บ้างถ้าเกิดเรยังไปไม่สุดทางเลยงายเงได้สายทานเป็นเป็นที่สนับสนุนเราพมนาทานงานเราจะได้ไม่อดอยากขดแค่นเลยค่ะอาจารย์ก็โยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เร่งทําบุญแม้เรามันจะไปไม่ถึงทางมันอาจจะไม่สุดทางแต่ว่าก็พยายามจะคร<ต>ับทเราก็ทําไปค่ะ หว่าถ้าเราคิดว่าทําแบบที่เราทำํำหรือมาใส่บาตมันยุ่ยากก็าจจะทําป็นแบบบนปัจจัยเข้าบัญชีวัดไปเลยเรื่อยไรทำอย่างนี้ก็ได้เราจะมีนนเวลาแนะนำสวัสดค่ะก็จะพยายามทําควบคู่กันไปให้<ม>ให้ได้มากที่สุดนะคะพระอาจารย์<ม>พยายามจะให้หลุดหลุดหลุดทางให้น้อยให้สุดอนะคะพระอาจารย์ค่ะแต่สองสองอยางนี้มันก็เพลิมันก็ขัดกันะ ถ้าทํานางทีมันก็อเอาเวลาของการ น, นั่งสมาธิจะนั่งสมาธิก็ต้องเอาเวลาที่เราไปเตรียมข้าวเทียมของไบทําชำบุญถึงวิญาณหนึ่งมันจะต้องเลือกเอาทําใดทำหนึ่งครับระอาจารย์จะพยายามจะพยายามแบ่งเวลาให้ให้ดีกว่านี้ค่ะก็นอน น, น, นอนให้มันหัวข้ามเพิ่กับสักชั่วโมงจะได้ต็่นตีสามได้ มันยังติดเจ้าโทรศัพท์อยู่เลยว่จาจย์เป็ดดูนั่นดูนี่ทำงาเปิดร่างกี่โมงอะ6กมงเย็นค่ะ6มงเย็นก <6 S 1> นะ็ เ, เปิดนะค่ะแต่ทำงานจันถึงเสาร์นี่สิว่าจานมัหยุดแค่วันเดียววันอาทิตย์ถ้าได้ไปธุระอื่นอีกก็โอ้ยมันจะไม่ได้หยุดเลยเหนื่อนนิด น, งนึงค่ะจะต้องวางแผนสาหรับอนาคตต่อไปเราจะต้องล ด, ดการทำงานให้น้อยลง ให้อาูชายมาทําแทนเราไปค่ะแต่ตอนนี้อยากจะเปิดอีกที่หนึงแล้วครัอาจารย์อนี้ไว้แค่ยิงยิงถอยร้างไว้ใหญ่เลยออไม่ใช่ยอมคลิดยมกำลังคิดว่าเอ่ยอมถ้าถ้าเราเปิดอีกร้านหนึ่งมันจะได้สะสมเงินได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้หยุดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะแต่ไม่รู้จะได้หยุดหรับต้องรู้ว่าเวลาบวชเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องมีกันมากหรอก ไม่ต้องเลยก็ได้กลัวไม่มีใครสนับสนุนนะคุณพราจันทร์ยังแต่ถ้าแฟนยมว่าเขาบอกว่าเอาจะมีคนอื่นเนะี่ยยมก็ให้มีนะคะแต่ว่าโยมจะกลับบ้านยมจะไปทําสมาธิแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านที่เชียงใหม่แล้วจะจะทําได้หรือเปล่าเพราะเพื่อนเยอะเหมือนกันก็เลยว่าจะอยู่ที่ไหนดีทาไม่อยู่ที่ไม่มีเพื่อ น, <ะ>นไดอป็นบ้านได้ค่ะ นั่นแหละค่ะปัญหาสำคัญไปอยู่คนเดียวไม่ค่อยจะได้มันอยู่ที่เราตัดได้หรือไม่ได้มาว่าไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราค่ะพอาจารย์แต่ก็พยายามอยู่ค่ะลดละเลิกทุกอย่างถ้าจะปฏิบททัติจริงๆนิงนไม่ต้องมีเงินมากส่วนใหญ่ถ้าอยู่ตามมาตามแล้วมันก็มีข้าวฟรีกินแล้วถ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่เลือกที่อยู่ที่กินมันก็มีปัญหาได้เลยค่ะ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์เอนะดีอยนะ่างนั้นตอนนี้ก็ทํทาไปก่อนนะภาวนาไปทําบุญไปค่ะก็อยู่อยู่แค่ทางเนี้ยชาตินี้หนูก็คงได้แค่นี้แล้วค่ะอาจารย์ไม่นดาอย่าอย่าเพิ่งไปอยเพิ่งไปตัดทอนบางที้เห็นเพื่อนๆในสูงเขาโอ้โหเขาเดินทางไปไกลมากนะเราก็ยังอยู่แค่แบบเฮ้ยด้านหลังอยู่เลยเไม่ได้จะแบบเรก็เราก็ต้องขาดนานก็นเราไปแล้ว อะไรที่เป็นตรื่องปสัรคเราก็ต้องตัดมันทงไปค่ะความหวงนี่มันแบบมันก็แยอเหมือนกันนะครับอาจารย์เพียดกันตายบ่อยๆเพียดถึงความตายบ่อยๆตายไปก็ไม่มีใครอะไรไปได้นักคนนั่นแะคะอาจารย์แต่บางบางที่อะโยมก็ว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสหรือว่ามันเป็นโชคของเราคว้าไว้ก่อนพอคว้าไว้ก่อนปุ๊บมันก็ติดมือปั๊บเลยล้วก็แบบว่าอุ้ยทําไงดีมัน มันไม่หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็เลยว่าเออแ ล, แ, แล้วแต่แล้วแต่เขาจะจัดสรรให้เราหรือว่าเพราะเราโลภ ก, ก็ไม่รู้พะอาจารย์ก็ได้เลยทางโลกก็ถือว่ามันเป็นทุกข์แั้วนะพระอาจารย์ไม่สนับสนุนอะไรไม่สนับสนุนเรื่องธรรมธรรมเนีน่นเ ย, นนยเดียวเลยค่ะพระอาจารย์รดนาำโลกได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องก็ต้องทิ้งไม่หมดเลยเอาทรรมธรรมนี่ยค่ะโอเคนะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็มาฟังเทศธรรมธรรมยุ้เล่นจะได้มีมีข้อคิดมีกำลังใจค่ะค่ะอาจารย์บางวันอาจจะปิ้งขึ้นมาก็ได้เอาอย่างนี้เอออาจารย์ค่ะอาจารย์จะเทศที่น่ากุติแล้วแล้วยังจะมีซูไหมเจ้าคะที่มีเหมือนเดิมันไม่นละเวลาหน่นอ๋อก็ไม่เปนไรระเทศที่น้ากุติก็แคชัวมเดียวเ หวงท่าขันทาจางไม่หรอสบายมากค่ะสาธุค่ะโอเคสาธุคุณทีแค่คุณทีจากปรามทีจากนครสวรรค์ครับนรัศการครับพอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้ก็มาถามเไม่ถามบรรายงานผลการฝึกให้พระอาจารย์ทราบครับจากเที่เคยถามครั้งนี้แล้วว่า อมีอาการเหมือนจิตกําลังจะรวมเป็นสมาธิอะครับตอนนี้ก็ทําฝึกไปเรื่อยๆครับก็มีความสงบครับแล้วก็ไม่อความทุกข์จากเวทนาที่เกิดขึ้นในระหว่างนั่งครับมันมันไม่มันมันไม่ทุกข์แล้วมันยังมีอยู่อาจารย์แต่ว่ามันไม่มันไม่มันมันไม่กระวนกระวายแล้วครับใจเราละมันได้ยอมรับอ่าแล้วก็แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวตัวมันชาๆครับอาจารย์ครับคือมัน ความรสึกเวทนามันเหลือแบบนิดๆนะครับพอให้รู้ว่ามันยังมีอยู่แล้วทีนี้ผมรู้สึกเหมือนจิตมันหดๆลงนะครับอาจารย์ครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่หรอมันจะสงบมัก็หดตัวครับแล้วเราต้องทํายังไงต่อครับอาจารย์ครับจะเริยสติไปดูลมไปแล้วพุทโธไปครับบางทีพุทโธก็หายแต่ว่าลมเนี่ยยังรู้ตลอดครับถ้าเกิดดูลมต่อไปดูลมไปเลื่อยๆก็ทําอย่างนี้ตอบ พุท้ธมาทายว่าเราหยุดพุดโทโธเองครับแต่ว่าแต่ว่าบางทีแต่ว่าลมก็ยังยังรู้ตลอดครับอาจารย์ครับอดูลมก็ได้ไ ม, ม่พุโทโธไดแล้วก็แล้วก็พุโทโธใ ช, ใช่ใช่ครับก็มันถึงดูประมาณขั้นตอนเนี้ยอาจารย์ครับก็ยานั่งเฉยๆก็แล้วกันนั่งเฉยๆแล้วเนื้อจิตมันจะไม่สงบแล้วจ้มีอากาศแปลกๆขึ้นมาหลอกเราได้ครับก็พักก็แบบว่านึกบริกรรมคําบริกรรมพุโทโธตลอดเลยครับ อ่าเนี่ต่อไปนะจังหวะจิตมันจะรมนึ่งแล้วมันจะหยุดอะไรกับไปเองในตัวแล้วมันอาการมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเหมือนตกลมตกบ่อหรือว่ามันคล้ายอยู่ในใจจิตมันก็ปุ๊ไปเหมัอนทิกหน้ามือไปหลังมือนี้คือคือผมมาเคยตกครับแล้วก็ตื่นนะครับแล้วมันก็แบบมันแบบรู้สึกตัวเงี้ยครับอันนั้นมันใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับก็ใช่ไม่ใช่มันก็ผ่านไปแล้วมันเราไปสนใจ เวลราอยู่กับโธธไปถึนอย่างงี้มันถ้ามันตกแล้วมัน่มันสบสบายอะไรเงี้ยไม่น่ยนเฉเคยจะตกแล้วรู้สึกตัวเลยครับม่ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่มครับคัหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันรู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกตัวแบบเหมือนตอนที่เป็นอยู่เงี้ยครับมันจะไม่อยู่กับอารมณ์เดียวนั้ครับ ว่แสดงว่ายัางไม่เสร็ครับครับอาจารย์ครับก็ูดต่อต่อครับนะครับเข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์ครับสอบนะครับหมอดาวจากบุบลหมอกลับไปแล้วเลยกับถึงบนแล้วเลยค่กลับถึงบนแล้วคะ่ะอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ค่ะบดี วันที่ไปตักบาตรกับพระอาจารย์วันนั้นเนี่ยคือหนูรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นถนนที่มีคนรอตักบาตรเยอะขนาดนั้นในชีวิตมาก่อนคือรู้สึกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเพิ่งตักบาตรครั้งที่สองในชีวิตก็ได้หลังจากเข้าสู่ธรรมะมาเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาแค่ปีเดียวแล้วก็เป็นการตักบาตรครั้งที่สองะคะ่ะจ้ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึก เลืมกับชาวพัทยาว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ซึ่งจังหวัดหนูมันไม่มีแบบนี้เลยค่ะที่จะมีคนรอตักบาตร ย, ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นที่หนูมากับพระอาจารย์เราต้องรีบไปเพราะว่าจริงๆอ่ะเพื่อนเขานัดไปที่วัดบุญญาวาไปพบพระอาจารย์ตันต่อด้วยแต่ว่าดีท่านไม่อยู่หนูก็เลยเฟลว่าโอ้มาตั้งไกลตงนี้อยู่กับพระอาจารย์สุชาติต่อดีวกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอหนูกลับมาอุบลแปลกมากเลยที่พระอาจารย์ตัน มาอุบลพอดีเลยค่ะมาเพื่อ ง, งานหลวงปู่ชาเงนี้ยค่ะหนูก็เลยได้สนทนาธรรมกับท่านหนูก็ถามแหลกเลยค่ะนะ <c oughs> ไม่มีโอกาสแล้วหนูก็เลยถามเป็นชั่วโมงเลยเกรงใจคนอื่นเราก็ขอยอมโดนดา่าสุดท้ายทุกสภาวะที่หนูมีหนูหมดเส้นคําถามเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูเพิ่งเข้าใจว่าทุกสภาวะที่เรามีเนี่ย เราไม่ควรถามอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเราก็รับรู้มันไปตามที่จิตตามที่สภาวะธรรมมันแสดงออกมาอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะก็รู้ตามความเป็นจริงมันเป็นจริงไม่ต้องไปรู้ชื่ อ, อมันรู้ชื่ออะไรยิ่มามันทำให้เรารรรมันทําให้เราสุดแล้วแล้วไม่สุดเท่านั้นะที่เราต้องรู้เพราะว่ายิ่งหนูสงสัยเนี่ยมันยิ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของหนูหนูเริ่มรู้สึกแล้วว่า เราสงสัยเยอะเกินไปนะอะไรเงี้ยเราสุดท้ายพอหนูเลิกสงสัยหนูปล่อยให้จิตอ่าสภาวะต่างๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เขาจะแสดงให้มันเป็นมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาเราเรามีแต่ความสงสัยเพราะว่าเราประสบการณ์ทางธรรมมันน้อยมากเราเลยไม่แน่ใจว่าเ้คิดแต่เองหรือเปล่าอะไรน่น น, นี่นี่นั่นแต่แต่ตอนนี้หนูได้หลักแล้วค่ะว่าถ้าจะะราบใดที่เรายังพิจารณาอยู่ในกายเราเนี่ยต่อให้หลง เราก็เป็นการเรียนรู้หลงผิดหลงถูกเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้อยู่แล้วหนูเลยเลิกถามดีกว่าแต่จริงๆก็ไม่ใช่ไม่สงสัยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปแต่พอสักพักหนึ่งมันสภาวะทางธรรมเรามันก็ยิ่งยิ่งยิ่งดีขึ้นรูน้เข้าใจว่ามันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมันสงบขึ้นแล้วก็เรื่องของอการพิจารณากายมันมันค่อนข้างชัดขึ้นค่อนข้างเข้าใจได้มากขึ้นก็รู้สึกรู้สึกกับตัวเองะคะ่ะแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยเนื่องจากเราใช้สมถะเยอะเกินไปจนจนพอสมถะมันเหมือนมีคนมาพูดที่เราไม่พอใจเนี่ยเราใช้สมถะเข้าไปกดซึ่งกําลังสมถะเรามันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วพอกดไปมากมากกดไปมากๆครั้งสุดท้ายระเบิดตู้มระเบิดตู้มนี่คือเละเป็นโจ๊กเลยค่ะศีลขาหนูก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเราไม่เคลียร์จิต ด, ด้วยอริยสัจสีทุกวันที่มันเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถ มันจะยิ่งระเบิดกว่าเดิมอะค่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราใช้แต่สมถะกดเดียวก็เหตุมันมันเห็นอยู่ที่ความอยากของเราต้องใช้ปัญญาปัญญาให้มันถ้าเราไปกดมันไว้มันก็มันก็ไม่ตายเนี่ยพอพอสติแล้วก็กำลังมันก็มันก็ดันเขออกมาได้ค่ะพอเราพอเราพอเราพอเราคิดว่าเอ้ยเรา เราง่ายๆเราไม่เห็นโกรธเลยพอเห็นโกรธแล้วเราใช้เวกข่จัดการแล้วมันก็ปากวุาว่ามันไม่ตายมันก็ทําใหมแรงกว่าเดิมดูเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราเราจะต้องเคลียร์จิตทุกวันแล้วก็เรื่องถึงศีลทุกวันเลยะคะ่ะก็เลยค่อนข้างไม่สบายใจไม่มีคําถามแต่มากราพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวคงได้ไปกราผ้ า, าจารย์อีกทีหนึ่งเดือนตุลาเอตุลาใช่ค่ะตุลาแล้วก็วันวันเสาร์ที่นี้จะไปวัดตาบัานตาดค่ะ จะไปกราบพระอาจารย์สุธรรมแล้วก็พระหลวงพ่อเชอรี่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ยังยังทันหลวงพ่อเชอรี่ใช่ไหมคะตอนที่มาท่านท่านแค่อยู่ด้วยกันเกือบสิบปีค่ะก็ว่าจะไปจะไปโซนอุดอรเนี่ยคะ่ะ พ, พระพระอาจารย์อินทวายพระอาจารย์จันเรียนหลวงพ่อจันเรียนเนี้ยคะ่ะก็จะพูดคุณพ่อไปเพราะว่าคุณพ่อเขามีสภาวะธรรมที่เขาติดอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะได้มี ค่ะไม่มีอะไรค่ะการมรสการทางการบิดขบวค่ะคุณตคุณาดีมุกาศใช่ไหมรุงเทพใช่ไหมตอนนี้กลับกลับหลวงพ่อค่ะใช่ค่ะอยู่มุทากาศค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะก่อนเข้ามาซูนตอนแรกหนูจะกล่าว่านั่งรอเวลาสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยอยู่หนูไปนั่งป๊บ เข้าเข้าไปแบบเข้าไปเลยทันทีแล้วก็เป็นชั่วโมงเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อก็แยกกันอย่างชัดเจนอัตโนมัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรองพื้นก็คือนั่งได้แบบสบายอย่างพื้นแข็งอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือหนูเห็นว่าตั้งแต่อธิเ ท, ทแล้วที่หนูรายงานหลวงพ่อว่าหนูเปลี่ยนเวลาฝึกแล้วก็นอนแค่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็ ฝึกนั่งอีกวันหนึ่งจะให้ได้ไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อมันมันทําให้หนูได้แบบมันเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงคือมันมันมันได้คืบหน้าขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันไวขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้พอพอเราเข้าสมาธิจนถึงแบบนิ่งนิ่งสงบไปแล้วที่เราถอนออกมาคะ่ะหลวงพ่อเออหนูจะถามหลวงพ่อว่า อย่างคนที่ผู้ที่เขาแบบฝึกแบบเนี้ยชํานาญแล้วแล้วเขาหันมาทางปัญญาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่างอย่างหนูหันมาดูกายอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอย่างอย่างดูหนังอย่างเงี้ยหนูก็ยังยังไม่เห็นว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ไม่เห็นว่ามันมันก็ยังแค่ว่าเออเป็นหนังแล้วก็เออเห็นแค่เปลี่ยนแปลงแค่เขียวแค่ย่นแต่มันยังไม่ได้เข้าถึงความจริงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ก็ดูไปไเรื่อยๆเราไม่ต้องการให้มันเข้าสติรจริงเราต้องการให้มันไม่หลงไวร ม, มากกว่าเวลาเจอความจริงมันจะได้ยืนยันกันว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเวลาเจอหนังเหี่ยวหนังย่นของจริงเนี่รู้ว่าเนี่ยนะเราพิจารณามาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทนั้นเองคือหนไไูไม่ให้แม่ไปทุกข์กับมันนั่นเอ หนูไปนึกถึงที่บอกว่ามันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดหนูยังยังไม่เห็นแต่ทีเนี้ยมีมีช่วงวันวันสองวันเนี้ยหนูไปเห็นภาพสดนะคะ<ม>เกี่ยวกับหนัง<ม>เกี่ยวกับหนัง<ม>กับ<ม>กับขนอะไรเงี้ยค่ะที่ที่เห็นแบบภาพชัดเจนแล้วมันมีเลือดมีน้ำเหลืองช้ำเลือดช้าหนองมีไขมันอะไรที่ออกมาหนูหนูเพิ่งเห็นความจริงว่าอ๋อมันไม่สะอาดแบบนี้แล้วก็มันดู มันเหมือนปกคุมสิ่งที่มันไม่ไม่สวยไม่งามที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างในหนูเพิ่งเพิ่งจะเข้าใจที่ว่าคําสอนอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้พอพอเราดูได้แบบเนี้ยเราควรจะดูบ่อยๆเพื่อเหมือนให้ให้มันอยู่ในใจให้มันให้มันจดจําไว้มันต้องสูญเกินนี้ไม่ให้มันหลงไม่ให้มันเบืไม่ให้มันไปคิดว่าร่างกายนี้สวยนี่นาะ ก็คือเราเราดูเฉพาะอที่ปัญญานี่คือดูเฉพาะแค่กายเราอย่างเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อก็มันมันมีหลายหลา ย, หลายโจทย์นีฮะร่างกายก็เป็นโจทย์นั่นเองกับกับเรื่องเราที่มันวิ่งผ่านเข้ามาก็ใช้ปัญญาได้ว่าเราจะรับมือหรือว่าเราจะวางใจหรือเราจะทํายังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะเพระนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ มาเมาทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็พิจารณาว่ามันก็เป็นตายแล้เหมือนกันพมันมีหลายจยุดที่เราจะต้องดูดูรูปเสียงกลิ่นแล้วตรภาพว่าเป็นตายแล้วเข้ามาน้ำมันมีหลายหลักหลายรูปแบบเหมืนกันรูปเสียงกลิ่นแล้วดีก็มีไม่ดีก็มีกลางการก็มีก็ต้องรู้ทันมัน แล้วที่บอกว่าดูดูแล้วให้มันเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือมันไมเห็นว่ามันมันไม่มีอะไรข อ, องซ้ำซากของจาเจเขาไม่เทีย่ยงได้มาแล้วดีขนาดนี้เดี๋ยวมันต้องเปลียนไปเมื่หมดไปต้องหาใหม่เรื่อยๆให้ให้มันเห็นความเบื่อให้ให้เห็นว่ามันไม่มีมันมัน มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงครับเราไม่ได้ความสุขแบบปฏิบัติธรรมแล้วถ้ามันเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลามันพอจําเจมันมันก็เบื่อให้มันกินข้าวกินกัข้าวที่เราชอบกินสักสิบวันดูสิบเดี๋ยวมันก็เบื่ออะไรที่เราได้อยู่กับมันการคิดกับมันบ่อยๆก็เดี๋ยมันก็เบื่อของอะไรที่เป็นของจําเจมันก็เบื่อ แล้วแล้วอย่างผู้ที่เขาเบื่อหน่ายมากๆเขาเขาถึงหาทางที่ว่า เ, เป็นทางสมาธิดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอันนี้ไม่น่าเลยท่านแล้วบอกที่ได้จาการปฏิบัตินี้ไม่มีวันเบื่อในการดืมดูใจตลอดเวลาดูถึงใจค่ะถ้ า, ถ, าถ้าคือสุดท้ายถ้าถึงเห็นนะขนาดตอนนั้นแล้วก็คือไปทางธรรมไปเดิอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อ, อ, อม่ก็ไปทางธรรม ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคําถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะแซนดี้จกกรนะแซนดีอยู่ที่ไหนจากกรุงเทพค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมค่ะเอ่อจากที่พระอาจารย์คุยกับคุณหมอวีเมื่อกี้เรื่องทุกขเวทนาค่ะทุกขเวทนาทางกายนี่ก็คือ เราไม่ต้องอยากให้มันหายไปแต่ว่าให้ดูเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วพราะเราไปสั่งมันให้หายไม่ได้ใช่เวลาปวดท้องเนี่ยว่าให้หายไหมจะต้องอย่าไปทุกข์กับมันหยดอยู่กับมันไปที่เราทุกข์เพาเราอยากให้มันหายแล้วทุกขเวทนาทางใจอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ก็เนี่ยก่อนจะความอยากให้ทุกขเวทนาทางกายหายไป แล้วะไรก่อทุกขเวทนาทางใจให้มาทุกทุกทางใจถ้าไม่อยากทุกทางใจก็ก็อย่าประหยาดให้ทุกขเวทนาทางใจยหายไปปล่อยให้มันหายไปเองมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปมันจะหายก็หายแล้วการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกก็คือพ้นจากทุกทางใจใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ด้วยการปล่อยปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปรยากกับทุกสิ่งทุกอย่างขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีคําถามแค่นี้ค่ะ เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่องแทรหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์อทุกอย่างเวทนาก็ปล่อยมันมันจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปจัดการกับมันหัอยู่กับมันไปค่ะ <c oughs> เกิดดับร่างกายจะเกิดจะดับก็หัดอยู่กับมันไปร่างกายของท่านจะดับ ก, กบ็ก็ปล่อยมันดับไปไม่ต้องไปเศร้าสศกเสียใจทําอะไรทั้งนั้น ค่ะพระอาจารย์จะฝึกปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ขอบคุณปังวันไล่ศรีราชาวันนี้อยู่ที่เชีาายงรายแล้วเจ้าฮะครับก็ไม่มีอะไรเจ้าะทำระหว่างทางที่นั่คุหาเรื่อนไม่เจอเพราะว่าทงางเจ้า่กศพักก็ผิดหรือว่าเกิดจมูกหัวขาดแต่ว่าก็ก็นึกถึงที่ประจารย์เคสอเรื่องความใจเย็นนะพอมาถึงที่โรงแรมแล้วก็ โทรศัพท์คุยกับเขาใหม่ก่อนมากทางเจ้าที่ปรับ mood เพจนะคะจะทําให้คนหนึ่งเขาเข้าใจเิดก็พอหลังจากที่ได้ที่พักใหม่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหนูก็ใจินลงแล้วก็คุยกับเขาตามปกติอ่ะก็กดเรื่องความกดดโกรธได้ยังต่างเนี่ยใช่ความโกรธก็จากเราเองไม่ได้คนอื่นเนาะคนอื่นก็ไม่ได้ทําให้เราโกรธเราไม่อยากให้เขาถาักต า, ามใจเราเพราะว่าไม่ทําตามใจนะเราแล้วก็โกรธแค่นี้ ้มันยังมันยังเป็นทินทับากอยู่นะคะผมก็พยายามจะพยายามกเรื่อยๆนะพยายามลดละความอยากนมนะจอยค่ะโอเคคุณจยพัทยาคุณจยนอนแล้วไหมนอนแล้วค่ะอาที่ที่แล้วไอไอคนกลางบอกว่าไม่ได้นมเลยค่ะเออเม่ <That> ูโอคเขาบอกเ่าไม่ยกไม่สิ้น คือคือเหมือนพ้าจ์ให้แล้วูกเขาเอาใส่ต่อกลับไปหรือบอกไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นวุ่นกันคนเยอะใช่คนเยอะที่เราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เพอให้แล้วอาจจะเอากลับไปเพราะว่าเขาบอกเขาได้แล้วแล้วเขาก็หายไปกลับมามีแค่สองกล่องเขาเขาก็เสียใจโอ้โหเดี๋ยวไม่หม่ๆ่เสี๋ย ว, วันศุกร์อะค่ะพาไปใส่บาตเออหนูหนูอยากถามว่าการที่เราเอาของที่เขาไหว้เจ้าที่ไปใส่บาตรนี้มันได้ไหมคะหรือว่าไม่สมควร Um, มันเป็นของของเราหรือเปล่าอ right. yes ือก็คือเหมือนกับที네่บ้านเขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วเขาก็เอามาให้เราอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่ามันเยอะเราอยากใส่บาตรแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันแต่เขาให้เราแล้วเป็นของเราแล้วเขาจะไปถ้าจะไปได้มาอย่างไรไม่ใช่เรื่องของเราของเราคือถ้ามันเราเราได้มันด้วยความโดยส่วนไม่ได้ไปขโมยเนยเป็นของขโมยของแล้วเป็นของเราแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะกินก็ได้จะไปไหว้เจ้าที่ที่ก็ได้จะไปใส่บาตรก็ได้ อ๋อไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแล้วแต่เรามันเป็นความเชื่อว่าถ้าว่าบางทีล้วก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ใช่ค่ะเราจากกินแต่เกินได้ใช้ไหมใช่กินได้แต่ไม่ทาอย่างอื่นไม่ได้ก็สงสัยแต่ว่าแต่ว่าวราก็เลยเอาไปแจกคนคนงานความเีษแคมป์ก็ก็ที่ญาติโยมใส่บานมาก็แจกพราะคนที่มาขอทานที่ หนูเห็นเลยพอเขาตามหลังแม่ชีเขาก็ต่อแถวกันยาวหนูก็เอเอเขาแบบคือทุกคนเขาอย่างว่าตอนนี้มันมันเข้าย่าหมากแพงหมดเลย เ, เดี๋ยวนอ น, น, อนใช่หนูขายของก็ขึ้นขึ้นและพาร์ก็ไม่ได้กินหมดที่ไเมืม่อกินไม่หมดมันก็จะไปทําอะไรถ้าเก็บไว้มัน ก, ก็กลายเป็นขยะใช่ค่ะก็แจกไปตอนนั้นเลยหมืนเรื่อวานนั้นเลย ใช่เดี๋ยากโยมบางคนใส่บาเสร็จแล้วก็มานับทานต่อพวกนี้เราทำบุญเพื่อทานเวันพระใหญ่นี่คงจะแบบเยอะหน้าดูเลยนะเดินหน้าวันพระใหญ่บันเข้าวบ้านศาลนี่วันนวันนาสาหานี่คนจะเยอะแต่ว่าเดี๋ยหหนูจะพยายามหมั่นไปทุกอาทิตย์ให้ได้อาทิตย์หนึ่งต้องไปให้ได้อะค่ะเราทําบุญไม่ได้ทําเพื่อเอาเข้าของแล้วทําบุญเพื่อเอาบุญใช่ค่ะเราเสียสละเข้าของแล้วเราได้บุญที่เป็นทรัพย์ภายใน ที่เราติดตัวไปกับเราได้คิดทำแล้วสบายใจจะไม่เป็นเปรตถ้าเราทำบุญอย่างนี้ได้ไอยากอยากหุดพ้นแต่ก็อาศัยอันนี้ไม่ก่อนอาศัยบุญนําทางไปก่อนค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญล้วไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็ไปเป็นคอทานก่อนหนูว้าหนูคิดว่าอยู่ที่เจตนาอะไรก็ได้พระท่านไม่ได้สนว่าเราเอาอะไรไปแค่เราตั้งใจไปก็ได้ใช่ไหม ทำตามกำลังของเราไม่มีอะไรก็ทําไป ไ, ไม่มีก<ห>็ไม่ต้องทำไม่มีไม่มีกินต้องไปขอเข้ากินเข้าไปขอเข้ากินการขอเนี่ไม่ถือว่าเป็นการผิดนะใช่คือไม่ได้ขอแบบไปไปรบกวนเขาไปลรับของที่เขาแจกนี่ได้ถ้าเขามีเวลาเพราะว่าบางทีไปแบบเหมือนเด็กๆต้องไปโรงเรียนอะไรนี่ไม่ไม่ค่อยอเน้นเห็นคนในวันหยุดไป ใช่ค่ะเก่าพระันทรค่ะวันนี้่ <ยะ S 1> าเก่าพระฟาถูกอ่าคุณมอสุดทันีนยังไงเก้าหน้าไหมปฏิบัติก้าหน้าดูจากอะไรบ้างเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ดีปัญญาไวขึ้นไหมอ่าเร็วขึ้นไหมแสดงว่าเร็วขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมอะไรค่ะ<า>ก็น่าจะดีขึ้นเจาา้าค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาก็อ่า เป็ น, นเหตการค่ะก็ผ่านไปได้ค่ะอครับ ท, ทุกดับได้อย่างรวดเร็วดับได้ค่ะอะก็ความสุขในใจก็เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะบบบนั่นแหละคือการวัดผลของการปฏิบัติของเราเหมือนดับไฟเนะยเหมือนเจ้าหน้าที่ดับไฟเนี่ยเวลาไฟไหม้ในใช้เวลากี่ชั่วโมองถึงจะดับได้ถ้าดับได้เร็วแสดงว่ า, ม, ามีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป ไฟลุบปั๊บดับปุ๊บได้เลยเ น, นี่แสดงว่ารวนเร็วมากแล้วต่อไปอาจจะคุมไม่เลยก็ได้ไม่ให้มันเกิดเลยเจ้าค่ะทานก็ยังทําอยู่สลัมเสมอทุกวันเจ้าค่ะอถ้าทำมีโอกาสได้ทำก็ทําไปมีกําลังมีโอกาสแต่อย่าให้มันมาขัดกับการปฏิบัติการภาวนาของเราก็แล้วเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มีคำตอบเลยอาจารย์ท่านขันสบายดีไหมเจ้าค่ะ ก็ยังเป็นปกตินะไม่อยากทาอะไรได้ท่านอาจารย์รักษาธาตขันด้วยนะเจ้าค่ะมันต้องรักษามันเองราักษาไม่ได้แลมันจะเป็นอะไรไปเราก็เพียงแต่มีหน้าที่สนับสนุนมันมันต้องการน้ํำหปน้ำมันต้องการลงให้ลงไปนะและการมันจะเป็นอะไรไปนี่เราก็ไปบังคับมันไม่ได้อยากเป็นเหมือนท่านอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมันก็เหมือนกันอาการธาตุสองเหมือนกัน อยากมีใจเหมือนท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็ฝึกสติสมายที่ปัญญาไปเรื่อยพยายามอยู่เจ้าค่ะและวใจจะปล่อยวางได้รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าดีว่าเชื่อไม่ว่าจะเกิดจะดับจะเป็นอะไรก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นผู้รู้ที่เราไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปกับเหตุการณ์ต่างๆพยายามทาตอบเลนะเจ้าค่ะททุกวัน ทำจนกว่าจะตายเจ้ค่ะเออดี <c oughs> ทำํำไปก่อนจะบรรลุกลันกะัน <c oughs> ถ้าบรรลุเ่อไหร่เพลงได้พาเมื่อไห ร, กไรก่ก็ไม่ต้องทําละหมดภารกิจบุสิตังป ร, รัมจริย์เกณฑ์ในปรัมจริย์ได้ถึงที่เส้นสุดลงนแะล้วไม่มีเกณฑ์อื่นจะต้องทําอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงนั่นต้องทําไป <c oughs> แต่ว่าตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับต่อถ้ายังไม่ถึงนี่ป่ะรอไปเจ้าค่ะทําไปเรื่อยนะนํารับไปปฏิบัติเจ้าค่ะคือท่านอาจารย์ศูนย์เจ้าค่ะคุณพงษจากคอทมอรสวัสดีครับอาจารย์ครับออวันนี้ผมจะมารายงานครับผมเมื่อเมื่อที่เมื่อสัปดาห์ก่อนผมถามพระอาจารย์เรื่องสภาวะหน้าแข็งไปครับ ทีนี้คราวนี้ผมได้มีการลองทําอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมเกิดสภาวะแบบนี้สองครั้งครับอยากจะขอสอบถามสภาวะแบบนี้ครับผมคือครั้นี้ครับผมได้มีการนั่งสมาธิครับแล้วก็เกิดอาการแต่ว่าคราวเนี้จะเรื่องที่หน้าแข็งมันหินนะครับก็รู้สึกว่าตึงที่หน้าผากแทนแล้วก็ตึงไปถึงหน้าผากจนถึงกางขัวครับผมทีนี้ผมก็พุทโธไปเรื่อยๆครับ จนมีความรู้สึกว่าม MM ันเริ่มสว่างครับแล้วก็เหมือนจะผมจะพูดโทรไม่ได้แล้วครับอาจารย์ก็เลยเหลือแค่ลมครับอาจารย์ตอนนี้ก็เลยเหมือนผมจะพยายามพูดโทรแต่ว่าเหมือนผมไม่ต้องพูดโทรแล้วครับอาจารย์มันมีความสว่างเกิดขึ้นคล้ายๆแสงครับแต่ว่าเหลือแค่ลมผมเลยอยากจะสอบถามว่าถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเราดูลมแทนได้ไหมครับอาจารย์หรือเราต้องพูดโทรต่อครับอาจารย์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะพูดโทรก็ได้หนึ่งลมนะ ครับอาจารย์ครับแล้วก็ครั้งที่สองครับอาจารย์ครับผมได้มีการอาลองนั่งเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้รู้สึกว่าเหมือนผมเหมือนจะเคลิมหลับครับหัวสงกแต่ว่าเหมือนมันตกหลุมขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวทีก็มีความสว่างเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่า อ่ามันก็มีแค่ลมของทางสว่างมันเหมือนเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งครับแต่ว่าผมก็เลยลองสนใจแสงดูแสงมันก็เป็นแบบคือผมเข้าใจว่ามันไม่ต้องสนนะครับแต่คือผมลองดูแสงมันก็ที่ผมเห็นมันเป็นมันเป็นงูครับอาจารย์แบบนี้มันเป็นอุปาทานที่คิดไปเองหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นอนันตานะมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นของมันเองเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะ ครับอาจารย์นครจบไม่เทียงเกินข้อกำหนดอาจารย์ครับทีนี้ตอนที่เราหายใจแทนนะครับอาจารย์ผมอยากสอบถามว่าการอนาณาปนสติสลับคนที่ผมเป็นโรคไซนัสนะครับบางทีผมไม่สามารถหายใจทางจมูกสะดวกครับเราสามารถหายใจทางปากแทนได้คไหมอาจารย์ก็จะหายใจทางไหนก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเรืันธุ์เอานะอ๋อครับอาจารย์ครับอ๋ อ่าสิ่ที่อยากจะถามก็เป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเราดูเราไม่ได้ที่ปลายจมูกรือฝดูน้องที่หน้าทองแทนกหน้าทองครับอาจารย์ครับครับผมแต่ทีเนี้ยคือตัวผมเองเนี่ยมี ม, มีความแบบเออเราก็ดูคลิปอ่าดูวิธีการสอนครูบาอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติแล้วพอเราอยากจะรู้ครับว่าสมาธิเราอยู่ขั้นไหนอะไรแบบนี้คือถ้าเราอยากรู้แบบเนี้ยมันถือว่าเป็นกิเลสมั้ยครับอาจารย์เป็นหลักเพียงแต่ว่ามันไม่จําเป็นไม่จำสนใจ แห้รู้ว่ามันสงบ้ากสงบน้อยเท่านั้นสมาธิขั้นหนักต่างามันก็มีความสงบ้างน้อยไม่เท่ากันนั่นเองพระอาจารย์ครับก็สุสัยประมาณนี้ครับพระอาจารย์ครับขมบครับากครับคุณนพศิเศษอาจนคุณนพศิเศษยอยู่ที่ไหนม <c oughs> าไปเลยติดข อ, นอคลนลครพระอาจารย์มามามีอะไรไหมอยากอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่า ทำไมเราถึงต้องมีการกราบการไหว้ครับอาจารย์เพราะว่าเรามีมีความสูงต่ำไม่เท่ากันมีคนมีมีประโยชน์ไม่เท่ากันคนที่มีคนมีประโยชน์มากเราก็ให้ความเคารพกับผู้ที่เขามีคนมีประโยชน์เขาเราคนที่เราให้คุณประโยชน์กับเขาเพราะว่าต่ำเราเขาก็ต้องเคารพเราอันนี้เป็นธรรมเนียมของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเรามีความแตกต่างกัน ไม่ไม่ใช่เท่ากันเหมือนกันทุกคนแต่เรืกองรุ่นหมายแต่รุ่นหมายก็เป็นเด็กแบบเอาเอาแบบหมาเป็นตัวอย่างป้องหมาพวกสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้สูงรู้ตักเขาไม่รู้ว่ามีคนไม่มีคุณว่าเป็นยังไงเขาก็จะเอาแบบหมาก็ปล่อยก็ไปว่าทําไมที่เราไม่สอนธรรมะให้กับเขาเองอสอนเรื่องอเรื่องทางโลกเด็กมันก็เลยไม่รู้เรื่องทางธรรมนะ โลกเหล่านี้สังคมนี่มันมีคนที่มีความแตกต่างกันคนดีมากคนดีน้อยคนเรวมากคนเรวน้อยวิธีปฏิบัติต่อคนเหล่า น, นี้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับการกราบการไหว้นี่เป็นการลดทิฐิมาน่าถือตัวถือตอนได้ด้วยไหมครับพอาจารย์ใช่ถูกต้องเป็นการแสดงความสวยงานของเราด้วยวเวลาสวยงานเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนมาอยู่ที่ไหนกับใครก็ไม่มีใครเข้ารังเกียจใช่ไหม เพราะว่าเย็นลงปู่บุตรดาถาวโรท่านก็ใช้เรื่องกันกลับกันไหว้กันลดลดไอ้ปัญหาใจท่านในการตัวตนตัวสําคัญทุกคนนะต้องกลับแม้แต่ครูบาอาจารย์ขนาดนั้นท่านก็ถึงแม้จะพรรษาสูงสุดท่านก็ยังต้องกลับพระพุทธเจ้านีก็เลยว่าเออมันมันเป็นกุศลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านวางเอาไว้นี่ครับคิดประมาณ แล้วมันทำให้สังคมอยู่กันได้อย่างมโนเมียนเป็นสุขโกตะก็ตะมีความเคารพ ก, กันมีความเมตตาต่อกันคนที่สูงกว่าก็มีความเอ็นดูเ ม, มตต า, กกาคนที่ต่ำ ก, กว่าคนที่ตับกว่าก็ให้ความพคารพตอบผู้สูงกว่าครับครับรบกวนพ่ออาจารย์แค่นี้ครับอ า, าจารย์ครับวันนี้คนทำสุตาเลยสุตาสุตาทราบไหมเอเมอยู่ที่ไหน มาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะโมอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะมีอะไรไหมมีเจ้าค่ะพอดีอ่นี่เป็นครั้งแรกที่โยมเข้ามาในซู่มาเจ้าค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วทุกวันนี้โยมอาศัยฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทุกวันเจ้าค่ะฟังตอนเช้าทาง y o u t u ู e แล้วก็มีตอนช่วงบ่ายอะค่ะท น, นี้ ตั้งแต่ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์นะคะโยมก็รู้สึกว่าเข้าใจในข้อธรรมหลายอย่างแล้วก็นำมาปฏิบตัติอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีโยมได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็นำมาใช้ในการพิจารณาเจ้าค่ะเพราะว่าโยมค่อนข้างจะมีโทสะไวแล้วก็เหมือนว่ามีอะไรมาที่ไม่ชอบใจก็จะเกิดความ อาจจะโมโหหงุดหงิดง่ายอะเจ้าค่ะยมก็เลยนําสิ่งที่พระอาจารย์สอนว่ามันเป็นสังขารมันปรุงแต่งแล้วก็ยมก็เลยมองว่าอุปสาวะตอนนี้เราที่เกิดกับเราอยู่เนี่ยสังขารมันปรุงแต่งที่ทําให้เราคิดแบบนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราไปบังคับคนอื่นให้ทำตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ยมเคยทุกข์ใจเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ความทุกข์มันเบาบางลงแล้วก็จนมันมันสั้นลงแล้วมันก็ดีขึ้นมากเลยอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีพยายังใช่ไปเรื่อยๆดยลดละความโกรธให้มันน้อยลงไปความทุกข์ก็มืน <c oughs> อนกันเจ้าค่ะเราต้องก็ <c oughs> ่า <c oughs> อย่าไปห <c oughs> วังอะไรจากสิ่งต่างๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราก็คูมังคับไม่ได้เสมอไป <c oughs> ๆๆค่ะเจ้าค่ะแล้วก็คือโยมเนี่ยจะนั่งแบบคือที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนว่ามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันมันเหมือนมันบรรลุไม่ได้ อันนี้ใช่ไหมคะคือจะต้องมีสมาธิด้วยอะไรแบบนี้นเะจ้าคะใ่ตมีเรขาค่ ะ, ค, ะคือโยมก็พยายามนั่งสมาธิอนะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมจะนั่งได้ประมาณสักแบบสิบห้านาทียี่สิบนาทีอนะเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกเหมือนแบบเ อ, อ่อพอละโอเคออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนเะจ้าคะหรือว่แบบพอเจอเวทนาก็พยายามดูมันไปแต่ว่าพอดูไปได้แบบแป๊บหนึ่งก็เหมือนแบบ ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบออกดีกว่าก็เลยจะนั่งวัดสมาธิไม่ค่อยได้นานนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนำอ่ะเจ้าค่ะใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้เพราะกําลังสติของเรามีน้อยเราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งเราสามารถฝึกสติตั้งแต่รืมตาขึ้นมาได้เลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะใช้คำอะไรคำพูดทอพูดทอปากก็ได้นจะใช้ใช้การจดจ่อดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนะได ก็ควบคุมความคิดไม่ให้ใจมันคิดคถ้าถ้าใจคิดน้อยต่อเวลานั่งเฉยๆมันจะนั่งได้นนขึ้นเจ้าค่ะก็ตอนนี้โยมก็ทำอย่างที่พระอาจารย์บอกคือพอมีส ต, ติตื่นขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็จะพุโทโธเลยเจ้าค่ะอย่างเวลาขับรถเนี่ยฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเผลอก็จะภาวนาพุโทโธพุโทโธก็รู้สึกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนะคะมันก็ S 1> <S 1> มันก็ไม่ ค, <ช>ค่อยดได้ฟุ้งนะเพราะเราภาวนาพุโทโธตลอดเจ้า<ด>ค่ะอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยแบบจะตั้งใจจะปฏิบัติต่อไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โยมรู้สึกว่าจะจะจ ะ, จะเดี๋ยวจะไปวน y o u ูทูบฟังก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องการพลัดพรากอะเจ้า ค, ค่ะเพราะว่าสําหรับโยมแล้วเนี่ยโยมรู้สึกว่าคือชีวิตเคยผ่านการแบบเฉียดตายมาแล้วอะค่ะเหมือนแบบตอนนั้นแบบเพราะว่าตอนนั้นคลอดลูกอะเจ้าค่ะแล้วก็ต้อง ตัดหมดลูกค่ะหลังจากที่คลอดลูกประมาณสักสองอาทิตย์นะเจ้าค่ะเพราะว่าติดเชือ้อแล้วทีนี้ระหว่างนั้ น, นเจ้าค่ะระหว่างผ่าตัดนะคะมันรู้สึกตัวขึ้นมาระหว่างผ่าตัดเลยอะเจ้าค่ะถึงแม้เขาจะวางยาไปแล้วเพราะว่าตอนรอดเช้าเนี่ยโยมขุดหมดลูกแล้วก็เลือดไม่หยุดไหลตอนเย็นก็เลยต้องตัดหมดลูกเลยแล้วก็ระหว่างผ่าตัดเขาก็คงไม่กล้าวางยาเยอะเจ้าค่ะแล้วก็โยมรู้สึกตัวทีนี้ตอนระหว่างรู้สึกตัวเนี่ยระหว่างที่ อาจารย์เขากำลังทําการผ่าตัดเนี่ยโยมก็ภาวนาตลอดเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกเหมือนว่าตกตึกสิบชั้นอนะเจ้าค่ะแล้วก็ถูกดูดรวมล่างเข้าไปแล้วก็ร่างกายก็กระจายแล้วก็รวมล่างอยู่ประมาณสามรอบที่รู้สึกเหมือนเจ็บปวดมากแต่ก็ตอนนั้นก็ภาวนาสวดมนต์ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าจะตายก็พร้อมจะตายนะคะแต่ว่าพอ ม, มีลูกอะค่ะก็รู้สึกว่าห่วงของโยมก็คือลูกอะเจ้าค่ะก็รู้สึกแบบ ไม่อยากจะจากรูปไปอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นธรรมนูแต่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าในในที่สุดไม่ช้าก็เลยไม่ต้องจากมันอย่างดีเจ้าค่ะก็จะก็จะพยายามพิจารณาว่าก่อนนอนก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าเออตอนนอนก็จะพิจารณาเกี่ยวกับว่าเออเหมือนถ้าเรากําลังจะตายจะเป็นยังไงอะแต่พอนึกถึงรูปขึ้นมาก็รู้สึกแบบไม่อยากจากรูปไปอะค่ะ ก็เหมือนตอนนอนหลับนี่นะตอนหตัเวลานอนหลับแเราก็จากลูกไปชั่วค้าวใช่ไใช่เจ้าขาจริงของที่พระาจารย์บอกใช่ไหมนี่ก็จากชั่วค้าวรู้จักแบบเท้าวรมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องบมันก็จากแบบเดียวกันนั่นเองเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถึงเวลามันมันจะหลับห้ามไม่มันไม่หลับไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องหลับทุกวันถึงเวลานานแค่มันจะตายก็ห้ามมันไม่นานมันก็ต้องตายนั่นเองนช่ค่ะ คือจีนี้อยากจะขอคำแนะนําพระอาจารย์ว่าโยมควรจะปฏิบัติยังไงต่อหรือแบบอยากจะมาขอการบ้านจากพระอาจารย์จ้ะคะพยายามฝึกสมาธิเยอะๆให้จิตเราอยู่เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆเจ้าค่ะก็ภาวนาพุทโธไปแบบนี้เรื่อยๆเช่นกันให้จิตนื่งให้จิตสงบเวลานั่งแล้วจิตอยากชนุกก็อย่าเพิ่งนุกนั่งพยายามท่องพุทโธพุทโธต่อไปเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะไปจะไป ถุนักสมาธิให้เยอะขึ้นอ่ะเจ้าค่ะแต่ในส่วนของปัญญานี่อันนี้ก็ปฏิบัติคือดูดูแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะตุ้ยไม่เที่ยงตุอย่างต้องมีการสิ้นสุดนต้องมีการพลาดลาดจากกันปัญญาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจที่เราจะไปควบคุมบังคับก็ได้เจ้าค่ะถ้าเกิดสมาธิเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะก็คือเราจะเป็นแบบเราก็จะเฉยได้อเจ้าค่ะพระอาจารย์ แค่แบบคืออย่างโยมมีลูกชายอะเจ้าค่ะเขาอายุเจ็ดขวบอะค่ะคือโยมก็สวดมนต์ให้เขาแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กอะเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีแบบเหมือนเขาก็จะนั่งได้ประมาณแบบห้านาทีสิบนาทีเลยประมาณอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ละคนเในคามสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่เท่ า, ากันค่ะ้ก็เราจะนั้นเราจะมีแบบกดสโลบายยังไงให้เขาแบบว่าเหมือนแบบมาทางแบบว่า พุทธศาสนาอย่างนี้ยเจ้าค่ะมืนกันเราต้องพาเข้ามาเข้าหาศาสนาเราเข้าหาวัดเราไปวัดเราก็พาเข้าไปเราทําบุญเราก็พาเข้าไปแล้วนั่งสมาธิก็พาให้เขาทำตามทากิจกรรมร่วมกันเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะใช่ย่างนั้นยงก็ก็คงไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะยงจะไปฝึกนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นตามที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวยงจะมาส่งการบ้านนะเจ้าค่ะได้อยู่กทมใช่ไหม อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ ว, ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเจ้าค่ะอืมชื่นประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาเจ้าค่ะโยมก็จะไปปฏิบัติธรรม ท, ที่คือไม่ไม่ได้ไปนานมากแล้วเพราปกติก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วค่ะแต่พอดีเหมือนช่วงนี้มาก็เลยเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิรบ้านโพธิ์นะค่ะ ใช่ใช่เชียงใหม่ยังอยู่เชมัอยอยู่ที่ตรงชนบุรีเจ้ า, าค่ะเจ้ า, าค่ะแล้วก็ยมตั้งใจไว้ว่าแบบสัปดาห์ยมจะไปกับนมัสการพระอาจารย์ที่ที่วัดเจ้าค่ะที่อยู่พัทยานะคะยมก็เลยจะมาฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้ยินดีเสมอขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะโยมดีใจมากเลยโอเคนะความสุขสติสมาธิปัญญาสามตัวเนี่เลยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะและคณะยงจะมาส่งกันบ้านเจ้าค่ะครับนะครับคุณเจ้าค่ะเกิดบันเิตมาหลังมหลังครับนักการศึครับนักการได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินมากเลยอ๋อครับผมพอดีว่าเอ่อเพิ่งเจอ เมื่อกี้เพิ่งเจอไม่นานเลยพอดีว่าเหมือนก่อนแล้วเนี้ยครับก็เคยบูชาพวกวัตถุมงคล น, นะครับเปน็นกุมารที่ไม่ใส่ผ้าอะไรเงี้ยแต่พอได้ามาปฏิบัติกับอาจารย์นะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราอะครับก็เลยบอกของก็เลยบอกว่าเราอยากจะไม่ไม่บูชาต่อแล้วนะมันเฉยๆคนระแล้วก็เหมือนเขาก็บอกพอเราบอกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องซึ่งซึ่งอะไรอย่างนี้แล้วเนะี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าโดนโดนนิดนึงครับบอกเหมือนพอหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งเลยนะอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าธรรมะช่วยได้ครับเหมือนเราไม่ไปกับเรื่อนกับคําพูดของเขาอะครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาเาห้ามเขไม่ได้ถ้าก็ย่อมปิดหวังเป็นธรรมดาเมื่อเราไม่ได้ไปทำเดียวขเข า, เ, าเขาก็า<ต>ปิดบังเพรากว่าเจะวนเพ้อไปนะอาจารยด้วย แต่เราก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าถ้าสมม่ผิเราเรามีสิทที่เราจะเลือกทางเดินของเราได้เราจะบูชาอะไรไม่บูชาอะไรเป็นสิทธิของเราครับก็เหมือนมันเหมือนคล้ายค้ายเหมือนเปิดเราหลุดออกไปนิดนึงครับอาจารย์เราดูมันมันเป็นของเรื่องแบมันไม่มีสาลาอะไรเราไม่เชื่อมันเองแน่หลยเหมือนตอนนั้นยังมหาที่ขึ้นข้างนอกครับพอมาอยู่อาจารย์เราต้องขึ้นตนเองเป็นหลักพอได้หลักจากอาจารย์แล้วมสบายกว่าเยอะเลย ทำมาของพู้เจ้าเนี่ยของแท้ของจริง น, นะนอนได้เป็นของปลอมนะ้นนน่ะที่เป็นธรรมะในโลกนีใ้ใช่ครับระเจ้าท่านบอกว่าเราชัน้นหน้อนื่นเราไม่มีสั้นะนของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้นใช่ค่ะก็เลยแต่เพราะบ่นไปเพร้องฟังครับเพราะว่าเราก็แต่รู้สึกว่าเราัยขึ้นนะเหมือนกัเป็นท <พอ S 1> ี่เราเก็จะบ่นเขา<อ><ใ>จะว่าเราก็บ่นเขาบ่นไปว่าไป เราสร็จจเราเระเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรก็เรื่องของเราเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาต่อกันใช่ครับเหว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็ได้ปฏิบัติทุกวันเหมือนกันครับนี่ยังทำให้มากขึ้นนะใช่ครับไม่มีคำถามนะครับพระอาจารย์เดินไปที่เซาลินทอนต่อตอนนี้ยังอยู่อเ a แล้วหรือเปล่าเมื่อมาเมืองไทยนะ ยังอยู่ค่ะพระอาจารย์เดินทางวันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็จะไปวันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็กลับไปถึงเมืองไทยวันที่สี่อะค่ะแล้วก็บนเขาวันที่วันที่เจ็ดค่ะก็ออกมาวันที่สิบค่ะพราาออะอาจารย์แล้วก็จริงๆโยมยังไม่มีคําถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ่ะคะ๋ต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วก็คงจะพยายามก็เหมือนที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอย่างเดียวกัน ใน่ไดามีที่ที่เราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ ใ, ใครตอนแรกโยมคิดว่าโยมอาจจะตื่นเต้นที่จะต้องปฏิบัติเหมือนมืดๆขํากลางคืนไม่ได้เปิดไฟแต่โ<อ>ยมก็ลองลองตื่นตีสามครึ่งที่บ้านแล้วก็ลองลองปฏิบัติตอนเช้าหรือว่ากลางคืนลองไม่เปิดไฟแล้วก็เดินจงกรมก็เราก็อยู่ได้อันนี้โยมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเคยชินที่ว่าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านใจมันก็เลยไม่มีความกลัว ไม่มีความกังวลแต่เดี๋ยวลองไปที่นู่นดูแล้วจะลองดูว่าจะกลัวาการไปอยู่ที่เปี่ยวเปวล่ามันจะทําให้เกิดความรู้สึกบาดตัวขึ้นมามันจะได้ใช้สติใช้ปัญญามาแก้ปัญห <ทำ S 2> <ผ>าอาจาร<า>ย์จหยึดละง้างความคิดเปแต่ยเราคิดไปไม่ไมนนน่นู่นนี่นู่นนี่อะไรใช่ค่ะโยมก็จะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็วัดก็จะต้องช่วยโยวแน่นอน แค่หยุดความคิดให้ได้นะครับกายค้าก ล, ลัวเข้ามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรทำใจสงบหัใ จ, อจอของความกลัวก็หายไปจะตั้งใจปฏิบัติอาารยแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากเลยเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าคุณคุณสเจาวเขาเอาเมนชั่นหรือเปล่าคะา เ, เรื่องเใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่า เออโยมก็ต้องขอบคุณคุณหล้าด้วยค่ะที่ติดต่อแล้วยอมก็ได้มีโอกาส ค, คุยกับเขาในที่สุดหลังจากสามปีผ่านไปก็ได้ได้คุยกันนะคะ<ม>แล้วสิ่งที่น่าตื่นก็คือว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากโยมเขาใก้เองนะใกล้ม า, าพระอาจารย์คือโยมโยมคิดว่าโยมขับรถผ่านบ้านปักซอยบ้านเขาถูกติดแน่นอนอสองสารอบไม่ไกลเลยกันใช่ค่ะแล้วพระอาจารย์ก็บอกให้โยมติดต่อคุยกับเขามาเป็น สามปีได้แล้วมังคายมก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะยมไม่รู้ว่ายมจะไปพูดกับเขายังไงยมกลัวเขาจะคิดยมไม่ค่อยปกติแต่ที่อัศจรรย์ใจกว่านั้นก็คือค่ะพระอาจารย์ยมเขียนอีเมลไปหาเขาแล้วเขายังไม่ตอบยมกลับมายมก็เลยรอแล้วก็เข้าไปเซิร์ชชื่อเขาในเอาลูกก็ค่ะปรากฏว่าเขาเคยเขียนอีเมลมาหายมปีที่แล้วแล้วยมก็เลยเอ๊ะ เดี๋ยวก่นคนเดียวกันหรือเปล่าโยมก็เลยเขียนอ่าแมสเซจไปหาเขาทางโทรศัพท์บอกว่าโยมได้อีเมลจากคนคนหนึ่งชื่อเดียวกับคุณเลยแต่เป็นอีเมลที่มาจากทางโรงเรียนก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเขาก็เลยเล่าให้โยมฟังว่าลูกสาวของเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนนึงซึ่งคุยไปคุยมาก็เป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่ลูกสาวโยมไปโรงเรียนที่เกี่ยวกันแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ คือเขาสองคนไปถึงลูกลูกของคุณสเจากับลูกโยมเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วค่ะก็ mm hmm. เลยทําให้โยมตื่นโยมตื่นเต้นมากพราะอาจารย์โยมบอกว่า mm hmm. แล้วโยมก็คุยกับเขาแล้วโยมก็บอกว่าโยมไม่รู้จะใช้คําพูดว่าอะไรไม่รู้จะเรียกว่าอะไรว่าเออนี่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เหมือนกันเราได้มีโอกาสได้พบกันได้รู้จักกัน mm hmm. แล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นขนาดว่าลูกของโยมกับลูกของเขาก็ เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็กิจกรรมทํากิจกรรมตอนเย็นร่วมกันมาเป็นปีแล้วแล้วเขาก็รู้จักกันโยมก็เลยตื่นเต้นจริงๆคะรู้สึกว่าโอมพระอาจารย์บอกให้โยมคุยกับเขามาตั้งนานแล้วทําไมโยมไม่รู้จักไปคุยกับเขาโลกแคบมากค่ะพระอาจารย์ก็ได้แต่หวังค่ะค่ะเขาก็ก็เดี๋ยวเขาก็บอกโยมบอกว่าเนี่ยเขาอิจฉาใช้คําว่าอิจฉาที่โยมจะได้กลับไปอ่กราบพระอาจารย์ก็ เป็นเอ sure exactly huh. ่าสิ่งหนึ him, ่งที่เขาต้องการจะทําเช่นกันในชีวิตของเขาค่ะเอาเดี๋ยวไว้ยยงอาจารย์ค่ะค่ะกลับขอบพระคุณมากเลยนะคะพระอาจารย์ยงยังตื่นเต้นเลยค่ะความทียรเดินทางได้นะยงยังไม่พร้อมค่ะแต่ว่ายงพร้อมเดินทางยงก่าแล้วก็ไปได้เลยค่ะพระอาจารย์มาตอนลูกสองคนลูมาด้วยลูกไปด้วยค่ะแล้วแต่ว่าพอพอไปถึงยงก็ให้พัที่บ้านก่อน ค่ะค่ะเราค่อยกลับมาว่ากันค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็วันนี้ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะดสาธเตอเราให้แจกันนะค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคที่คนเอนเคต่อเอนเคอยี่ไหเอนเคอยู่ญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์มามามีอะไรไหมวันวันนี้มากราบพระอาจารย์เฉยๆค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ถามพระอาจารย์เรื่อง เกี่ยวกับลูกหมาตอนนี้อาทิตย์นี้ไม่โกรธเลยค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าก็ทําทําทําใจอะไรนะคะปล่อยปล่อยวางก็หัดไม่โกรธก็เป็นการฝึกสติชนิดหนึง่งอาทิตย์นี้ไม่โกรธเขาเลยก็รู้สึกว่าเย็นขึ้นเยอะเลยค่ะฝึกปัญญาค่ะปล่อยวางไ ม, ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรไปควบ ค, คุมบังคับได้ค่ะ เราก็ดูล่าเริงขึ้นบินเร่นขึ้นไม่ค่อยกวนเหมือนเหมือนเหมือนเคยอันมีร้องบ้างตอน 14, อทีสี่ทีห้าสักครักหนึ่งตอนเงียบค่ะโอเคไม่มีอะไรนะกราบพระอาจารย์ค่ะโอเคไปที่กุณสุปตรายั is, กซ์เลสเท็กซัสกราบน้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีโคงการจะกลับไปเยี่ยมพ่อว่าบ้างๆๆ <c oughs> อยากอยากเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนโควิดแล้วก็อยู่บ้านรู้สึกได้ปฏิบัติ <c oughs> เหมือนอยู่วัดเจ้าค่ะก็ดูแลเขาแบบเขาขาดหลืออะไรก็ก็ช่วยทางนั้นอะไรเงี้ยเจ้ค่ะแต่เราเราได้ปฏิบัติมันก็ก็ถ้าเวลาพร้อมก็คงจะไปะ่ะเจค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วันนี้ลูกขอความเมตตา พระอาจารย์เรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือเมื่อวานเนี้ยลูกไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลูกพิจารณาเนี้ยใช่ไหมแต่สิ่งที่พระอาจารย์สอนมาเข้ามาแบบเป็นเป็นจังหวะที่แบบคือคือพอดีอะลูกเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวมากเจ้าค่ะแล้วพอดีลูกไม่รู้ว่าสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยไปกระทบความรู้สึกของพี่สาวเพราะว่าแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพูดอะไรผิดก็อตรงนี้ลูกก็ยังไม่รู้แต่ทีเนี้ยเขาเขาเขาสึกโกรธแล้ว คุณพ่อก็เลยส่งข้อความมาตักเตือนลูกแต่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือลูกขอโทษเขาทันทีเลยไม่ว่าถูกหรือผิดใช่ไหมเจ้าคะคือคือไม่ว่าถูกหรือผิดการขอโทษคือสําคัญที่สุดคือคือขอโทษไปก่อนเลยเพื่อเพื่อให้ก็ความอ่อนใช่ค่ะเพื่อให้คุณพ่อสบายใจแล้วเรามีความอ่อนน้อมต่อพี่เราไม่ รู้ว่าอะไรถูกหรือผิดแต่เราขอโทษไว้ก่อนขณะแต่การขอโทษของลูกๆ ก, ก็รู้สึกเสียใจในตัวลูกว่าทําไมเราทําให้เขาเสียใจมันมีจังหวะหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์พอขณะที่ลูกเสียใจเนี่ยมันเหมือนเป็นจังหวะที่มันมันมันเกิดพิจารณาอย่างหนึ่งว่าเราจะไปโกรธเขาหรือเราจะไปเสียใจกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสังขารที่เขาคิดต่อยอดก็คือสังขารปรุงแต่งของเขาที่มันทําให้เขาอ่ะคิดคิดเอาคําพูดของเราไปแล้วไปคิดต่อก็เลยทําให้ลูกเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่มีความต้องความที่จะต้องไปโกรธอะไรใครเลยอย่างที่พระอาจารย์บอกคือก็คือให้ยอมไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดแล้วมันก็ไม่มีใครผิดเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจาก การคิดปแต่งของของสังขารของแต่ละคนแล้วถ้าลูกไปต่อก็คือมันเป็นการต่อโต้จากการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยมันเลยไม่มีมันเหมือนมันไม่มีอะไรอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยไม่เห็นตัวตัวตนของเขาแล้วก็ไม่เห็นของเราคือมันเป็นทุกอย่างมันคือการปรุงแต่งทั้งนั้นถ้ามีการต่อโต้ต่อเจ้าค่ะลูกก็เลยจบกับความรู้สึกมันรู้สึกว่าการเสียใจมันหายไปแล้วมันก็ มีแต่ความสุขเพราะมันไม่รู้จะไปเอาอะไรกับกับสังขารที่มันปรุงแต่งแล้วมันก็ไปเรื่อยๆของมันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าคะพระเจ้าบอกว่าสังขารมันเของไม่เที่ยงมันจะคิดไปยุปรุงแต่งของมันไปตามตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบให้มันคิดปรุงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็หมายความว่าสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์คือสังขารทําให้เราทุกข์และสังขารมันทําให้คน คนเกิดการกระทบกระทั่งกันมันคือตัวที่ทําให้มีการกระทบกระทั่งกันก็คือตัวสังขารไม่ใช่ตัวถ้ามันคิดไปทางกิเลยถ้ามันคิดไปทางธรรมมันก็ไม่มีปัญหาถ้าคิดว่าทักอย่างเป็นในหน้าตามันไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีเรื่องแต่พอไปคิดว่ามันมีตัวตนมั้นมันมีเรื่องไม่ดามันขึ้นมาทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการฝึกของของของแต่ละบุคคลใช่ไหมเจ้าคะว่าจะสามารถเห็นตัวตัว ตัวปรุงแต่งแล้วเราจะตามมันไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คือคือการฝึกของแต่ละคนก็ดูว่าปรุงแต่งไปทางทเกลเอ็ดหรือไปทำธรัม hmm. ถ้าปรุงแต่งไปทามเกลเอ็ดมันก็จะร้อนปรุงแต่งไปตามความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การจะไปปรุงแต่งว่าเราไปพูดในเสียงที่เขาไม่ชอบก็ได้เพราะเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่ที่ที่ไม่ไ<พ> ที่ไม่ได้ปฏิบัติจะไม่เห็นการต่อของการปรุงแต่งนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะนึกว่าเป็นสิ่งที่อืมันก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเรื่องเป็นเรื่องปกติของเขาอืเขาเห็นอะไรปั๊บได้ยินอะไรปั๊บก็จะมีปรุงแต่งมาทันทีชอบไม่ชอบแล้วก็โกรธชอบพอดีใจไม่ชอบกาเสียใจอะไรต่างๆ เพแลฉะนั้นสิ่งเจ้าเราก็ระงับความชอบความชังแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละมันเกิดมันดับนด้ค่ะลูกแบบประมาณว่าลูกเสียประมาณเสี ย, สยใจในละเสียใจประมาณหนึ่งนาทีแล้วอยู่ดีๆมันก็มีความเข้าใจตรงนี้เข้ามาแล้วว่าจะเสียใจหรือจะไปโต้อตอบมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการปรุงแต่งต่อทั้งนั้นลูกก็เลยจบทุกอย่างแล้วแล้วจิตมันรู้สึกว่า จิตมันยิ้มทั้งวันเลยอ่ะเจ้าค่ะมันยิ้มแบบมันมีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครเพราะว่ามันมันคือการใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไม่ว่าของเขาหรือของเรามันก็แค่ถ้าเราถ้าเราไปต่อก็คือเราไปตามตามปุงแต่งของเรามันก็มันก็เหมือนกับเล่นละครตลกไปอ่ะเจ้าค่ะมัเปนมันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่ เจ้าเมื่อวานก็เลยแบบว่าคําที่พระอาจารย์สอนมันมันกระจ่างมากเลยว่าทําไมพระอาจารย์ถึงบอกยอมไปเถอะเดี๋ยวหยุดมันก็เย็นไอ้คาว่ายอมเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปต่ออะไรเลยเพราะมันคือ<ช>สังขารที่มันทํางานไปของมันเองอ่ะเจ้าค่ะมันตามันเป็นนาตาเป็นธรรมชาติอเจ้ค่ะแล้วเราก็ไปถืออะไรเขาไม่ได้เพราะว่าบางทีคือเขาเขาไม่เห็นการปรุงแต่งต่อของตัวเขาเขาไม่เข้าใจตรงนั้น เราเลยไม่รู้จะไปโกรธใครหรือไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครอ่ะเจ้าค่ะเ ม, มื่อวานจิตมันก็เลยแบบยิ้มแบบมีความสุขแบบยิ้มทั้งวันเลยอ่ะเจ้าค่ะมันก็เลยแบบเหมือนเข้าใจตรงนี้มันก็เลยยิ้มของมันอ่ะเจ้าค่ะพยายามให้มันเข้าใจไปทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เจ้าค่ะอย่างแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจคือคืองงมากเลยขนาดาครอบครัวนี่รักมากเข้าใจแต่อีกคนหนึ่งที่ลูกพยายามจะเข้าจะจ ะ, จะใช้ จะจะให้เห็นแบบนี้อีกคือสามีทุกค่ะด่านสุดท้ายก็เหมือนกันอ่ะสามีเขา ก, ก็มี <c oughs> สังขารเขามีสังขารความคิดปรุงแต่งของเข้ า, าหเหมือนกัได้ค่ะด่านสุดท้ายเจ้าค่ะลูกจะลองดูว่าแบบเออพอดีจะไอ้นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะด่า น, นสุดท้ายทุกคนเหมืกคนทุกคนเหมือนกันหมดอะมีความคิดปรงแต่งเที่เป็นตัวหลักด่าน ก็ค่ะเมะื่อวานเลยเข้าใจกระจ่างที่พระอาจารย์สอนว่า ย, ยมอยู่เจนพยมไปเถอะมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปเอาอะไรกับใครหรือกับเราเองก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเอากับเราเพราะมันทุกอย่างมันคือการทํางานของสังขารแต่ใช้ค่ะของความคิดแต่เราสามารถที่จะแบบไม่ไปตามกับความคิดตรงนั้นก็อยู่ของเราไปใช่ความชิดไปเราไม่ทำไปยุมม่งอะไรก็ค่ะแต่สิ่งที่ลูกคิดว่าลูกขาดมากๆเ ล, เลยคือเรื่องของ พลังของกําลังของอุเบกขาที่ลูกยังช่ยังไม่เฉยใช่เจ้าค่ใช่เจ้าค่ะกับาไม่ใช้ได้กับบางคนยังใช้ไม่ได้ยังยอมไม่ได้ยังยอมหยุดเย็นไม่ได้คือลูกจะเห็นอะไรแบบเนี้ยเข้าใจแบบเนี้ยเป็นเหมือนเป็นสภาวะเข้ามาเป็นระยะระยะแต่แต่ไม่แต่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่ากําลังของอุเบกขาลูกไม่ไม่ถึงใช่ไหมเจ้าค่ะยังไม่ยังไม่มียึดยังไม่ยอมยังไม่หยุด สังคัญในปรกูแต่งเขาเข้าอยู่ใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคือเหลือกําลังของอุเบกขาถ้าลูกมีกําลังอุเบกขามากพอลูกจะเห็นทันแล้วก็ชัดมากขึ้ น, น, แ, นและจะของสังขารไม่ทะเบียขขอนออกมาเจ้าค่ะแล้วก็จะมีกําลังที่จะเห็นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะหเห็นตลอดเวลาเห็นกับทุกเรื่องทุกอย่า เข้าใจจำแจ้งเจ้าค่ะก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิไอ้อะได้วเวลาออกมามันจะเฉยจะนิ่งได้ น, นานาจะไวม า, าก<ห>มาอ่ะ<ๆ>ยังไม่มีปฏิกิริยากับอะไรเฉยนีกว่าเจ้าค่ะไปตอบตัวแค่แนั้นเนาะมันก็ผ่านไปดีใช่เจ้าค่ะเห็นเห็นเขาแล้วว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องไปต่อบจากเขาแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปต่อเพราะทุกอย่างมันเกิดจาก การปรุงแต่งทั้งนั้นมันเหมือนกันเล่นละครไปเรื่อยๆจะไปเอาอะไรกับมันมันไม่ได้ไม่มีอะไรเลยกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์กราคุณดีกราบขอพระคุณด้วยค่ะโอเคสาธุวันนี้ได้ฟังผลการปฏิบัติธรรมจากหลายคนด้วยกันแล้วเราได้คุณหมอพี่เช่นคุณหมอไม่เช่ก็ได้ครับสงบนี่คนสุวัสดิ์ใจแล้วได้ปัญญาเข้าใจการทํางานของจิตใจ ขอบพระคุณโอเคไปที่เรียวเรียวบัสุขวันนี้หน่าเยอะบ้าเรี้ยวรัสการครับอยู่ครับกลับมาแล้วครับกลับมาได้กี่วันนะกลับมาที่เมืองไทยหนึ่งเออสิบวันครับกลับมาทั้งกลับมาตั้งแต่วันเสาร์ครับอกันมากครับได้ไปเที่ยวเมืองไทยดีไหมโอ้ไม่แทบไม่ได้เที่ยวเลยครับทำงาน แล้วปเยงที่ที่แม่อยากให้มาเนี่ยมาได้มาหรือเปล่าไม่ยังไม่ได้มาอะไรนะครับผู้ช่วยทีแม่ต้องการอ๋อยังยังรอวิชเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับยังรออยู่ครับหวังว่าจะได้ครับน่าจะได้เหรอถ้าไม่มีไม่มีประวัติแบบนนาฏยกรรมหรือะไรไม่มีครับไม่มี แต่๋ยวดิจเจตดิจเจติลงตาครับนี่นี่ผมตันมัสการเจ้าค่ะหลวงค่ะเจอกันหลายอาทิตย์นะฟังอยู่ด้านนอกเจ้าค่ะหลวงพ่อสังขารมันเป็นทุกข์มากเลยเจ้าค่ะพยายามที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะปล่อยนั้นก็จะเบาจะเย็นเราไปแบกมันเองมันเลยหนักกับหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เา ย, ายุดติดสังขารความคิดของเราได้ก็จบไหวเขาไปจังเงืนของเขาครับค่ะตอนนี้ก็หลวงพ่อเจ้าข่าตอนนี้ลูกนั่งนั่งสมาธินั่งพื้นไม่ได้อ่ะเจ้าค่าจะดูไม่เป็นไรนั่งกอยีก็ได้นั่ก็อยอีก็ได้เจ้าข่ า, าลูกก็พยายามนั่งพืนแล้วพอรู้สึกรู้สึกไม่ดีลูกก็จะลุกไปนั่งเก้าอี้สัขขงขารหลพ่อทําการแล้ว่างาการจะแก่ลง ใช่เจ้าค่ะหลูงพอเจ้าค่ะยอกรับเลยเจ้าค่ะแล้วก็แต่ว่าจิตใจไม่ฟุ้งไม่ไปทุกข์กับมันนะคะตอนแรกทุกขแล้วก็ตอนนี้ยแล้วก็ก็ปล่อยวางแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนเหมือนลูกแยกแยกใจกับกายได้ใจก็เป็นผู้นู้นผู้คิดไม่นั่งไปวุ่นวายกับร่างกายเจ้าค่ะเจ้ค่ะแล้วก็พิจารณาพิจารณาตลอดเวลาเจ้าค่ะ S <S พิจนารณาจะยืนเดินดอนนั่งอะไรเพือแล้วลูกก็เดินก็จะพุดโธรไปจาา้าค่ะเพราะว่าพอนั่งแล้วกระดูกมันมีปัญหาจาา้าค่ะลูกก็แต่ว่าจนทำได้จ้าค่ะ แ, แต่มีสติแล้วก็ไม่ไม่ฟุ้งไม่อะไรอยู่อยู่กับตัวเองไม่ฟุ้งไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครแล้ว หลวงพ่อจะพาหลวพ่อไม่ไปปุงแต่งไม่ไปปุงแต่งเรื่องคนนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ปุงแต่งอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรของใครทั้งนั้นแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้เหมือนเราใจดํำไหมเจ้าค่ะเหมือนไม่อยากทำรู้ถ้าถ้าไม่อยากรับรู้แต่ยังต้องรับรู้อยู่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าถ้าอยากต้องรับรู้ก็รับรู้ไปด้วยความเมตตาไใช้ความเมตตารับรู้ค่ะเจ้าค่ะมันเหมือนแบบเหมือนแบบ ปล่อยวางไม่ไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรของใครเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันโดยมารยาทใช่ต้องรับรู้อยู่เราฟังไปเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่ต้องเอามาแบกเข้าในจังค่ะคือรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางไปต้องทีอยู่ด้วยกันเขาเขต้องพูวยเราฟังอะไรเราก็ลองฟังเข้าไปนั่งจังคจังค่ะกลับเข้าไปงงอาจารย์อย่าไปเกิดความไม่อยากเจอหน้ากันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาอะไรขึ้นมาได้ แบบแบบว่าแบบอยากจะอยู่คนเดียวแบบว่าถ้าอยากเหนือเนี้ยว่าไปเลยสิถ้าอยากยิงเจนเข้าไปเลยเลยถ้ามันแบบรูปผีลูกคนอยากจะไปแต่ยังอยู่มันก็ก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้ายังอยู่ก็เราทำตัวของเราอยู่นะอย่าไปทําตัวมันออกไปผมพอจะเนี่ยพอแบบพอเขาจะคุยแล้วเราแบบ ไม่ไม่อยากฟังอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรอกมาแต่ในใจเนี่ยมันมันขึ้นมาว่าจะไม่อยากฟังไงอย่างเจ้าค่ะไม่อยากก็เังนกิเลไม่อยากก็เป็นกิเลสเมื่อถึงเวลาต้องฟังก็ต้องฟังเจ้าค่ะเจ้าค่ะครับมีวิภาวดนาเราเป็นวิภาวดนาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานันทีถ้าไม่อยากจะฟังถ้าต้องฟังอะไรที่เราไม่อยากจะฟังก็ทุกข์ แล้วเราพิกใจกับไะไรอย่างเง้ก็อยากฟังก็ไม่ได้เอ้อยากจะพูวก็จะพูดอะไรมากว่าเนาะค่ะขอบคุณผูชื่อบของเราจงค่ะหลวงพ่อแล้วก็เนี่ยลตอนนี้คือเพื่อนก็เขาก็ไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยค่ะทีเขาโทรมากี้เตรียมติดต่อแฟนหน่อยแล้วลูกเขาบอกเขาแปลว่าเฮ้ยเธอ จะเอาอะไรเนี่ยอย่างฉันนยังไม่เอาสามีก็ไม่เอาแล้วลูกก็ไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาแล้วทั้งไมแค่นี้นะเก่งว่างหูไปเลยเจ้าค่ะกวันนี้ลูกสมัย25ปีี่แล้วลูกก็เคยพาไปปฏิบัติที่วัดยานแต่ว่าไปปฏิบัติโดยกันแล้วเขาก็บอกว่าช่างมาถือไอ้ขี่มันทำอะไรมันมันเดินนับใบไม้อยู่นั่นแหละลูกจ้วงหลังก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยนกลัวเดี๋ยวเขาจะบ้าเอา ใ่หลวงพ่อแ ล, แล้วแล้วอย่างเรื่องรีโอเนี่ยค่ะจ้าย้ากก็บอกว่าเหมือนลูกอะไม่ไม่แสดงความยินดีอะไรกับลูกวางวางแบบแบบเหมือนลูกเฉยอะเหมือนลูกจะมีชื่อเสียงลูกจะเก่งอะไรก็คือลูกก็ยินดีกับเขาแล้วแต่ว่าจะไม่ได้จะไม่ได้แสดงอะไรเยอะเพราะว่าคือลูกอะ ตั้งแต่เขาโตก็จะบอกว่าเออแม่อยากให้ขบวชไม่ได้อยากให้ลูกมาทํางานหรือไปแก่้งแย่งอะไรกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอญาติก็บอกว่าเหมือนเราไปไปไปอะไรอะเหมือนไปปีบบังคับลูกก็คือเหมือนไม่ไม่ไม่ยินดีกับลูกที่ลูกประสบความสําเร็จอะไรไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าค่หลวงพ่อที่ที่ญาติเขาจะพูดอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้เขาป่อยเขาพูดไปไม่ต้องเอามาแปลกให้เสียเวลาพูดนล้วเท้าหูซ้ายออกหูขวาไป ้็ค่ะใช่ค่ะเราเรารู้ว่าเราทําอะไรลูกเรากับเราเป็นยังไงเราก็รู้กันอยู่ก็พอแล้วแค่นี้ลูกก็เข้าใจเราแล้วก็เข้าใจลูกเราก็พอแล้วใช่ไเจ้าค่ะเราก็รู้ไม่มีปัญหากันไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรก็ค่ะเพราะว่าชาวบ้านจะมายู่งมาเราทําไมอค่ะเพราะว่าก็ค่ะเขาก็เหมือนแบบลูกโพสแต่ธรรมะไม่ได้โพส ของลูกเลยน่าจิตตาแต่ละคนมันก็มีความที่เห็นไม่เหมือนกันต้องเผาเพราะว่าลูกก็จะแบบถึงลูกเขาจะมีข่าวอะไรที่เมืองไทยสัมภาษณ์อะไรลูกก็จะแบบก็โอเคแม่รับทราบแต่ของลูกลูกก็จะโพสต์ธรรมะของลูกไปไม่ไม่เหมือนญาติยเขาจะบอกเหมือนเราคือเขาก็จะรู้ว่าเราแต่่อะไรก็จะบอกว่าเราอยากให้ลูกบวชนะไม่ได้อยากคือเมื่อก่อนเขาบอกเขาอยากเป็นรัฐมนตรีไปช่วยประเทศไทยแล้ว ล, ลูกก็ขอว่าไม่ให้ไปยุ่งการเมืองนะเขาก็เหมือนเปลี่ยนมาการกีฬาแล้วลูกก็ต้องวางเพราะว่าเขาเลือกมาอันที่เขาชอบอันที่แม่ไม่เลือกแล้วเขาก็จะนั่งให้เราได้ยินว่าอันนี้คุณแม่ไม่ไม่โปรดดวงตาก็บอกว่าไม่ให้ไปยุง่งเขาพูดให้ได้ยินเนะคะแล้วก็นั่งติดโตอย่างเงี้ยใชค่ค่ะแล้วพอเขามาทางการกีฬาแล้วลูกก็ก็เลยต้องตอปล่อยเขา <Okay. S 1> ขเขาเลืกลอกที่เขาหรักแล้วใช่ค่ ต้องเอาแคดนีก่อนนะ่วเวลาเหลือน้อยแนละ้วแค่สิบนาทีคุณเจ้าคัะหลพ่อเชิญวัดนี้ต่อสันๆแล้ ว, อลวอขอไปเรื่องรัตการเขาหลวงพ่อก็มีท่านหนึ่งที่บอกว่าการเคลียร์จิตในแต่ละวันเคลียร์จิตนี่คืออะไรครับไม่รู้เป็นการเพลหอเคลียร์ยเคลียร์เคลียร์จิตก็กทําให้มันว่างไงทำให้ความสงบไงหยุดคิดธงแต่ในเคลียร์จิต ก็สัปดาห์นี้ก็รู้สึกวุ่นวุ่วุทนวุเคลียรมันไปเรื่อยๆ อ, อยาปล่อยให้มันคิดก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นครับมันหนึ่งที่ผมพิจารณาคือเห็นโทษของร่างกายเช่นเราไปตากแดดก็จะเกิดอันกรอ่อนเพียร์เงือออกแล้วก็ห้าหมมันไม่ได้เออก็เห็นโทษของร่างกายว่าอีกหน่อยก็ต้องแก่ไปแล้วจะให้พิจารณามันไม่ได้ทุกข์กับการพิจารณานะครับมันจะพิจารณายัางไงต่อครับหลวงพ่อก็พิจารณามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นมันอนัตตาเราไปไป ไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันครับก็พิจารณาว่าการมีร่างกายมันเป็นทุกข์เราแบบไม่อยากมีร่างกายอย่างแต่ว่ามันไม่ได้คิดว่าไม่อยากแบบเราเป็นทุกข์นะแต่ว่าเห็นว่าเห็นโทษ ถ, ถ้าเราเกิดใหม่มีร่างกายเราก็ต้องทุกข์ใหม่ต่อให้เป็นรวยเป็นแสนล้านเราก็ยังทุกข์เล่นมีอยู่ก็พยายามอย่ามาเกิดไม่เกิด้็ต้องกาจัดกิเลสให้หมดไปอย่างใจครับก็ ให้พิจารณาเ น, นืองๆด้วยไหมบจะได้มรณนานะสะติมันจะได้สงบก็มันก็สงบกนดีตัดความอยากให้น้อยลงไปได้เลยทำได้มีเหลยด้ลยครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับขบอคขบคุณครับผมในที่กวนว่ามาม้วนหมายใช่ไหมไหม้วนหมายภูผาเรารูปหมายมาเลยจับมัน่อยได้ไม้วนหมายภูผาได้ยินไหม ก็มากาดเดี่ยวจะหมดเวลาแล้วการนมัสการค่ะเด็กทาไว้อะเดี่ยวมองไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครย่า นอนโอเคค่ะขอโทษค่ะตอนแรกเด็กๆจะมากับหลวงตาด้วยนั่งรอแล้วก็หลับเลยใช่ครับก็เลยคู่นี้แปลงเวลาเช้าผมก็เลยไปนอนก่อนค่ะนก็ไม่มีอะไรทักทายกันหน่อยก็พอมีอะไรไหมน้องใบหยกฝากถามหลวงตาค่ะว่าเขาจะมีวิธีอ จัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงแบบอย่างเช่นเวลาเขาไปแสดงอยู่หน้ากล้องละครหรืออะไรเนี้ยเขาจะชอบใจเต้นตุ๊กตุ๊กตุกตุอย่างเนี้ยค่ะแล้วทําให้เขารู้สึกกลัวไม่กล้าแสดงออกเนี่ยค่ะตาที่อยู่หน้ากล้องเออก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นการตื่นเวทีบางคนที่ไม่เคยทําไปไรื่เรียอมาพอมันเคยแล้วมันก็ไม่ตื่นเอง ไม่ต้องไปวิตกกังวลมันทําตัวให้เป็นธรรมชาติว่าไม่มีใครดูเรามีแต่กล้องกล้องมันไม่รู้เอะไรหลอกเราก็พูดกับกล้องไปเอาชิดตุงแต่งแวงว่ามีคนดูเยอะแยะไปหมดแต่ช่วงช่วงหลังนี้เขาจะมีอาการแบบเนี้บ่อยทุกครั้งที่เวลาไปออกกองหรือแม้กระทั่งไปแบบพูดหน้าเสาธงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึก น้ำสวดมนต์อะไรยเงี้ยเขาก็ <Iraq S 2> <ina. S 1> เป็น <cadre. S 1> ที่โรงเรียนนะคะเขาก็เลยอยากรู้วิธีแก้ไขเป็นช่วงเนี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นค่ะพอเวลาเขาจะพูดอะไรกับใครเขาเลือกค้าอะไรเป็นสิ่งที่เขาพูดใลยอาจจะดูเสาดูกําแพงแล้วดูอะไรแล้วพูดกับกําแพงไปเวลาราไม่ได้เราไม่ได้ไปพูดกับใคร ให้หมายถึงว่าตอนพูดก็ต้องไปที่เสาหรือกำแพงที่เรามองเห็นนะเราอย่าไปคิดว่ามีคนนู่นคนนี้ก็แย่เปหมดเรือมดูสิ่งที่เราดูแล้วเราสบายใจแล้วก็พูดกับสิ่งนั้นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยากของเราอยากอยากไม่ไม่ผิดอยากจะทำให้มันถูกแล้วก็ยิ่งทำให้เราเพียรใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนทำอะไรเขาจะรู้สึกว่าอยากทำใหดี เพราะว่าผิดบ้างถูกบ้างมไม่ไเป็นไรเราคนเรามันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตาสบายดีนะครับเดี๋ยวไว้ให้ให้พอดีเขามีงานละครเขามาเป็นติดช่วงเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไว้ปิดปิดกล้องแล้วจะพาเด็กๆไปกราบนะค ะ, ะ ไ, ด ไ, ได้เราก็ทํำไปเรื่อยๆแต่มไม่ต้องขยนเองนะใหม่ๆมันต้องตื่นเวทีอย่างเนี้ วิธีแก่ก็พูดโทรพูดโทรไปก็ได้ก่อนีะพูดแล้วก็ต้องพูดโทพูดโทพูดโทรก่รอนจะขึ้นก่อนจะ ข, ขึ้นเวทีอะไรก็พูดโทพูดโธทรทำใจทใ่านบอกเขาทำแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเขาพยายามรัวๆแล้วก็ยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เขาขุดบ่อยๆเดี๋ยว <c oughs> แตยมก็ให้เขาสวดอิติปิโสด้วยแล้วก็ให้เขา <c oughs> พยายามให้เขานั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็ ก็บอกเขาพูดโทษเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันมาม่าทำแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ขอโธษโยมไปออกกําลังกายก็เล ย, เ ย, อยงอเยอะขอโทษค่ะโอเคท่านที่ก่อนหนะ้ า, งงานกลับแล<า>้วอสการขอบคุณค่ะกลับนสกา ร, กราค่ะคุณอการท่เชิญกับนสกรารพระอาจารย์ครับนะ เป็นยังไงนอนนานหน่นะอ๋อครับพี่เข้ามาแล้วสงสัยเมื่อกี้ลูกสาวปิดกล้องไปครับเราเข้ามาฟังธรรมครับนะฮไม่มีอะไรนะกปฏิบัติเยอปฏิบัติอ่าผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสติตามดูครับนะก็สมาธิก็ก็นั่งบ้างครับวนเด็กเป็นงานมันเยอะแต่ว่าถ้าจะก็จะมาพักถ้าเกิดตื่นเหนื่อยมากก็จะมาในสมาธิครับ ของ<ช>ของปฏิฟังธ ร, รมแล้วก็วันนี้ของอาเทศของพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความอยากครับอะฮะอืมท่านก็เหมือนให้ ท, ที่ที่ท่าน เ, เทศว่าก็ให้ตัดความอยากในดูมันก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับเหมืนกับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ก็ต้องพยายามฝืนพยายามไม่ไม่อยากเป็นคารวาสลราคงต้องพยายามปฏิบัติใช่ไหมครับถ้าเราจะไม่ได้มีสมาธิที่มันลึกที่มันอะไรกา็ลนละความอยากถ้าที่เราสรรสได้อะไรที่ไม่จําเป็นยังต้องมีก็อย่าไปมี ครับฮะลดตรงนี้ไปก็ น, น่าจะทำให้เรามันลดความให้การใช้สเสพตูดเสียงกินลดใช้สัมผัสได้ไปออก ส, ส่งชจออกนอกันครับอโอเคนะครับผมครับคุณกนมหวันขนมหวันนะขนมหวันขนมวนนะกราบธรรมสการ์พระาจารย์ค่ะมีอะไรไหม เมื่อคืนนี้ค่ะหนูฝันถึงพระอาจารย์ค่ะฝันว่าได้เข้าไปกับพระอาจารย์แล้วก็ร้องไห้ร่างร้องไห้ไม่รู้ร้องทำไมค่ะแล้วก็วันนี้พอเห็นเ c e b ุ๊ k มันเด้งเตือนว่ามีไลฟยผ่านซูมด้วยตวเตลิดยิบเข้ามาค่ะความฝันเนี่ยอย่าไปเือมันเป็นสาราอะไรนะมันมันดูพ ป, ประโยชน์อแล้วก็ผ่านไป ถ้าเอามาทําประโยชน์ได้ก็เอามาทําระโยชถ้าไม่ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่มีไม่มีสาระมีสาคัญไม่ค่ะแต่เป็นเป็นเป็นฝันที่ร้องไห้มันเหมือนดีใจหรื อ, อยังไงบอกไม่ถ่วค่ะก็มีเกิดแบบนี้หลายครั้งแนละ้วพระที่เวลาไปไหว้พระหรือตรวดน้ําแล้วก็จะร้องไห้ร้องไม่มีสายค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องที่เราประทับใจนั่นอะไรเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมา ทำอะไรที่เราพัทับใจใ้นสัมผัสกับอะไรที่เราันทับใจแล้วกกิดอาการปิติขึ้นมาฉะนั้นเองอาหาไวล์ลูกมีบุญวาสนาจะมีโอกาสไปกราบอาจารย์นะเจ้าคะกราบตรนี้เลยก็ได้เหมือนกันถูกค่ะโอเคนะถูกค่ะขอบพระคุณค่ะบ้านอยูที่ไหนบ้านดูอยุธยาค่ะอายุทยา เมืเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยต้องขอไปที่ท่านสุดท้ายนนคุณดีจากศิริชายเลไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้มามกราบน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้พร ล, ลูกหน่อยค่ะวันนี้ครบรอบวันเกิดอขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายไ ข, ข้าอายุ ย, ยืนยาวนะแค่ข้าดปลอดภัยนะ สาธุ น, นะท่านคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากคะนนคุณหลา้ามีกี่คำถามว่ามาเลยมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบสาคำถามค่ะว่ามาเลยคำถามแรกจากคุณนิสาขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเอาของที่เขามาถวายวัดเช่นผ้าไตรของสังฆทานที่วัดนำมาให้ญาติโยมบูชาทำบุญครั้งที่สองเราจะได้บุญไหมคะ ได้ถ้าเราถ้าเราบริจาคเัินเพื่ อ, อของนั้นมาถ้าเขาให้มาเราเฉยๆแล้วเราไปทำบุญนี่เราไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้เสียสลาอะไราถ่อสมมุติว่าพระเขาให้ผ้าไตามาแล้วให้พระเราเอาผ้าตายไปถวายพระอินทรอย่างนี้เราไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของของเรามันเป็นขอ ง, ของพระถึงแม้เขาจะให้เราแล้วแต่เขาบอกเราว่าให้ไปถวายพระนะครับ เราไม่ได้ทําบุนต้างการทําุญนี่ไมน่นเกิดจากการเสียงฉลาสิ่งได้สิที่เป็นขอของเราไปคําถามต่อไปจากคุณพรรษาเรียนถามครับทําสมาธิใช้พุโทโธให้สงบสักพักพุดโธทหายก็เกิดความสงบขอเรียนถามพอสงบแล้ว มันมีความรู้สึกว่าตัวสงบก็คือความอยากอีกอันนี้ต้องปล่อยวางความอยากสงบถูกไหมครับพระอาจารย์ถ้ามันถ้ามันสงบจริงมันมันไม่มีความอยากสงบนะมันสงบแล้วมันก็จะเน่งจะรู้เฉยๆไปข่างใ น, นถ้ายังอยากสงบอยู่ก็ยังไม่สงบก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปคำถามต่อไปจากคุณชัดถือศีลแปดแล้วสามารถออกกําลังกายตอนเย็นได้ไหมครับ ได้ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้พาให้เราต้องออกไปในทำสถานที่ชุมชมนอะไรต่างๆเราต้องการเก็บํานวนตาคูจมูกนิ้กายของเราไม่ใช่ไปออกกำลังกายที่ฟิเตเนสอะไรอย่างเงี้ยที่คลับออกกำลังกายที่บ้านที่อะไรของเราที่ว่า์ซายของเราได้มีสามคำถามจากคุณนิยายเจ้าระพีค่ะ ครับนมัสการค่ะคำถามแรกขณะทาสมาธิมีภาพแว บ, บในความคิดจิตจับได้ทันทีแบบนี้คือการดูจิตหรือเปล่าคะก็เป็นการเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในจิตแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการดูจิตในในวิปัสสนาแสดงว่าเรามีสติแต่ความจริงไม่ควรจะไปตามสิ่งที่เราเห็นเราควรจะกลับมาอยู่ที่ลมหรือที่พุทโธ คำถามที่สองถ้าปวดเมื่อยเพ่งเวทนารูปขันเรียกว่าดูกายหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกคือเวลามันปวดเมื่อยเราเราใช้สติอย่าไปดูมันเพราะดูมันแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์เราควรที่จะดูพุทโธดีกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปดีกว่าเพื่อทำใจให้สงบก่อน คำถามที่สามการดูเส้นผมหนังกระดูกของตนเองในสมาธิคืออะไรคะก็เป็นการดูไม่เป็นไรคำถามต่อไปจากน้องหลินหลินขออนุญาตสอบถามเจ้าคะ่ะช่วงที่เคยดมยาสลบตอนผ่าตัดเมื่อตื่นขึ้นไม่มีความฝันหรือมีอาจจำไม่ได้และในปัจจุบันก็เหมือนกัน ถึงฝันก็จําไม่ได้ว่าฝันอะไรตัวหนูก็ไม่รู้ว่าฝันหรือไม่ฝันแต่ก่อนเคยฝันแล้วจําได้ว่าฝันอะไรอันนี้เกิดเป็นเกิดจากการที่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกมันเป็นเรื่องของของจิตใจของเราเราไม่ต้องไปสนใจเวลามันฝันอะไรจําได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คำถามต่อไปจากคุณชยาภากราบน้ำมการพระอาจารย์ค่ะขอถามค่ะทําบุญออนไลน์กับทําบุญไปตักบาตรบุญต่างกันไหมคะไม่ต่างเท่ากันถ้าปริมาณของการเสียสละของเราเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำแบบไหนมันอยู่ที่การเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากหรือเสียสละน้อยบรยจากมากหรือบริจากน้อยมีสองคำถามจากคุณเดอะมัลติเวิร์สโซลยูนิตี้ค่ะ คำถามแรกขอโอกาสครับภูมิพรหมโลกส่วนที่ถือว่ามีปัญญาได้แก่สุดทาวาสห้าชั้นล้วนเป็นรูปประพรมเหตุเพราะเหตุใดครับเพื่อมันเป็นอย่างนั้นน่มันมันเป็นเรื่องของภาาอนาคามเป็นที่ ท, ที่ที่อยู่ของภาะอนาคามีผู้ที่ได้ได้ได้อระปฌานด้วยการพิจารณาร่ปปราง ก, ก, กาย อสุภาแล้วปล่อยวางร่างกายได้มันก็เลยทำให้จิตละเอียดอยู่ในขั้นของรู ป, ปรชาติคำถามที่สองก่อนศาสนาพระโคตมะพุทธเจ้ามีหลักพระเวทซึ่งเป็นสมาธิโยคีและสส ย, ยะสมาธิแต่หมดเรื่องปัญญามานานนั้นเป็นของหางกระทิของพระกัสสปะพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ ไม่รู้เหมือนกันนะขอไปด้วยคำถามต่อไปจากคุณชัดถ้าจะบวชปฏิบัติธรรมแบบเต็มที่ควรบวชวัดป่าใกล้บ้านหรือวัดต่าที่ไกลๆจากญาติพี่น้องแบบไหนดีกว่ากันครับถ้าอยู่ไกลได้จะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้กกลแล้วญาติพี่น้องจะมารบกวนเราจะทําทให้เราเสียสมาธิได้เสียความตั้งใจได้หมดมแล้วเลย อีกสามคำถามเจ้าคะ่ะคำถามต่อไปจากคุณเอกวิชพระอาจารย์สุชาติครับตอนพระอาจารย์บวชเป็นพระแรกๆเคยมีความรู้สึกจะสึกบ้างไหมครับอ๋อไม่มีครัเพราะมันมวันแต่ปฏิบัติอยู่ไม่มีเวลาชิดมันมีแต่คอยหยุดความิอยู่ตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณอรนิชากลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ การจุดทูบสิบหกดอกหรือสามสิบหกดอกเพื่อขอขมากรรมต่างๆที่เคยทําไว้อดีตชาติปัจจุบันชาติเห็นบางท่านเขาทําเจ้าค่ะการขอขมากรรมสามารถทำทำได้ไหมเจ้าคะไม่ได้เหรอกา ร, รนี่เราทำอะไรไปแล้วเราต้องชดใช้ต่อไปการขอขอมานี้เป็นเพียงแต่การจะสดงความเห็นโทษเห็นความผิดของเราเราพยายามที่จะไม่ทําอีกต่อไปเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณกล้องกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมได้ไปสัมภาษณ์งานหลายๆบริษัทหลายๆตำแหน่งมีหลายๆที่บอกว่าผมไม่ค่อยยิ้มหรือดูเฉยเกินไปทํานองนี้กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะผมขาดเมตตาไหมครับแต่ในใจผมแค่รู้สึกมีความเบื่อหน่ายเข้ามาบ่อยๆและพยายามปฏิบัติอยู่เสมอครับ ก็ไม่รู้ล่ะขาดก็ไม่ขาดก็อยู่ที่อาจจะเป็นนิสัยของเราที่เป็นอย่างนี้ก็ได้ที่เฉยๆคําถามสุดท้ายจากคุณอู่กราบถามพระอาจารย์ค่ะเคยอ่านประวัติไม่ชีที่นั่งสมาธิจนบรรลุธรรมแต่มีประวัติในอดีตที่ถูกผู้อื่นทําร้ายและยากจนสงสัยว่าคนที่ปฏิบัติธรรน่าจะทําบุญทําดีมาเยอะแต่ทําไมถึงมีประวัติในอดี น่าสงสารก่อนจะ บ, บรรลุธรรมคะ่ะแล้วก่อนมีอดีตมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรื่องของปัจเจกับบุคคลไม่เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมถามหมดแล้วเจ้าค่ะาหมดแล้วก็หมดเวลาพอดีนะเกินเวลามาหน่อยคนนี้เดือดรักชาติหาวก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณา ป, ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด